วาจังมุนเจยะกัลลยานิ่งแปลว่าควรเปล่งวาจางามจะพูดจาพาธีให้มีค่าเปล่งวาจาให้งามตามวิสัยถ้าวจีขี้ทูดอย่าพูดไปเก็บเอาไว้ดีกว่าอย่าพาธีพูดไม่เพราะเหมาะหูศัตรูมากจะได้ยากเคืองข้องเศร้าหมองสีกล่าวแต่ถ้อยเป็นธรรมพูดคำดี เป็นเครื่องชี้คุณงามความเจริญสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านปีที่23ของรายการอาจารย์ยอดครับเดี๋ยววันนี้มีเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะครับอันนี้ยายของคุณประเสริฐเล่าให้คุณประเสริฐ ฟ, ฟังเหตุที่ยายจะเล่าเรื่องนี้ก็เพราะว่าอ่าคุณประเสริฐเนี่ยไปด่าใครไม่รู้อ่าไปบอกเอีเพลทว่างอัน ยายโกรธใหญ่ยายบอกว่าคำว่าเปรดเนี่ยอย่าเอามาพูดกันเล่นๆไม่ได้เพราะว่ามันเป็นคำที่ไม่เป็นมงคลถึงจะด่าเขาแต่ว่าก็อย่าใช้คำนี้นะแล้วยายก็เล่าให้ฟังถึงเรื่องอาถรรพ์ของคำนี้ให้ฟังยายเล่า ว, ว่าเมื่อสมัยยายยังเป็นสาวอยู่ตอนนั้นก็อยู่กับพี่สาวคนโต พี่สาวคนโตนี่ยังไม่ได้แต่งงานอายุสี่สิบกว่าแล้วส่วนพี่น้องคนอื่นๆแต่งกันไปหมดแล้วอ่ะก็เหลือแต่ยายนี่แหละที่เป็นคนเล็กก็คือพี่สาวคนโตสุดกับยายที่เป็นคนเล็กสุดแต่เพิ่งจะรุ่นสาวเนี่ยเท่านั้นแหละสองคนเนี่ยที่ยังไม่ได้แต่งงานชื่อจริงๆของยายเนี่ยชื่อเฉลวยอ่าชื่อแบบไทยแท้แต่บบราณ น, นั่นแหละนะแต่ว่าเมื่อตอนสาวๆตอนนั้น ผู้ชายแทนที่จะเรียกแม่หลวยนี่ไม่เรียกอะเรียกชื่อยายสมัยว่าสวยเหตุผลง่ายๆก็คือยายเป็นผู้หญิงที่สวยพริ้งทั้งใบหน้าตลอดจนส่วนทรงอง์เอวทีแรกฟังแล้วก็นึกเคืองไอ้หนุ่มพวกนั้นเหมือนกันแต่ว่านานเข้าก็ชักคุ้นๆก็รู้สึกว่าไอ้คาว่าสวยเนี่ยมันเป็นสมญานามที่ไพเราะเพราะพริ้งไม่เห็นจะเสื่อมเสียเกียรติยศตรงไหนนะตกลงใครจะเรียกยายว่าหลวยหรือว่าสวยเนี่ยยายก็หันกลับทางนั้นแหละ ขณะที่ยายยังเป็นสาวรุ่นคือช่วงต้นของรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกรุงเทพยุค ก, กระโนนตามท้องถนนมีรถยนต์ลั่นนี่นับคันท่วนเลยวันหนึ่งนับได้ไม่กี่คันชุดเท่ของสุภาพบุรุษก็คือกางเกงแพรปังริมกับเสื้อกุยเฮงบางก็โกนหนวดเคราเกลี้ยงเกลาบางก็ยังนิยมไว้หนวดงงติดมาตั้งแต่ครั้งสมัยพระพุทธเจ้าหลวง ทางฝ่ายผู้หญิงชุดทั่วไปก็คือผ้าสิ้นกับเสื้อคอกระเช้าผู้หญิงลํำยุกนำสมัยจะแต่งตัวเอาเยี่ยงสาวสาวชาวยุโรปได้แก่เสื้อแขนพองกับกระโปรงบานรูปแบบต่างๆยายหลวยเนี่ยอาศัยเช่าบ้านอยู่ในลาแวกวัดสเกตอ่าเป็นวัดสำคัญใจกลางเมืองหลวงนั่นแหละอยู่กันเพียงลำพังสองคนพี่น้องยึดอาชีพขายข้าวแกงพอมีไรายได้เลี้ยงตัวแล้วก็พอมีเหลือเก็บนิดหน่อย ก็เพราะข้าวแกงที่ร้านของใหญ่รวยเนี่ยขายดีเป็นเทน้ําเทท่านะทั้งนี้ก็เพราะว่าผู้ชายตั้งหัวดําหัวงอกนะเพี่ยนมาเป็นสมาชิกขาประจําอุดหนุนข้าวแกงที่ร้านกันแน่นทุกวันขึ้นชื่อว่าร้านข้าวแกงแม่สวยอ่าดาราใหญ่แห่งถนนข้างวัสเกตเนี่ยนะดังกระชอนทีเดียวที่นี้บุคคลสําคัญที่ใหญ่หลวยเอ่ยถึงก็คือใน้วน ในล้วนคนนี้ก็เป็นสมาชิกประจำชมรมคนรักข้าวแกงร้านแม่สวยด้วยนะในล้วนนี่เป็นมกคนายกของวัสเกต ท, ที่อยู่ใกล้ๆกับร้านนั่นแหละคุณลักษณะของในล้วนก็คือแกอายุสักสามสิบเศษรูปร่างสูงโปร่งผิวขาวเหมือนกับผู้ชายชาวเหนือเดิมทีก็บวชเป็นพระสงฆ์อยู่ในวัสเกตทันศึกหาลาเพศย์ไปเป็นคารวาต ในล้วนก็ป้วนเปี่ยนอยู่ไหม่ห่างหายไปจากวัดชาวบ้านในละแวกนั้นเขาขเคารพเลื่อมใสในล้วนด้วยเหตุที่เขาอุทิศเวลาช่วยเหลือกิจการของทางวัดเต็มสติกําลังความสามารถนะแล้วก็เป็นคนมีวาจาสุภาพนอบน้อมโดยเฉพาะเรื่องผู้จาหวานล้อมให้ศรัทธาญาติโยมแวะเวียนมาทําบุญถือเป็นความถนัดอย่างยิ่งเลยของในล้วนทีเดียวเพราะฉะนั้นตำแหน่งมรคนายกถ้าไม่แต่งตั้งให้ในายล้วนแล้วจะไปแต่งตั้งให้ต้นโพที่ไหนล่ะ ที่นี่เขาแวะมากินข้าวแกงร้านยายลวยเนี่ยเป็นคนแรกเลยทุกวันนเป็นอย่างเงี้ยต้องมาเป็นคนแรกแล้วก็มาอีกทีเป็นคนสุดท้ายด้วยเหตุผลสองประการก็คือบ้านเขาอยู่ไม่ไกลจากร้านยายลวยเท่าไหร่ทำให้การมาเป็นเจ้าแรกก็ทำง่ายการมาอุดหนุนเป็นคนสุดท้ายก็ทำง่ายคุณประโยชน์ของการทาอย่างนั้นก็คือได้พูดได้คุยกับยายลวยเนี่ยเต็มอิ่ม เท่าที่อยากจะสร้างสัมพันธ์ทำไมตรีรวมทั้งก็โปรโมทโออวดความดีงามของตนเองด้วยประการต่างๆให้ยายได้สะดับรับฟังดูให้พิจารณาดูว่าเขามีคุณค่ามากน้อยไปกว่าพวกข้าราชการระดับคุณหลวงคุณพระแล้วก็พวกเสษ็ีหนุ่มๆที่เพียรมาจีบยายหรือเปล่าในล้วนก็เปิดเผยให้ยายรู้อย่างหมดเปลือกว่าเงินทุกประเภทที่เป็นรายได้ของทางวัด เขาผู้เดียวเท่านั้นทำหน้าที่ดูแลรักษาทางวัดต้องการก่อสร้างถาวรวัตถุหรือว่าปฏิสังขรณ์เสนาสนะอะไรก็ตามต้องทำเรื่องเบิกจากกองทุนที่นายล้วนดูแลเป็นงวดงวดไปนายล้วนกระซิบเป็นความลับให้ยายรู้ว่าเงินกองทุนในความดูแลของเขานะี่ยมีจํานวนมากมายเอาเรื่องทีเดียวเขาเนี่ยสามารถจะนําเงินบางส่วนมาช่วยขยายกิจการร้านข้าวแกงของยายรวยให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งกว่าที่เป็นอยู่เพียงแต่ว่า เมื่อเอาไปแล้วเนี่ยต้องผ่อนคืนเขาครบทุกบาททุกสตังค์ยายฟังแล้วก็เฉยเฉยไม่ยินดียินร้ายเพราะรู้ว่าเงินพระเงินเจ้านี่ไม่ควรจะเข้าไปแต่ต้องเป็นอัรขาดพลาดพลั้งขึ้นมาจะด้วยเหตุสุดวิสัยอะไรก็แล้วแต่เหอะนรกจะกินหัวเปล่าๆปู่ย่าตาทวดท่าสอนกันมาอย่างนั้นยายก็เลยไม่สนใจในล้วนพูดแล้วเห็นยายมองเขาด้วยสายตาชอบคนก็เลยยุติไอ้เรื่องเงินวัดเนี่ยอาศัยคารมจีบยายไปวันวัน เพอเอินคนวัยในล้วนเนี่ยมันผิดสเปคของยายยายอายุแค่สิบ็ดหยกยกสบหกย่อนๆย่อเนี่ยมีแฟนอายุเข้าไปจะสี่สิบไม่ไหวอะมังอ่าเพราะคิดถึงว่าตัวเองพอขึ้นไปสามสิบเศษนะผัวแก่หัวสั่นแล้วอะแค่คิดก็ผวาแล้วที่นี่นานวันเข้าเฉลยเงินที่ในล้วนเก็บรักษาเนี่ยจะมีอำนาจเหนือหัวใจมนุษย์ในล้วนก็เริ่มมองเห็นผลประโยชน์อันพึงมีพึงไดจากเงิน นับตั้งแต่ตอนที่เอาเงินไปกล่อมยายหวังจะให้ยายตาโตอยากจะได้เงินพระเงินเจ้าอ่ะนะนะเสร็จแล้วเอาเอาเงินที่ตัวดูแลไปออกดอกเบี้ยนะชาบ้านเขาก็บอกนายล้วนตั้ง ต, งตนเป็นนายทุนเงินกู้คือเงินต้นก็คืนให้กองทุนของวัดไปเงินดอกเบี้ยจริงอกงามขึ้นมาถือว่าเป็นเงินพิเศษสามารถนําไปใช้ได้ตามประสงค์นะ แต่ตามความเป็นจริงใครเอาเงินตัวเองฝากธนาคารดอกเบี้ยเงินฝากก็ย่อมเป็นของคนคนนั้นแหละนะทีนี้เงินวัดวาอารามเอาไปออกดอกเบี้ยดอกเบี้ยจะกลายเป็นของคนเอาไปออกดอกได้ยังไงอ่นะทีนี้จนกระทั่งยายญ่ยยหลวยเนี่ยอายุย่าง20ปีบริบูรนความสวยก็เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเวลาเดียวกันในล้วนที่เคยเดินดินกินข้าวแกงจู่ๆก็มั่งมีสีสุขผิดหูผิดตามีสร้อยคอตองคําเส้นเบิ่ม สวมใส่ก้รูแหวนเพชรแหวนพลอยนะใส่สาพรบไปหมดแกจีบยายจนกี่ครั้งจะจีบเพราะจีบตั้งหลายปีดีดักไม่ได้เรื่องได้ราวสักทีก็เลยหันไปจีบแม่ค้าขายขนมหวานแถวแถวนางเลิงจีบปุ๊บได้กันปั๊บเลยทั้งทั้งที่ตัวเองนะตัวในร้ว น, นะอายุยังไม่ถึงสี่สิบหรอกแต่เมียดันอายุเกือบห้าสิบก็ไปแล้วนะชาวบ้านเขาบอกเหมือนผีเน่ากะโลผุเลย ที่นี้แบบแผนของการคดโกงเงินวัดก็เริ่มมากขึ้นแนบเนียนขึ้นนสมภารเจ้าวาดท่านไม่เกือบแกลงสงสัยเพราะเชื่อในแบบที่พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าท่านเชื่อว่าเงินของวัดเนี่ยคนที่บวชที่วัดแล้วเป็นมัรคนายกในเรื่องคดโกงมันเป็นไปไม่ได้หรอกพวกชาวบ้านก็ไม่ระแวงสงสัยอะไรเพราะหน้าตาคนในล้วนเนี่ยซื่อสัตย์เสมอต้นเสมอปลาย การบำรุงถาวรวัตถุและเสนาสนะให้ทางวัดก็ดำริริเริ่มอยู่เรื่อยๆแล้วใครและจะระแวงว่าเขาจะเป็นคนน่าซื่อใจคดได้ลงคอทีนี้ยายล้วนกับคุณยายใหญ่ก็คือพี่สาวใหญ่นะ่ะสองคนเท่านี้แหละที่อ่านใจในล้วนได้ทะลุปลุโปง่งระยะหลังจากมีครอบครัวในล้วนก็ออู่อาถึงขั้นซื้อรถเก๋งขับขี่เป็นรถส่วนตัวอ้างว่าเมียเกรงจะไม่สมศักดิ์ศรีมคณายก ไปไหนทีต้องโหนรถเมยต้องแต่งต้องแต่งเมียก็เลยลงทุนซื้อรถให้ใช้เขาว่ า, างั้นถึงขั้นนี้แล้วทั้งประสงค์องค์เนนตลอดจนสถาญาโยมก็ยังเชื่อถือในตัวในล้วนถือว่าเขาเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างหนึ่งเชี่ยวชาญในทางคดในข้องอนในกระดูกอ่ะคงตั้งใจจะโกงวัดไปจนกาชีวิตจะาไม่เขาก็เลยดํารงความเป็นมัรคนายกอย่างแน่นเหนียวอาศัยวาจาสุภาพอ่อนหวานมีลีลาพูดจา เพื่อประโยชน์อ้างจะทําโน่นทํานี่ให้วัดเขาก็สามารถครอบครองเงินที่มีแต่จะมากทวีขึ้นทําโน่นสิ้นเงินไปแค่นี้ทําบัญชีเพิ่มขึ้นเป็นเท่านั้นจนกระทั่งโยกย้ายเงินของวัดไปซื้อรถไปปลูกบ้านหลังใหญ่สุขสบายทั้งทั้งที่ใครต่อใครก็ยังศรัทธานในตัวเขาตอนที่ในล้วนมีลูกผู้หญิงสองคนนายใหญ่ใหญ่รวยเพิ่งจะแต่งงาน ไก้กตาเกิดตาเกิดเนี่ยเป็นคนหล่อเหลาคมคายแต่ว่ายายก็ต้องยอมยกนิ้วให้เขาคือเขาเป็นทายาทกองบรดกขนาดย่อมย่อมมีกิจการค้าขายอยู่ไม่ไกลาจากร้านข้าวแกงของยายเท่าไรกล้ามอบทั้งร้านและทรัพย์สินทั้งหมดเท่าที่มีให้ยายเพียงคนเดียวคนอย่างนี้ถ้าไม่เชื่อว่าเขารักแท้รักจริงจะไปเชื่อแมวที่ไหนได้อีกละ่ะอายายรวยแกว่าอย่างนั้นตกลงยายรวยกับคุณยายใหญ่ ก็เลิกการเช่าบ้านขายข้าวแกงอพยศไปอยู่รวมกันที่ร้านของตะเกิดอสามีของยายหลวยตั้งแต่เวลานั้นข้างในล้วนที่แรกในยายเข้าใจว่าคงจะหมดสิ้นเยื่อใยจากยายไปตั้งปีมาโวแล้วไปมีเมียแล้วนี่มีลูกแล้วอ่ะที่ไหนได้พราะเขารู้ข่าวว่ายายหลวยมีครอบครัวเท่านั้น่ะอร้ อ, รองไห้ฟูมไฟเสียดมเสียดายยายใจแทบขาด ที่นี่บ้านหลังใหญ่บเบ้อเลยของในล้วนเนี่ยพระอิญว่าไปปลูกอยู่ไม่ไกลจากร้านค้าของคุณตะเกิดเนี่ยตอนที่เขาเดินมาซื้อข้าวสารกับปิน้ําปลาอ่าเห็นกันครั้งไหนแกก็ทําตาโศกเชื่อมใส่ยายทีนั้นทําท่าว่าแหมแสนที่จะเสียดายครั้งหนึ่งคนในร้านออกไปธุระกันหมดในล้วนเขาแวะมาซื้อข้าวของมกากระซิบกระยายว่าที่จริงเนี่ยเขาเจตนา ตั้งใจว่าจะตั้งเนื้อตั้งตัวให้สําเร็จเสียก่อนวิธีตั้งตัวของเขาก็คือไปแต่งงานกับสาวใหญ่วัยใกล้จะห้าสิบที่เป็นแม่ค้าขนมหวานในตลาดนางเลิงเขารู้ว่าเมียคนเนี้สุขภาพชารุดทุดโทมวันไหนที่เมียแก่ล้มหายตายจากวันนั้นแหละวันที่เขาจะมาสู่ขอใหญ่รวยให้เป็นเรื่องเป็นราวเออใหญ่รวยดันหนีมามีครอบครัวจะได้ ยายฟังเท่านั้นวิทย์จะถีบในล้วนกระเด็นออกจากร้านให้แล้วดีที่ยั้งไว้ทันครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับที่นี้ก็มาควีนถึงเรื่องของเปรดต่อเวลาผ่านไปจนกระทั่งยายลวยนี่อายุยี่สิบสามปีก็เกิดเรื่องไม่ชอบมาพากลกับชีวิตครอบครัวในล้วน แต่แล้วเรื่องนี้ร้ายแรงทั้งนั้นเริ่มจากลูกสาวคนโตของแก่อายุแค่สี่ขวบเศษอยู่ๆปีนต้นไม้เล่นตามภาษาเด็กซนทําอีท่าไหนไม่รู้พลัดตกลงมาคอหักตายเลยเขาทําศพลูกคนโตเพิ่งจะแล้วเสร็จไปได้ไม่นานเท่าไหร่ลูกสาวคนเล็กอายุแค่สองขวบเศษล้มป่วยเป็นโรคประหลาดอยู่ๆก็ล้มหมอนนอนเสือ่อพร้อมเอาพร้อมเอา ในล้วนก็เชิญแพทย์แผนปัจจุบันมาฉีดยาได้ไม่กี่เข็มอะลูกวัยสองขวบเพาเกิดชักตาตั้งคาเข็มฉีดยาแล้วก็เสียชีวิตภายในคืนเดียวกันนั่นแหละเป็นอันว่าบ้านหลังใหญ่บเบ้อเลยเหลือแต่ในล้วนตอนนั้นอายุสี่สิบเอ็ดปีกับเมียอดีตแม่ค้าขายขนมหวานอ้วนจำมัำ่มอายุห้าสิบอดปีเหมือนกัน สุขภาพเมียแย่วันแย่คืนคนก็พูดกันว่ามีลูกตอนแก่ทั้งที่ไม่น่าจะมีก็มีเข้าไปแล้วอ่ะมันจะไม่แย่ไงไหวอ่ะในล้วนก็ทุกออกทุกใจแสนสาหัสกับการจากไปของลูกทั้งสองคนทางบำบัดทุกขซึ่งเป็นทางอันโง่เขลาของในล้วนก็คือดื่มเหล้าเผากลุ่มตะบี้ตะบันกินมันเข้าไปอีท่าไหนไม่รู้คืนหนึ่งปรากฏว่าในล้วนฟุบพาขวดเหล้าเลยอยู่ในบ้านนะ่ะ ทีนี้ฟุบแล้วฟุบเลยหมายความเอาล้มหมอนนอนเสือสิอาการที่เมียร่างจำมั่เห็นแล้วกลุ้มจะเป็นบ้าตายก็คือแกนอนในตามือลอยข้าวปลาไม่ยอมกินใครมาเยี่ยมไข้ก็บอกว่าเขาคงจะคิดถึงลูกที่จากไปคิดเกินขนาดไปแต่ยายลวยกับคุณยายใหญ่ก็คิดคิดเหมือนกันนะว่าในล้วนโกงเงินวัดเอาไปสร้างความมั่งมีสีสุขให้กับตัวเองและครอบครัว ความสุขที่ไหนจะจีรังยั่งยืนกับคนจำพวกนี้มันต้องเกิดอะไรขึ้นยตน์ได้แหละระหว่างที่ในล้วนอาการมีแต่สุดวันสุดคืนก็เกิดเรื่องน่าสะพึงกลัวขึ้นในเราแวกวัดแห่งนั้นทางนี้ก็คือต้องรู้สภาพภูมิประเทศของวัดที่ว่าเนี่ยนะครับมันตั้งอยู่ริมคลองมีถนนขนาดสองเลนขั้นระหว่างวัดกับคลองนั้น ส่วนบ้านเรือนราษฎรดอนก็ปลูกกยโดยรอบทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วก็ด้านหลังของวัดมีทั้งที่เป็นอาคารพานิชแลวก็บ้านอยู่อาศัยสำหรับบ้านของในล้วนนี่อยู่คนละฝ้ากับร้านค้าของยายรวยจนแล้วจนรอดในล้วนก็ไม่ยักตายให้หมดเรื่องหมดราวไปสทัทียังฝืนทนนอนพ ง, งาบผ ง, งาบอยู่อย่างนั้นนะวันแล้ววันเล่าเมียร่างยักก็นับว่าดีพอใช้ได้เฝ้าดูแลอาการอยู่ไม่ห่างหาย คืนหนึ่งยายลวยกับครอบครัวออกไปธุระที่นางเลิง้งขากลับอาศัยสองเท้าก็เดินผ่านคลองสายสำคัญต้องเดินลัดลานวัดเพื่อจะไปทะลุซอยเข้าร้านของยายแสงสว่างสองทางให้ยายก็ได้แก่ตะเกียงรั่วเครื่องอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยที่สุดในยุคนั้นตอนเดินผ่านลานวัดไปแล้วที่นี้จะต้องผ่านกาแพงบ้านในล้วนเขาด้วยถ้ำกลางบรรยากาศมืดสลัวเรือนรางของคืนเดือนแรม ยายกับคุณตาแล้วก็คุณยายใหญ่ก็มองเห็นเงาดําเหมือนเสาไฟฟ้าไหวตัวไปมาในเขตรั้วบ้านในล้วนเสานั้นอยู่ใกล้ต้นมะม่วงหน้าบ้านของเขายุคสมัยนั้นเสาไฟฟ้าในเมืองหลวงพอจะมีอยู่บ้างตามถนนสายหลักตามตรอกซอกซอยใช้ต่อสายจากเสาหลักเพื่อเอาไฟฟ้าเข้าไปใช้ในบ้านเพราะฉะนั้นการเห็นสิ่งที่คล้ายเสาไฟฟ้าโยกตัวโยกเยกโยกแยกที่บ้านในล้วน ถือเป็นสิ่งผิดปกติอย่างร้ายแรงยายหลวยกับคุณยาใหญ่ยืนตัวแข็งทื่อแล้วมองเสาลึกลับในโยกเยกไปมาด้วยความรู้สึกอกสันขวัญหายแต่ว่าคุณตาแล้วก็คนที่มาด้วยกำลังใจกล้าแข็งกำลังใจดีเพราะว่าเขาเคยเดินทางไปค้าขายต่างเมืองเคยเรียนรู้สิ่งลี้ลับจากผู้เรืองวิชาตามต่างจังหวัดนี่ คุณตาเกิดในรู้ทันทีว่าไอ้เสาโยกแยกสูงชลูดนะไม่ใช่เสาไฟฟ้าหากเป็นสิ่งที่น่าสะพึงกลัวจะพวกเปรตตาเกิดก็เลยปลอบประโลมยายไม่ให้ตรนกจนเกินเหตุแต่ทีนี้เปรตจะมาจากที่ไหนละ่ะจะว่าเป็นเปรตในล้วนเพราะว่าคนชนิดเขาสั่งสมกรรมชั่วคดโกงเงินทองจากพระาศาสนาไปสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อความสะดวกสบายก็จริงแต่ว่าในล้วนก็ไม่ได้ตายไปแต่อย่างใด เสร็จแล้วครู่หนึ่งเปร ت, ตตนนั้นก็ยืนตัวตรงเพราะร่างเขามันผอมรีบเล็กอ่าสูงอยู่เหนือยอดต้นมะม่วงอ่ะตั้งสองทวานะคือพูดง่ายๆสูงประมาณตึกสามชั้นนั่นแหละยายหัวใจทําท่าจะหยุดเต้นได้ได้ยายว่างั้นเปรตมันทําท่าเหมือนก็งง ง, ง, งหมุนไปหมุนมาสักพักต่อมาก็ก้าวข้ามรั้วบ้านไปได้ก้าวเดียว อ่าแล้วก็เดินโย่งแย่งควาความมืดสลัวไปทางป่าชาท้ายวัดพวกหมูหมาเห่าหอนไล่ตามหลังเสียงขโมงโสงเฉงไปหมดอ่าไอ้ที่เห่าน่ะเป็นส่วนน้อยแต่ที่หอนนะ่ะมันตั้งหน้าตั้งตาหอนน่ะเป็นขโยงเลยเสฉยแหละทีนี่ยายก็ชวนคนทั้งหมดให้เร่งเดินกลับร้านค้าพอถึงร้านนาะยยายนั่งใจเต้นตูมตามอีกพักใหญ่ถึงค่อยสงบลงเป็นปกติตอนที่นั่งอยู่ด้วยกันคุณตาก็ พูดกัคุณยายใหญ่บอกว่าเปรตเนี่ยก่อนจะอุบัติขึ้นมาเป็นสิ่งมีชีวิตอันพิลึกพิลันเพื่อเสวยวิบากกรรมที่ตัวเองได้ทําไว้ก่อนหน้านั้นเปรตก็ไปจากมนุษย์เราดีๆนี่แหละอาศัยกรรมชั่วที่เบียดเบียนพระสงฆ์องค์เนรผู้ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบบ้างทําลายถาวรวัตถุในพระาศาสนาบ้างคดโกงทรัพย์สินเงินทองของาศาสนามาเป็นของเขาตัวเองบ้างแย่งอาหารที่เขาถวายจําเพาะแด่พระภิกษุสงฆ์บั่งล่อลวงอุบาสกอุบาสิกา ที่เขาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแลว้วก็เอาทรัพย์สินเงินทองที่เขาบริจาคเพื่อศาสนามาเป็นสมบัติของตัวบ้างพวกที่ว่าเนี่ยหลังจากดับจิตสิ้นลมปราณแล้วจะไปอุบัติในชาติภพใหม่เป็นเปรตทันทีโดยไม่ต้องรีรอไม่มีการต่อรองเพราะว่ากฎแห่งกรรมไม่มีคมยกโทษให้ใครทําสิ่งไหนก็ต้องทําสิ่งนั้นได้สิ่งนั้นทําดีก็ต้องได้ดีทําชั่วก็ต้องได้ชั่วมันจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้สมัย พระพุทธเจ้ากัสปะพระพุทธเจ้าองค์ที่สามแห่งพัทลักกับมีบุรุษชาวนาคนหนึ่งกำลังทำไร่ไถานาอยู่ในเขตที่ดินของตัวเสร็จแล้วก็ปรากฏว่ามีลมพายุพัดเอาผ้าจีวอนเป็นจีวอนพระสีเหลืองเนี่ยลอยมาหล่นลงหน้าแก่บุรุษชาวนาก็เงยหน้าขึ้นมองก็ทราบว่าเป็นผ้าที่ชาวบ้านเขานาไปห่มเจดีซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของ พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เสด็จเข้าสู่พระนิพพานแล้วเนี่ยหลุดลอยมาตามลมทั้งๆที่เขารู้ว่าผ้านั้นห่มองค์จะดีแต่ถือว่าผ้าลอยลมมาหาเขาเองเขาก็ไม่ได้ไปยื้อแย่งไปรักไปขโมยอะไรนี่ชาวนาดำริโง่าขาวอย่างนั้นก็นำผ้าจีวรมาใช้สอยเป็นสมบัติส่วนตัวผลกรรมแหม่งการเอาสมบัติของพระศาสนาถึงแม้ว่าจะเกิดขึ้นเพราะแรงลมเป็นต้นเหตุเมื่อบุรุษนันละสังขารจากชาติที่เกิดเป็นมนุษย์ ก็ไปอุบัติเป็นเปรตอยู่นานถึงหนึ่งพุท ธ, ธันดรพุท ธ, ธันดร น, นี่หมายความว่านานเท่ากับพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วองค์หนึ่งแล้วก็รอจนไฟอีกองค์หนึ่งเนี่ยจะมาอุบัติขึ้นอ่ะช่วงว่างาศาสนานี่ยแหละเขาเรียกพุท ธ, ธันดร น, นี่ขนาดว่าบุรุษนั้นทํากรรมชั่วโดยไม่เจตนาไม่ได้ลักขโมยแต่ว่าผ้าผืนนั้นลมพัดมาหาเขาเองบุรุษชาวนาคนนั้นยังรับผลกรรมยาวนานถึงขนาดนี้ แล้วคนก่อกรรมกับพระาศาสนาด้วยความจงใจะจะต้องชดใช้กรรมด้วยความทุกข์แสนสาหัสนานถึงขนาดไห น, นเวลานั้นในใจยายที่นั่งฟังเรื่องเปรตอยู่ก็ตรีรองดูว่าในล้วนเนี่ยอาศัยเล่เหลี่ยมกลโกงช่วงจริงทรัพย์สินในาศาสนามาเป็นของตัวคิดแล้วจำนวนไม่ใช่น้อยทีเดียวถ้าสิ้นใจตายกลายเป็นเปรตก็เห็นทีจะเสวยกรรมจนไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเป็นแน่แท้ถ้าตายนะ วันรุ่งขึ้นจากที่ครอบครัวของยายพบเห็นเปรตร่างสูงกว่าเสาไฟฟ้านะชาวบ้านผู้อาศัยอยู่โดยรอบวัดมีหลายหลังคาเรือนที่พบเห็นเปรตตัวเนี้ยเดินโย่งเยี่ยงผ่านหน้าบ้านของเขาในตอนดึกก็ล่ำลือเรื่องเปรตกันซิงแซ่ไปหมดที่แรกก็คาดว่าเป็นเปรตในล้วนเนื่องจากผลกรรมของเขาเริ่มรู้กันแพร่หลายในหมูพ่พุทธบริษัทที่อยู่ใกล้ๆวัดแต่ว่าจะว่าเป็นเปรตในล้วนก็ยังไม่ได้เพราะในล้วนยังไม่ได้ตาย ยังไม่ได้อําลาโลกถ้าเช่นนั้นเปรตตัวนี้มาจากไหนทำไมถึงก้าออกมาจากเขตรั้วบ้านในล้วนวันต่อมาก็มีผู้คนพบเห็นอีกว่าเปรตหายเงียบเข้าไปอยู่ในป่าช้าหลายชั่วโมงก็จริงก่อนฟ้าสางสว่างแจ้งเปรตตัวดังกล่าวนี้ก็เดินโยงเยงกลับเข้าบ้านในล้วนเช่นที่มันก้าวข้ามรั้วออกไปจากบ้านของเขาแน่นแหละบ้านในล้วนก็เลยเป็นแหล่งที่มาของความน่าสะพรึงกลัว ชาวบ้านทั้งหวาดกลัวทั้งจงเกลียดจงชังพากันฆ่าเดาไปต่างๆนานาแต่การเดาก็รู้สึกจะใกล้เคียงความจริงมากกว่าอื่นนั่นก็คือในล้วนถึงแม้ว่ายังนอนหายใจระรวยระรวยยังไม่ถึงขั้นชักพัง้าพัง้าแต่ว่าจิตวิญ ญ, ญาณของเขาอาจจะไปอุบัติเป็นเปรตล่วงหน้าแล้วก็ได้วันใดสังขารคนในล้วนสุดสวงหนึ่งขีดสุดคือหมดลมหายใจก็คือวันที่เปรตได้ใช้ชีวิตความเป็นเปรตอย่างสมบูรณ์แบบ ไม่ต้องเที่ยวไปเที่ยวมาระหว่างบ้านเรือนที่พำนักกับป่าชา้านะความตายอันนั้นแหละที่จะตัดสายใยนี้ขาดสะบั้นส่งผลให้ในล้วนที่นี้ไปเสวยกรรมยุติการเที่ยวไปเที่ยวมาได้โดยเด็ดขาดระหว่างที่เขายังมีลมหายใจอาการยังดำรงอยู่ในขั้นตรีทูตร่อแร่แต่ไม่แย่มากไปกว่านั้นเปรตผู้นาเสพงกลัวได้ปรากฏร่างออกจากบ้านในล้วนทุกคืน ผู้คนในละแวกกำแพงวัดไม่เว้นแต่พระสงฆ์องค์เนนใครที่ได้เห็นเปรตประจักษ์ชัดกับสายตาตัวเองใครคนนั้นก็ต้องอกสานขวัญแขวนบางรายถึงขนาดจับไข้นอนคลางหือฮือด้วยโรคกลัวเปรตขึ้นสมองคือพูดได้เต็มปากว่าในรัศมีห้ากิโลเมตรของวัดนี่ทุกชีวิตเหมือนตกอยู่ในอาณาจักรแห่งความกลัวชาวบ้านไม่กลา้าโผล่หัวออกจากบ้านช่องห้องหอหลังจากพระทิย์ตกดินไปแล้วก็มีเพียง หมูหมาละบังที่กล้าสัญจรไปมาตามท้องถนนหรือว่าตรอกซอกซอยสําหรับผู้คนนีทั้งผู้ชายผู้หญิงก็อยู่แต่ในบ้านปิดประตูเงียบร้านค้าของยายก็เลยไม่รู้จะขายใครขายไม่ได้นะก็เลยพลอยปิดร้านแต่หัวค่ําไปด้วยเพราะกิเกียร์จะรอให้เปรตมาซื้อต่อมาประมาณหนึ่งเดือนเสร็จในล้วนก็สิ้นลมปรานตายคาที่นอนไปตามเวลานุเวนจากนั้นใครไม่เชื่อก็รีบเชื่อละว่า ในล้วนคือเปรตตัวนั้นแน่ๆเพราะวาความตายของในล้วนทำให้เปรตตัวนั้นพลอยหายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยแต่ว่าความกลัวเปรตก็ยังฝังแน่นอยู่ในจิตใต้สำนึกผู้คนก็ยังขยาดที่จะออกมาเดินเตะตอนกลางคืนต้องรออยู่นานเกือบข้อปีนะทุกอย่างถึงได้คืนสู่สภาวะปกติมีเรื่องผิดปกติอีกอย่างหนึ่งก็คือเมียอ้วนเป็นยักษ์ของในล้วนเนี่ย พอทำศพให้ผัวเรียบร้อยแล้วอยูู่ก็ล้มป่วยได้โรคลึกลับแล้วก็เสียชีวิตตามผัวไปในเวลาไม่ช้าสมบัติของศาสนาตกทอดไปถึงผู้ใดผู้นั้นก็ย่อมเหมือนรับของโจรไว้ในครอบครองมีรทิที่จะหนีกรรมอันน่าสยดสยองได้พน้นยจหลวยก็บอกว่านี่และลูกเอ้ยหลานเอ้ยเออทำไมและเพราะเหตุ ด, ดายายถึงห้ามนักห้ามหนา ไม่ให้พวกแกเอาคำว่าเปรตมาก่นด่ากันโดยพ ล, อ ย, พลอยปากเพราะว่ามนุษย์ชั่วช้าสารเลวที่สุดเท่านั้นแหละจึงจะเหมาะสมกับคำคำนี้ที่นี่พวกเจ้าก็เอามาด่าเพื่อนด่าฝู่งนะด่ากันอย่างสนุกสนานทั้งที่พวกของเพื่อนๆก็ไม่ได้ชั่วช้าสามานถุถขนาด น, นั้นนอกจากคำว่าเปรตที่ยายห้ามเอามาใช้ด่าทอกันอีกนี่นะ แม้ว่าคำอื่นที่หยาบคายก็เว้นจะเถิดนะลูกนะคำสกรปรกพูดออกไปคนเขาก็จะเข้าใจว่าจิตของเราสกรปรกไปด้วยเพราะฉะนั้นก็จาจาให้มั่นเชียวอย่าลืมพูดดีเป็นสีกับปากพูดชั่วอั ป, ป ร, ราชายัยทำมาค้าไม่ขึ้นครับนั่นก็คือเรื่องราวของเปรตที่คุณยาย่วยเล่าให้ฟังครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ ทีนี้มาคุยเรืถึงเรื่องแปลกๆเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางไสยศาสตร์นะท่านผู้ฟังเมื่อประมาณเดือนกันยายนเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยคุณสแสวงไปทำธุระบางอย่างที่จังหวัดสุรินทร์เสร็จแล้วก็ไปพักอยู่ที่บ้านเพื่อนลุงของเพื่อนของคุณสแสวงเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ที่ชาวบ้านแถบนั้นให้ความเคารพนับถือมากเนื่องจากแกเป็นผู้ที่มีความรู้ในทางเวทมนต์ไสยศาสตร์ แล้วก็ปฏิบัติตนเป็นที่พึ่งของจาวบ้านได้ถ้าใครต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับศาสตร์ทางด้านนี้ก็มักจะมาขอให้ลุงปงเนี่ยช่วยเหลือขจัดปัดเป่าให้การไปพักที่บ้านเพื่อนคราวนั้นก็ทำให้คุณแสวงเนี่ยได้มีโอกาสสัมผัสกับเรื่องราวเล่นลับบางอย่างที่ไม่เคยได้เจอมาก่อนเพราะว่าบังเอิญเป็นจังหวะเดียวกับที่มีคนโดนคุณใสเล่นงานแล้วก็มาขอให้ลุงปงทาการแก้ไขให้ คนที่ถูกคุณสายเล่นงานคราวนั้นเป็นผู้หญิงอายุประมาณซัก25ปีทำงานอยู่ในร้านอาหารแห่งหนึ่งมีอาการปวดศีรษะอย่างแรงเป็นบางครั้งแล้วก็บางครั้งก็คลุ้มคลั่งดาหยาบหยาบคายคลา ย, ายผิวดำคล้ำชอบแอบกินของสดของคราวอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเวลาคำมืดดึกดื่นแค่ไหนก็ต้องลุกขึ้นมาหากินไม่ค่อยมีความรู้สึกเป็นตัวของตัวเองบางครั้งก็จะเพ้อบน่นปวดเจ็บร้าวไปทั้งตัว มีอาการทุกข์ทรมานทางผู้ปกครองก็พาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลหมอก็ไม่พบความผิดปกติอะไรแล้วพอพาไปรดน้ํามันที่วัดปรากฏว่าพอจะรู้สึกตัวขึ้นมาบ้างแต่ว่าพอออกจากบริเวณวัดนี่อาการก็เข้ารูปเดิมอีกรักษาจนหมดเงินไปมากพอสมควรพวกญาติก็อ่อนอกอ่อ น, ออนใจไม่ทราบจะแก้ไขยังไงก็ได้แต่ให้กินยาแล้วก็หาน้ำมันลดไปตามมีตามเกิดเป็นอย่างนี้มาเกือบหกเดือนก็ยังเพ้อคลั่งหงุดหงิด แล้วก็ผอมลงไปเรื่อยๆลุงปงได้ฟังเรื่องราวรายเหตุการณ์รวมถึงอาการต่างๆแล้วก็รับปากว่าจะลองใช้วิชาช่วยขจัดปัดเป่าให้แต่ก็ไม่ได้รับปากว่าจะสามารถารักษาให้หายเป็นปกติได้เพราะว่าเรื่องอย่างนี้มันขึ้นอยู่กับกุศลผลกรรมของตัวคนป่วยด้วยก็เลยไม่กล้าให้การรับรองอะไรมากนะักพิธีการรักษาก็เริ่มจากจัดเตรียมดอกไม้ธูปเทียนตามพิธีการจากนั้นลุงปงก็บอก ญาติๆให้พาหญิงสาวคนนี้เข้าไปในห้องพระเพื่อทําพิธีโดยนําขันน้ําเพื่อจะทําน้ำมนต์กับเทียนทําน้ำมนต์มาตั้งไว้ข้างหน้าลุงปงซึ่งแกนั่งขัดสมาธิอยู่อย่างสงบนิ่งลุงปงกราบพระเพื่อขอบา ร, รมีต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระประมาจารย์และอาจารย์ที่คุ้มครองประสิทธิประสานวิชาให้เสร็จแล้วก็จุดเทียนเพ่งมองเทียนพยายามมาเห็นใบหน้าของคนไข้ปรากฏที่เปลวเทียน เรียกสิ่งชั่วร้ายสิ่งอัปรักอัปมงคลมาสู่เทียนแล้วก็หยดเทียนลงสู่ขันน้าในขณะที่ลุงปงกําลังหยดเทียนนั่นเองคนป่วยก็เกิดอาการคุ้มคลั่งโวยวายดิ้นรนร้องครวนครางบอกอย่าทำจนเลยปวดโอ้ยฉันปวดหัวปวดตัวไปหมดแล้วร้องดิน้นพราดพรา ด, ราดอยู่อย่างนั้นแหละจนต้องมีคนมาช่วยกดจับเอาไว้เพราะว่าเป็นการดิ้นที่รุนแรงมากจนแทบไม่น่าเชื่อว่า ผู้หญิงสาวร่างกาย่ายอน์ผอมอย่างนี้จะไม่มีแรงดิ้นรนได้มากถึงขนาด น, นั้นพอลุงปงทําพิธีเพ่งเทียนโยต์เทียนลงขันน้ํามนต์เสร็จก็หยุดดูผลก็รู้สึกว่าคนไข้ค่อยๆ อ, อ, อ่อนลงแต่ยังแสดงว่าอาการเจ็บปวดที่หัวยังมีอยู่แล้วก็พูดพร่ําแต่ว่ากลัวแล้วอย่าทําเลยกลัวแล้วอยู่อย่างเนี้ยหลังจากทําพิธีเสร็จลุงปงก็บอกว่าผู้หญิงคนเนี้ยมีวิญ ญ, ญาณแขวงอยู่แล้วก็ได้ทําการลักสักไซไล่เลียงดูแล้ว ทราบาวิญญาณนี้ชื่อนายทองมาสิงแฝงร่างของหญิงสาวคนนี้มานานพอสมควรแล้วจากปากคำของวิญญาณนายทองซึ่งถ่ายทอดออกมาจากผู้หญิงคนป่วยก็ได้ความว่านายทองเนี่ยถูกหมอผีจับเอาวิญญาณของเขาในขณะที่เร่ร่อนอยู่เขาเป็นสัมภเวสีนี่นะหมอผีจับแล้วก็ใส่ไว้ในรูปหุ่น มัดมือมัดเท้าแล้วก็เอาของแหลมแทงข้างหลังไว้เพื่อจะทํำไปถึงตายเนื่องจากผู้ว่าจ้างหมอผีเนี่ยต้องการแย่งสามีของหญิงสาวคนป่วยเนี่ยไปเป็นสามีของตัวนะโดยหมอผีนี่รับจ้างเข้ามาด้วยเงินค่าจ้างห้าพันบาทแล้วก็วิญญาณได้ระบุชื่อผู้ว่าจ้างซึ่งเป็นผู้หญิงแล้วก็ชื่อของหมอผีซึ่งทําคุณใสเนี่ยอย่างชัดเจนความจริงแล้ววิญญาณในทองเขาบอกว่าเขาไม่อยากจะทําอย่างนี้เลยเพราะว่า รู้ว่าผู้หญิงคนป่วยนี่เป็นคนดีมีความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่แล้วก็มีจิตใจเป็นกุศลแต่ก็ไม่สามารถจะขัดได้เพราะว่าหมอผีนี่ใช้คาถาอาคมบังคับให้มาทำถ้าไม่ทำก็จะต้องได้รับความเจ็บปวดทรมานจากการถูกมัดมือมัดเท้าแล้วก็เอาของแหลมแทงหลังไว้ตลอดเวลาแต่ถ้ามาสิงในร่างของหญิงสาวอาการเจ็บปวดจะถูกถ่ายทอดลงสู่ร่างหญิงสาวผู้ป่วยจนหมด แล้วหมอผียังทำรูปอุ่นคนไข้เรียกเอาวิญญาณน้องเธอไปฝังไว้อีกลุงปงก็สอบถามถึงรายละเอียดต่างๆพร้อมกับพยายามพูดชี้แจงโดยยกเอาบาปบุญคุณโทษให้ในายทองเข้าใจว่าสิ่งที่เขาทำอยู่นี่เป็นบาปมหันต์เขาอาจจะไม่ได้ไปผุดไปเกิดขอให้วิญญาณนายทองจงออกไปเะเถอะอย่าให้ต้องทาอะไรรุนแรงเป็นบาปเป็นกรรมกันต่อไปเลยลุงปงพยายามเจรจาอยู่นานต่อหน้าทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ ในที่สุดวิญญาณขาในทองก็ยอมตกลงที่จะออกจากร่างของผู้หญิงคนป่วยโดยบอกว่าขอให้ช่วยเขาให้พ้นทุกข์ด้วยขออย่าให้ส่งเขากลับไปหาหมอผีอีกพร้อมกับบอกว่าเขาอดอยากหิวโหวยเหลือเกินเขาเป็นวิญญาณพเนจรไร้ญาติขาดมิตรไม่มีแม้กระทั่งเสื้อผ้าจะใส่ทั้งร้อนทั้งหนาวทั้งหิวโหวยเพราะว่ายามที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่เคยทําบุญทํากุศลอะไรคอยจะมุ่งก่อกรรมทําเข็ญต่างๆนานา ตายไปก็เป็นสัมภเวสีเร่ร่อนังกระทั่งโดนหมอผีจับไปอีกใ น, นละถ้าเขาออกจากร่างหญิงสาวไปหากส่งเขากลับไปหาหมอผีอีกเขาก็จะถูกลงโทษหนักการที่จำต้องสิงอยู่ในร่างของหญิงสาวคนป่วยนี้ก็ทำเพราะถูกบังคับอีกทั้งได้อาศัยกินแล้วก็บรรเทาความเจ็บปวดซึ่งจะถ่ายทอดไปสู่ร่างของหญิงสาวผู้ป่วยคนนี้ ทีนี้พอเขาออกไปแล้วเขาก็บอกว่าขอให้จัดไก่ต้มหนึ่งตัวเหล้าหนึ่งขวดจุดธูปหนึ่งดอกบอกให้เขารู้พร้อมมาขอเสื้อหนึ่งตัวกางเกงตัวหนึ่งแล้วผ้าขม้าอีกผืนหนึ่งโดยทําสังฆทานอุทิศส่วนกุศลให้เขาเขาจะได้ไปผุดไปเกิดแล้วก็ประวัณาตัวจะไม่ทำบาป ท, ทากรรมอีกต่อไปไม่ว่าชาติไหนๆลุงปงก็รับปากว่าจะไม่ส่งเขาไปหาหมอผีอีกแล้วก็จะช่วยเขาพ้นทุกข์เมื่อหมดกรรมก็จะได้ไปเกิดต่อไป รวมถึงญาติญาติของหญิงสาวคนป่วยก็รับปากว่าจะจัดหาสิ่งที่เขาขอให้ครบทุกอย่างแล้วก็จะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้พร้อมกับการอาหัวรรมทุกอย่างพอเจะระจาตกลงกันได้แล้วลุงปงก็ทำพิธีถอนอาคมเอาของแหลมที่ตอกอยู่ข้างหลังเขาออกพร้อมกับแก้มัดที่มือที่เท้าออกจากอำนาจอาคมของหมอผีหลังเสร็จพิธีแล้ววิญญาณในทองก็ร้องขึ้นด้วยความดีใจบอกว่าหลุดแล้วหายปวดแล้ว อย่างนั้นก็ก้มลงกราบด้วยความสำนึกในบุญคุณของลุงปองวิญญาณในทองได้กล่าวผ่านหญิงสาวผู้ป่วยว่าเขาไม่เคยพบใครมีน้ำใจมเมตตาและพูดจาเพราะๆกับเขามาก่อนเลยพร้อมกันนั้นก็ได้กล่าวขอบคุณลุงปองอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะลาจากไปจากนั้นผู้หญิงคนนั้นก็ล้มหงายหลังอ่านอนนิ่งอยู่สักครู่หนึ่งญาติๆก็เข้าไปช่วยกันปลุกแล้วก็เรียกชื่อเธอเธอก็ค่อยๆรู้สึกตัวแล้วก็สติ ก, ก็กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง ปรากฏว่าแกก็ร้องขอน้ํากินบอกว่าหิวน้ํามากพอดื่มน้ําเสร็จก็หันไปมองรอบๆตัวด้วยความประหลาดใจพร้อมกับถามเพื่อนๆและญาติๆว่าทําไมถึงได้มารวมมันอยู่ที่นี่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเธอจําอะไรไม่ได้เลยญาติๆก็เลยเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังอย่างย่อๆเธอก็รับฟังงงๆพร้อมกับบอกว่ารู้สึกเหมือนกับฝันไปมีความรู้สึกเหมือนกับถูกมัดมือมัดเท้ากระดิกได้แต่นิ้วมือเท่านั้น แล้วก็เหมือนกับอยู่ในที่มืดไม่เห็นเดือนเห็นตะวันแต่ว่ายังมีความรู้สึกหนักคล้ายๆมีอะไรเกาะอยู่ที่เท้าข้างขวาตลอดเวลาหกเดือนที่ผ่านมานี่มันเหมือนหลับหลั บ, ลบตื่นตื่นแล้วจําอะไรไม่ได้เลยแม้แต่น้อยเมื่อหลุงปองถามเรื่องราวเกี่ยวกับสามีก็ได้รับคําตอบว่าก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นสามีเธอไม่ค่อยจะกลับบ้านครั้งสุดท้ายที่จําได้ก็คือหลังจากที่เขาหายไปประมาณสองเดือนก็กลับมาขอเลิก แต่ว่าเธอไม่ยอมเพราะว่าสงสารลูกจากนั้นสามีก็ไปไ ป, ไปมามาจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ประหลาดนี้ขึ้นแล้วตเธอก็ไม่รู้อะไรเลยญาติๆของผู้หญิงคนนี้ฟังเรื่องราวจากปากเธอเกี่ยวกับสามีก็พากันรุมสาปแช่งแต่ว่าผู้หญิงนั้นก็บอกว่าปล่อยเขาไปเถอะไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับเขาไม่ต้องไปทํำร้ายเขาเพราะว่าเธอตัดสินใจที่จะเลิกยุ่งเกี่ยวกับเขาอีกต่อไปสิ่งที่คุณแสวงเห็นจากการเดินทางไปเยี่ยมเพื่อนที่จังหวัดสุรินทร์คราวนั้น นับว่าเป็นประสบการณ์ที่ไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อนและสิ่งที่ลุงปงได้ช่วยทําพิธีกระจัดปัดเป่ารักษาให้กับหญิงสาวนั้นก็ช่วยให้อาการของเธอดีขึ้นตามลําดับซึ่งช่วงระหว่างที่คุณสแสวงพักอยู่ที่นั่นหนึ่งสัปดาห์อาการของเธอก็เกือบจะดูเป็นปกติแล้วหลังจากเสร็จธุระที่จังหวัดสุรินทร์คุณสแสวงก็เดินทางกลับกรุงเทพแต่ตลอดเวลาก็ได้ติดต่อกับเพื่อนที่สุรินทร์ไม่ขาดอ่าพอเขาเดินทางมาธุระที่กรุงเทพก็มัก จะมาพักที่บ้านคุณแสวงเสมอแล้วก็มักจะพูดถึงลุงปงบ่อยๆรวมทั้งเหตุการณ์ไล่ผีของแกคราวนั้นด้วยประมาณปีต่อมาเนี่ยก็ได้ทราบข่าวจากเพื่อนว่าลุงปงเนี่ยเสียชีวิตด้วยโรคชราก็เลยเดินทางไปร่วมงานศพลุงปงด้วยเนื่องจากเคารพแกเหมือนกับญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งในงานศพลุงปงก็มีชาวบ้านมาช่วยงานกันอย่างมากมายเพราะว่าใครๆก็รักและนับถือแกด้วยกันทั้งนั้น รวมทั้งผู้หญิงคนนั้นที่เคยป่วยเพราะถูกทํากุญสัยคราวนั้นด้วยซึ่งจากการได้พบกันอีกครั้งก็รู้สึกว่าเธอคงจะมีชีวิตที่มีความสุขขึ้นอนะไปดูจากรูปร่างลักษณะหน้าตาของเธอก็ถามถามเพื่อนเกี่ยวกับเรื่องราวของเธอก็ทําให้ทราบว่าหลังจากป่วยคราวนั้นแล้วก็หายแล้วเนี่ยเธอได้เลิกกับสามีอย่างเด็ดขาดแล้วก็สามีก็ไปอยู่กับผู้หญิงอีกคนหนึ่งซึ่งชื่อของเมียใหม่เนี่ย คุณแสวงจําได้ดีว่าเป็นชื่อเดียวกที่วิญญาณในทองใบบอกไว้ว่าเป็นผู้ว่าจ้างให้หมอผีทําคุณใสห้าพันบาทคราวนั้นเมื่อเมียใหม่สามารถแย่งสามีไปครองได้สมความตั้งใจก็ไม่ได้มีความสุขอย่างที่คาดหวังเพราะผู้ชายคนเนี้ยเจ้าชู้อย่างมากหลังจากไปอยู่กินกับเมียใหม่ก็ออกไลาอีกคราวนี้ไม่ใช่อื่นไกลเป็นน้องสาวแท้ๆของเมียใหม่ผู้จ้างให้ทําคุณใสนั่นแหละมันเหมือนกระเวณกรรมตามทัน พอสามีมาได้น้องสาวแท้ๆของตัวเป็นเมียอีกคนหนึ่งคนที่เป็นเป็นเมียใหม่ตัวการทําคุณไสเนี่ยก็เกิดความอับอายขายหน้าเครียดแค้นแบบนั้นมากก็ตัดสินใจใช้ปืนยิงสามีเสียชีวิตแล้วเธอก็ต้องเข้าไปชดใช้กรรมในคุกจากความผิดที่เธอก่อขึ้นเธอต้องใช้ชีวิตในคุกในตารางเพื่อชดใช้กรรมทางกฎหมายของบ้านเมืองแต่ยังไงก็ตามมันก็คงยังไม่หมดหรอก เพราะวันหนึ่งเธอคงต้องใช้กรรมของเธอในอีกมุมหนึ่งตามกฎแห่งกรรมอันทรงอันุภาพไม่ว่าชาตินี้หรือชาติหน้าก็แล้วแต่ไม่มีทางหนีพ้นไปได้จากกรรมที่เธอก่อไปได้เลยครับท่านผู้ฟังคงจะเคยได้ยินคำว่าอาถรรพ์นะครับเช่นว่า ของสิ่งนั้นมีอาถรรพ์สิ่งนี้มีอาถรรพ์อาถรรพ์ น, นี่มันเป็นยังไงครับเมื่อเกือบสามสิบปีที่ผ่านมานี่ถ้าออกไปตามชนบทแถบภาคอีสานแล้วถามหาเมนเผาศพนี่แทบจะไม่มีใครรู้จักเลยเพราะถ้าหากว่ามีใครตายเขาก็จะหาฟืนมาทำเป็นเชิงตะกรสําหรับเผาศพไม้สมัยนั้นหาง่ายเดินไปทางไหนก็มีจะไม้ แล้วก็งานศพตามชนบทก็จะมีคนไปร่วมงานโดยเฉพาะตอนเผานั่นเยอะอ่ายิ่งเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันยิ่งต้องไปจะยกเว้นก็คือพวกผู้หญิงที่กำลังตั้งท้องหรือว่าเด็กเล็กๆอ่าอย่างเช่นสมศรีที่เล่าเรื่องเนี้ยนะครับตอนนั้นยังเด็กเด็กๆนี่ก็ไม่ค่อยรู้สึกสูญเสียกับการตายของใครสักเท่าไหร่ถ้าไม่ใช่ญาติสนิท ก, กันจริงๆ แต่เวลาที่พวกเด็กๆจะได้ไปก็คือเวลากลางคืนเพราะว่างานศพตามชนบทสมัยก่อนนี่มักจะมีมหรสพสมโพธตลอดคืนแล้วที่นิยมกันมากก็คือลิเกไม่ทราบว่าจะเป็นบาปหรือเปล่าเพราะหากว่าถ้ามีคนในหมู่บ้านตายสมศรีกับเพื่อนเด็กๆวัยใกล้เคียงกันจะดีใจนะเพราะว่าจะได้ดูลิเกกันยกเว้นว่าศพนั้นเป็นญาติสนิทอ่าของบ้านตัวเอง อันนี้ถึงจะเสียใจนอกนั่นก็ดีใจละจะได้ดูลิเกกันละเช่นเดียวกัคือนั่นก็จะได้ดูลิเกกันอีกเพราะว่ามีคนตายอีกแล้วระยะนี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรผิดปกติขึ้นในหมู่บ้านเพราะว่ามีคนตายติดต่อกันมาสี่รายแล้วพอรายที่หนึ่งเผาศพเสร็จวันต่อมารายที่สองก็ตายเผารายที่สองเสร็จรายที่สามก็ตายจนกระทั่งถึงวันนี้รายที่สี่ ทีนี้ตาฉ่ำนี่เป็นตาของเพื่อนของสมศรีอายุแกเกือบเก้าสิบปีแล้วแกงักเลยเป็นคนหลงหลงลื ม, ล, มลืมตามภาษาคนแก่ทั่วไปแกจะพูดอะไรลูกหลานก็ฟังมั่งไม่ฟังมั่งพอคิดว่าแกเพอเจ้อเหลวไหลาตามภาษาคนแก่ฟังมากก็เรื่องมากจะพลอยประสาตามแกไปด้วยว่าอย่างนั้นวันนั้นสมศรีแอบไปนอนพักต่างวันเพื่อว่าเอาแรง เดี๋ยวกลางคืนจะไปดูลิเกได้เต็มที่ไม่ง่วงนอนก็ไปนอนที่บ้านตาชัมนี่แหละเพราะว่าบ้านตาชัมนี่เงียบไม่มีคนมารบกวนเวลานอนมาทําไมอไอีดําจะมาขอนอนกลางวันบ้านตาหน่อยสิคืนนี้จะไปดูลิเกงานศพนี่เขาจ้างลิเกมาเล่นน่ะกูนึกแล้วต้องตายกันอีกอ้าวทาไมตาไปนึกอย่างนั้นน่ะ กูเห็นน่ะสมศรีไม่ค่อยแปลกใจนักที่ตาพูดอย่างนั้นเพราะว่าแม่เคยเล่าให้ฟังบอกว่าตาชำมเนี่ยเป็นหมอดูสามารถดูเรื่องราวต่างๆได้ค่อนข้างแม่นยำแม้ว่าปัจจุบันจะไม่ค่อยมีใครมาให้แกดูมากนะักวิธีดูของแกก็ไม่เหมือนคนอื่นตาชำบอกว่าจะเห็นกค่มาเฉยๆคงจะเป็นแบบเดียวกับที่เขาเรียกว่าสัมผัสที่หกกันแหละ ตามองว่าตาเห็นคนตายเหรอฮาตาเปล่าสมศรีขี้เกียจจะถามต่อก็เลยล้มตัวลงนอนแต่ตาช้ำยังพูดตอเอ็งคอยดูลิเกอีกเถอะเผาศพนี้แล้วอย่างน้อยก็ต้องมีอีกสองศพเป็นแน่และอีดามเ อ, อ้ยแล้วทำไมคนถึงตายเยอะจังเลยอะตาทำไมจะไม่ตายเยอะ ก็ในเมื่อมีคนไม่รู้ธทมเนียมทำอะไรไม่ถูกไม่ต้องอยู่ในหมู่บ้านเราแล้วอะไรละที่ว่าไม่ถูกไม่ต้องอ่ะปิดศีลด้วยไงตาไม่ใช่หรอกมันร่า ย, ยิ่งกว่าปิดศีนอีกเนี่ยตาเล่ามาเลยดีกว่าฉันขี้เกียจคอยซักอะ่ะมึงเป็นไงอ่ะตาคือมันผิดทมเนียมไว้อีดำเพราะว่ามีคนไม่รู้ทำเนียมไปดึงฟืนที่จะเผาศพแรกออกมาห้าดุน เพราะฉะนั้นก็ต้องมีคนตายตามไปอีกห้าคนเท่ากับจำนวนดุนฟืนที่เขาชักออกมาเก็บไว้ไม่เชื่อเองคอยดูสินี่ตายยังไม่ครบหรอกอเดี๋ยวฉันจะคอยดูคอยดูลิเกตาเสร็จแล้วสมศรีก็หันหลังให้ตานอนหลับตาเตรียมตัวจะให้หลับ เกจะลืมเรื่องที่ตาพูดว่าถ้าไม่มีคนตายตามมาอีกสองรายรวมกับรายที่ผ่านมาแล้วเนี่ยคือรายแรกเพื่อนนี่เป็นหกรายพอดีนะสมศรีก็ไปหาตาบอกว่าตานะี่ยพูดได้ถูกต้องมีคนตายเพิ่มอีกสองรายจริงๆรายสุดท้ายเพิ่งจะเผาไปเมื่อบ่ายนี้เองตาก็ฟังแล้วหัวเราะมันจะต้องมีอีกสามศพอ้าวมาจากไหนกระตา ก็ไอศพที่เพิ่งเผาไปเมื่อกี้นี้กูมองเห็นมีคนหยิบฟืนออกมาอีกสามดุนเพราะฉะนั้นต้องมีคนตายอีกสามคนอุ้ยเป็นไปได้ไงตาไม่เชื่อเองก็คอยดูที่อีดำคราวนี้สมศรีไม่คอยดูลิเกยอย่างเดียวแต่คอยดูคนตายด้วยว่าจะมีคนตายอีกสามรายจริงอย่างที่ตาชัมบอกหรือเปล่า ไม่ต้องรอนานเลยเย็นนั่นมีเด็กคุ้มเหนือถูกถูกงูกัดตายแม่เน่ะเป็นคนเล่าให้พ่อฟังทีนี้สมศรีได้ยินด้วยสมศรีก็เลยบอกว่าแม่ว่างูกัดเด็กตายเนี่ยแม่แม่ก็พยักหน้าสมศรีก็เลยเล่าเรื่องที่ตาฉํำพูดให้แม่ฟัง ตาชำนะแกเลอะเลือนก็จริงนะแต่ว่าเรื่องมองเห็นอะไรแปลกๆหรือว่าเหตุการณ์ล่วงหน้านี่แม่นมากนะดำเลยที่ตาชำพูดก็อาจจะเป็นไปได้เรื่องเผาผีแล้วก็มีคนเก็บดุนฟื้นไว้แล้วก็จะมีคนตายเท่ากับจานวนฟืนแม่ก็เคยได้ยินมาบ้างเหมือนกันแบบนี้ก็ต้องมีคนตายอีกสองคนสิแม่ตอนนี้สมศรีไม่อยากดูลิเกแล้ว เพราะถ้าการได้ดูลิเกหมายถึงการที่คนในหมู่บ้านต้องตายเพิ่มขึ้นมันก็ไม่อยากจะดูแล้วที่นี่นอกจากตาชำ้ำแม่แล้วก็สมศรีก็เริ่มมีคนแก่ในหมู่บ้านเอะใจว่าทําไมคนในหมู่บ้านถึงได้ตายไล่ๆกันน่าจะมีอะไรผิดปกติสักอย่างบังเอิญว่ามีคนได้ฟังเรื่องที่ตาช้ำพูดเขาก็เอาไปพูดต่อๆกันก็เกิดเสียงเล่าลือภายในหมู่บ้านว่าเมื่อเวลาเผาศพ มีคนเก็บฟืนไว้คนถึงทยอยตายตามมันไปเรื่อยๆตามจํานวนดุนฟืนที่เก็บไว้เมื่อคําเล่าลือมีมากเข้าเขาก็พยายามคิดกันทบทวนกันว่ามีใครเป็นคนไปเก็บฟืนดึงฟืนออกจากเชิงตะกรที่เตรียมไว้สําหรับเผาศพหรือเปล่าแล้วก็มาลงเอ่ยที่ทิศหนานทิศหนาน่นานเป็นคนนิสัยดีเหมือนกันแต่จะบองๆองนิดหน่อยแกเป็นคนดึงฟืนออกจากกองทั้งสองครั้งที่มีการเผาศพบกัน ชาวบ้านก็พากันไถาถามอยู่นานกว่าจะรู้ตัวว่าไม่ใช่ใครที่ไหนไอ้ทิดหนานนั่นแหละเป็นตัวก่อเรื่องพอมีคนไปถามทิดหนานมันก็บอกหน้าตาเฉยก็ฉันเห็นฟืนมันทำท่าจะหล่นลงมาจากกอง อ, ะอ่ะคนทำมาใส่ฟืนเยอะวางไม่ดีฉันก็เลยดึงออกมาสี่ดุนคืนไม่ดึงออกมาก็ติดไฟแล้วก็หลน่นก็เดนก็ดอนลงมาถูกคนที่ล้อมรอบ เผาศบอยู่นันก็ถูกไวลวกเอาฉันหวังดีเป็นห่วงคนอื่นนะฉันไม่นิ่งดูได้หรอกกลายเป็นว่าทิดหนานทำบุญทาคุณให้ชาวบ้านในต่้งหากทีนี้ยายจันยายของทิดหนานโมโหไอ้หลานชายจอมบองโมโหจนน้ำหมากกระเด็นน้อยไอ้ห น, หนานไอ้ควายเอ้ยไอ้ไม่เต็มเต็งมึงจะทาให้คนตายหมดหมู่บ้านแล้วนะมึง ไม่รู้จะพูดยังไงกับมึงดีเวรกรรมจริงๆมีหลานอย่างมึงนี่รู้ถึงไหนอายถึงนั้นขราวต่อไป้ามีคนตายมึงไม่ต้องเสนอนะฮะไปเผาเขาด้วยนะนั่นคือวิธีแก้ปัญหาที่ยายจันแกพอจะนึกออกแต่ทิดนานก็เถียงยายคอเป็นเอ็นก็ยายจะจำกัดสิทธิ์ฉันได้ยังไงอะคนมันเคารพนับถือกันตายมันก็ต้องไปเผากันสีจะนิ่งดูได้ไดยังไงต่อไปมึงไม่ต้องแล้ว ห้ามไปเผาใครเด็ดขาดไปงานศพเขาก็ไปทำเรื่องไปดึงฝืนเขาออกจากกองก็ทำให้คนต้องตายตามมันไปเรื่อยๆมึงรู้เรื่องหรือเปล่าเอ้ยไม่เกี่ยวกันหรอกยายคนเราถึงที่ตายก็ตายอะ่ะฉังจะดึงฝืนไม่ดึงก็ไม่มีผลอะไรอะ่ะก็เขาสร้างบุญมันน้อยก็ตายเร็วของธรรมดายายนี่แก่เลิศเลถ้าจริงอย่างที่ยายพูดนะ เขาศบใครสักคนแล้วช่วยกันดึงฟืนอมาหมดกองไม่ตายกันยกหมู่บ้านเลยเหรอยายนี่นเหลวหลดดอดศพหนึ่งอย่างที่ะตะช้ำแกว่านี่เพราะใครถ้าไม่ใช่มันไอ้หนานนี่มันคนบาปหนาจริงๆเหมือนกับแกล้งฆ่าคนในหมู่บ้านเดียวกันมันตายไปต้องตกนรกหมกไหมไม่ได้ผุดได้เกิดชะมึงหลายคนก็เห็นด้วยคำพูดของยายจัน์ แต่ก็ไม่ได้แสดงออกด้วยคำพูดหลวงพ่อท่านก็เคยมาพูดบอกว่าเออโยมจันอย่าไปว่ากล่าวทิศหนานนักเลยคนเราตายเพราะถึงที่อะคนมันจะตายจะโทษใครไม่ได้หรอกถ้าจะโทษก็ต้องโทษการกระทำของตัวเองทำดีทำชั่วมากน้อยแค่ไหนมันก็ย่อมได้รับผลตามนั้นจะดีจะร้ายมันก็อยู่ที่ตัวเราเองไม่จริงหรอกเจ้าค่ะหลวงตา คนหมู่บ้านเราไม่เคยตายมากขนาดนี้ถ้าไอ้หนานมันไม่อุตริไปดึงดุนฟื้นออกจากกองฟื้นเผาศพอะ่ะความเชื่อเนี่ยมันมีมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วแล้วก็ทุกคนก็รู้มันเป็นความจริงนอกจากไอ้พวกไอ้เด็กมาวันเซอร์อย่างพวกไอ้หนานเนี่ยเท่านั้นนะที่มันไม่ค่อยจะเชื่ออคนเก่าวคนแก่เพราะอย่างนี้แหละเจ้าะหลวงตาคนถึงได้ตายมากอย่างนี้นี่คอยดูนะ เผานางลำดวนนี้แล้วต้องมีคนตายอีกรายนึงแน่ๆเลยยายจัน์แกมั่นอกมั่นใจหลวงตาก็เลยเดินผ่านเลยไปหลังจากเผาศพนางลำดวนตอนบ่ายพอตกเย็นสมศรีก็รู้ว่ามีคนในหมู่บ้านตายอีกเป็นรายที่เก้าเพราะว่าได้ยินเสียงเครื่องขยายเป็นเพลงธรณีกันแสงซึ่งเป็นเพลงสั ญ, ญลักษณ์ของงานศพโดยเฉพาะของคนในชนบทแม่ แม่มีคนตายเป็นคนที่เก้าแล้วเหมือนที่ตาช่ำว่าไว้เลยเสียงเพลงธรณีกันแสงมันดังมาจากคุ้มเหนือนะแม่แม่ก็พยักหน้าเออหมดจากศพนี่ก็คงจะพอกันทีทนะคนตายมามากแล้วอย่าเอาไปเพิ่มมากกว่านี้เลยท่านย ม, มาบาลเจ้าขาน่ากลัวจังเลยนะแม่นะเพราะฟืนแท้ๆเลยทําให้คนตายไปถึงเก้าคนแล้ว แม้ว่าทุกคนจะเห็นเหมือนๆกันว่าทิศหนานถูกกันแม้เข้าใกล้บริเวณเผาศพรายที่เก้าแต่ทุกคนก็ยังอดหวาดกลัวไม่ได้เพราะว่าบรรยากาศแห่งความตายมันครอบคลุมไปทั่วทั้งหมู่บ้านหลังจากงานศพรายที่เก้าได้สองวันสมศรีก็ไปนั่งเล่นที่บ้านตาชัมตาตานี่ตาทิพย์จริงๆนะคนตายไปเก้าคนอย่างที่ตาว่าไม่มีผิดเลย ตาเป็นพ่อมดจะเปล่าอะอะไรตาเป็นพ่อมดจะเปล่าหรือตาเป็นหมอผีสมศรีก็พูดไปตามภาษาเด็กก็ตาก็หัวเราะอ่ะเดี๋ยวต้องมีรายที่สิบอีกในะอีดำอ้าวมาจากฟืนรุ่นไหนอีกแล้วตาก็นาทิตานนะไม่มีใครเขายอมให้เข้าใกล้ที่เผาศพหรอกไม่เห็นมีใครไปดึงรุ่นฟืนออกจากกองเลยนี่ใครๆเขาก็ระวังกันั้งนั้นแหละ ตามองเห็นเว้ยฮะตามองเห็นมันเหลือฟืนอยู่ดุ่นหนึ่งมันยังไหมไม่หมดแล้วดับไปเยอะก่อนแล้วก็มีเด็กมาเก็บไปมันต้องมีคนตายอีกคนสมศรีก็เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้แม่ฟังแม่ก็นิ่งไปครู่หนึ่งแล้วใครกันอีกแล้วนี่ฮะไม่มีใครเจ็บไข้ได้ป่วยเลยสักคนนี่นะตอนเนี้ยฮะก็มีแต่คนดีๆทางนั้น พอข่าวเริ่มแพร่กระจายหลายคนในหมู่บ้านก็เริ่มหวาดวิตกเพราะว่ามีความเชื่อเรื่องนี้เป็นทุนอยู่แล้วก็กลัวกันใหญ่ในที่สุดทุกคนก็ปรึกษาหารือกตกลงกันว่าจะต้องทำบุญภายในหมู่บ้านครั้งใหญ่เพื่อปัดเป่าสิ่งเลวร้ายให้พ้นไปจากหมู่บ้านทุกคนจะได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขสมศรีรู้สึกว่าหลวงตาท่านไม่ค่อยเชื่อเรื่องโบราณแบบนี้เท่าไหรนะ่นักแต่พอรู้ว่าชาวบ้านจะร่วมกันทาบุญครั้งใหญ่ ท่านก็เห็นด้วยเพราะขึ้นชื่อว่าการทําบุญน่ะถือว่าเป็นความดีทั้งนั้นการทําบุญก็ให้แต่ละคุ้มนี่จัดทําอาหารเค้าวหวานไปร่วมกันที่วัดคุ้มละอย่างงานนี้ทิรศนานไม่ได้ถูกห้ามแต่อย่างใดไม่เหมือนกับงานเผาศพที่ทิศน์นันถูกห้ามเด็ดขาดไม่ให้เข้าร่วมด้วยแต่แปลกวันนี้ไม่มีใครเห็นวี่แววของทิศนานเลยทั้งที่เขาก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้แกเข้าไปในงาน หลังจากทำบุญแล้วหลายคนก็กลับบ้านตัวเองหลายคนก็ยังนั่งกินข้าวนั่งคุยกันอยู่บนศาลาวัดอ่สมศรีกับแม่ก็อยู่ที่วัดด้วยขณะที่กําลังนั่งกินอาหารแล้วก็คุยกันน่ะไอ้เจ้าทิศนานไม่รู้โปลมาจากไหนพรวดพลาดหน้าตาตื่นขึ้นมาบนศาลาเสียงเอะอะตามนิสัยของมันซึ่งชอบพูดเสียงดังและเมื่อทุกคนจับความที่มันพูดได้รู้เรื่องต่างก็ตกตะลึง หลายคนก็พานกลืนอาหารไม่ลงคอเอาดือด้อๆไม่เว้นแม้แต่สมศรีตะชำอ่ตะตชำตายแล้วอยู่ดีๆแกก็ล้มตึงหยุดหายใจไปเฉยๆแกตายแล้วตะชำเสร็จแล้วเงียบสมศรีก็ได้ยินเสียงแม่ถอนหายใจเออรายที่สิบตะชำเนาะตะชำ แกแม่นจริงๆแม่พึมพำกับตัวเองมากกว่าจะตั้งใจพูดกับใครคนใดคนหนึ่งสมศรีเองนั้นก็ไม่นึกมาก่อนเลยว่ารายที่สิบดุ้นฟืนดุ้นสุดท้ายจะหมายถึงชีวิตของตาช้ำผู้มีหูทิพตาทิพสามารถอย่างรู้ในสิ่งที่มนุษย์ธรรมดาไม่สามารถจะรู้ได้ครับโลกนี้สิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คืออนิจจังครับ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 ที่แรกก็ยังไม่ได้ผลก็ไปอีกก็ยังมีเรื่องแปลกๆอยู่อีกคือจะได้ยินเสียงกระซิบกระซาบดังใกล้ๆหูแต่ไม่รู้ว่าเสียงพูดว่าอะไรพระอาจารย์ได้แนะนําให้จาบุญถวายสังฆทานซึ่งก็ได้ทําไปแล้วถึงสองครั้งก็ยังเกิดเหตุประหลาดอยู่ก็เลยต้องทําครั้งที่สามผลปรากฏว่าก็ยังคงเจอแปลกๆอยู่จนพระอาจารย์ได้ซักไซด์ว่าคนท้องนะ่ะมีเหตุบาดหมางอะไรกับคนตายบ้างหรือเปล่า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 ความสำเร็จอันนี้ภรรยาของเขาไม่ค่อยชื่นชมหล่อนเป็นคนแปลกที่เขาา้าใจยากขณะที่ใครก็ชมว่าเขาเก่งทําจนได้โดยเฉพาะญาติพี่น้องของเขาและแม้แต่ญาติพี่น้องของฝ่ายภรรยาก็ว่าเขาเป็นคนที่มีความสามารถแต่หล่อนกลับมองเขาแบบไม่เห็นจะได้เรื่องอะไรความอะไรเลยหล่อนไม่เคยพูดให้กําลังใจเขาไม่เคยแม้แต่จะมองอย่างยินดี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 คนทองกนะ็ตื่นเต้นมากที่ได้เห็นแล้วก็ออกปากชมเจ้าของสวนไม่ขาดปากเจ้าของสวนก็ปราบปลื้มมากเป็นพิเศษจนเก็บเอาไปเล่าให้ภรยาที่วันนั้นไม่ได้อยู่อ่าก็ไม่ได้ไปที่สวนด้วยให้ฟังว่าภรรยาของเพื่อนเอ่ยปากชมยังไงบ้างอีกอย่างลูกสาวก็ไปที่สวนด้วยก็ได้ยินคําพูดเหล่านั้นด้วยก็บอกให้แม่รู้เล่าไปได้ไม่มากแม่ก็ตวาดระยุดพล่ำได้แล้วมีการบ้านก็ไปทําเสียรําคาญ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 คนหนึ่งเป็นแม่ไม้สามีตายแล้วมีลูกหนึ่งคนลูกก็โตแล้วไม่มีปัญหาอะไรชอบแวะขอซื้อผลไม้ที่สวนเขาชอบกินฝรั่งกมาบ่อยๆมากเลยมาที่ไรก็คุยแบบถามว่าไม่เหงาเลย อ, อยู่คนเดียวเขาก็บอกว่าอยู่คนเดียวที่ไหนอยู่ก็ลูกหล่อนก็พูดว่าหล่อนอยู่กับลูกยังเหงาเลยทํานองเนี้ยที่คุยกันตกกลางคืนเท่านั้นก็เจอเหตุพิลึกโทรมาหาเขาบ่ายวันต่อมาเล่าว่าชุดชั้นในเขาหลอนฉีขาดหมดเลยไม่รู้ใครทํา ถามลูกสาวก็ไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยเพราะลูกไปทํางานอีกคนนึงไม่ใช่แม่มหม้ายแต่เป็นสาวใหญ่ก็มีทีท่าแบบเดียวกันเนี้ยคนนี้หน้าตาดีแต่ที่ไม่แต่งงานมีคู่ก็พราะพวกผู้ใหญ่ของหล่อนน่ะเข้มงวดเรื่องนี้แต่กับเขาเนี่ยพวกนั้นไม่ว่าอะไรปรากฏว่าคนนี้เมียเขาไปเข้าฝันเท่านั้นเองหล่อนก็ไม่กล้าแม้แต่จะทักจะพูดคุยกับเขาเวลาสวนทางกันหล่อนกลัวมากอีกคนหนึ่งยังสาว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 นั่นเป็นเรื่องเก่าๆเรื่องเล่าชาวบ้านครับวันนี้จะคุยถึงเรื่องงานขุดศพรญาติหรือที่เรียกกันว่าล้างป่าช้าเนี่ยนะครับที่วัดสแกตำบฑลสามโคกอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานี เมื่อเดือนมิถุนายนปี2511ทางวัดสแกเขาจะทำการขุดศพล้างป่าชาวัดสแกนี้สร้างขึ้นมาครั้งกรุงศรีอยุธยาอย่างเป็นราชธานีมีอายุ400กว่าปีมาแล้วเป็นวัดเก่าแก่เคยได้ชื่อว่าผีดุที่สุดวัดหนึง่งแม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าก็เคยถูกหลอกกันมาแล้วปัจจุบันนี้ท่านพระครูสง่าเป็นสมภาร แล้วก็คณะกรรมการของวัดก็มีความประสงค์จะขุดศพล้างประชาก็ขอร้องให้คุณแก้วรักตตันยูอ่าเป็นผู้ช่วยพาไปติดต่อกับนายกสมาคมพุทธมามะกะสงเคราะห์การกุศลแห่งประเทศไทยที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีเพราะว่าคณะกรรมการของวัดสแก่เนี่ยได้ยินกิตติสัพ์ว่าทางสมาคมเนี่ยทำการกุศลช่วยขุดศพทั่วไปทุกจังหวัดในประเทศไทย แล้วก็พิธีประหลาดมหัศจรรย์เขาสามารถจะชี้ไม่เลือกสถานที่ซึ่งใต้ดินมีศพฝังอยู่เนี่ยชี้ได้อย่างแม่นยาทีเดียวการล้างป่าชานี้จะขุดศพขึ้นหมดไม่มีตกค้างหลงเหลืออยู่เลยทั้งยังสามารถบอกได้ว่าศพนั้นเป็นผู้หญิงผู้ชายแถมยังบอกชื่อของศพได้อย่างถูกต้องทั้งรู้ถึงการตายว่าด้วยเหตุใดนี่นับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์เป็นาศาสตร์ที่ลี้ลับไม่สามารถพิสูจน์ได้ สมาคมที่ทํางานนี้ก็ได้จัดตั้งกองอาสาสมัครหญิงชายมาช่วยการกุศลครั้งนี้เป็นร้อยคนทุกคนทํางานกันอย่างเข้มแข็งไม่ได้คิดว่าเป็นงานที่น่ารังเกียจมีทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีที่อายุ 16-17 เป็นส่วนมากแล้วก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชายทุกวัย 5-60 ก็มีต่างก็อาสาสมัครมาจากจังหวัดชลบุรี พวกนี้มีความประสงค์จะช่วยขุดศพแล้วก็ช่วยนำกระดูกขึ้นด้วยมือได้ข่าวว่าทุกครั้งที่มีการขุดศพที่ใดก็ดีสุภาพสตรีสาวและไม่สาวทั้งหญิงชายทุกรุ่นเหล่านี้ก็จะช่วยกันสมัครทั้งที่สมาคมไม่ได้มีสินจ้างรางวัลอะไรเป็นประโยชน์ตอบแทนแต่ว่าทุกคนก็มีจิตศรัทธาเข้มแข็งอยากจะร่วมกุศลด้วยกันบางครั้งศพนี่ กำลังเน่าแฝะขึ้นอืดเป็นภาพน่ากลัวน่าเกลียดน่าสะอิดสะเอียนทั้งกลิ่นก็เหม็นบางคนขนาดดูยังไม่กล้าดูส่วนมากก็ทนกลิ่นไม่ไหวแต่ว่าพวกอาสาสมัครเหล่านี้ไม่ได้รังเกียจกลับเห็นเป็นของหน้าปฏิบัติสำหรับศพที่ขึ้นอืดนี่ทางสมาคมเขามีน้ำปูนใช้ทามือให้ทั่วก่อนที่จะจับต้องศพก็คงจะป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย นอกนั้นพวกอาสาสมัครยังได้รับผ้ายันสีส้มหรือว่าสีเหลืองเนี่ยแจกกละผืนเพื่อป้องกันวิญญาณร้ายต่างๆหลวงพ่อท่านบอกว่าเคยได้ข่าวมาว่าหนุ่มสาวเหล่านั้นเขาอาสาสมัครมีจิตใจเข้มแข็งอดทนสามารถที่จะทำในสิ่งที่ปกติสังคมทั่วไปรู้สึกทั้งกลัวทั้งรังเกียจนอกจากคนที่เข้าถึงพระรมคาสอนให้คิดได้ปงตก ถึงว่าสังขารเป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ต้องเจ็บตายเป็นธรรมดาทั่วไป อ, อันนั้นถึงจะปลงได้ทีนี้สตรีซึ่กำลังอยู่ในวัยรักสวยรักงามนี่เขาจะปลงตกได้ยังไงก็ปรากฏว่าแทนที่จะรังเกียจกลับมีความสนใจอยากอาสาปฏิบัติงานเป็นผู้เสียสละด้วยจิตเลื่อมใสศรัทธาก็คงจะเห็นผลการสร้างกรรมดีมาแล้ว เป็นที่น่าคิดน่ายกย่องสารเสริญนะแล้วก็ทุกคนที่อาสามาเนี่ยก็ล้วนแต่เป็นผู้ที่อยู่ในฐานะมีอันจะกินหลวงพ่อท่านบอกว่าพอเช้าวันที่21มิถุนายนปี2511คณะกรรมการสมาคมพุทธมามกะสงเคราะห์การกุศลพร้อมทั้งเหล่าอาสาสมาคัครขุดศพรวมแล้วจำนวนทั้งหญิงทั้งชายประมาณ150คนก็ ไปถึงวัดสแก่อำเภอสามโคกจังหวัดปฐุมธานีโดยเรียบร้อยสมาคมเขาได้จัดภาชนะและเครื่องใช้ต่างๆพร้อมทั้งเครื่องมือขุดดินแล้วก็สิ่งของจําเป็นที่จะต้องใช้ทางสมาคมเขาจัดหามาเองดังนั้นการเดินทางจากอํเาเภอบ้านบึงไปวัดสแกก็ไม่สะดวกมากนักเวลานั้นเพราะว่าต้องขึ้นรถลงเรือใช้เวลาไม่น้อยแล้วก็ต้องมาถึงแต่เชา้าทีนี้ก็เพราะว่าเขามีจิตศรัทธาไม่ย่อท้อต่อความลําบาก คณะที่มาในส่วนมากยังไม่เคยรู้จักวัดสแกมาก่อนเพราะฉะนั้นพอหลังจากเลี้ยงอาหารเชาวแล้วทางหัวหน้าผู้แทนของสมาคมก็ขอร้องให้ทางวัดจัดโต๊ะบูชาเพื่อทำพิธีอันเชิญคณะกรรมการก็เลือกที่ได้ใต้ต้นจามจุรีใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาออกไปเป็นที่ร่มเย็นทางวัดก็จัดโต๊ะตามที่คณะสมาคมเขาต้องการคณะกรรมการเขาก็เริ่มจัดการตั้งโต๊ะบูชา มีผลไม้เก้าอย่างใส่จานเรียบร้อยมีน้ำมีข้าวสารมีธูปเทียนนอกจากเครื่องบูชาแล้วก็ยังมีธงมีกระบี่อาญาสิทธ์แล้วก็อาวุธโบราณวางอยู่บนโต๊ะแล้วก็อาวุธอีกชนิดหนึ่งเขาเรียกอะไรไม่รู้คนไทยเรียกหนามทุเรียนวางไว้ตรงนั้นน่ะแล้วก็มีไม้งามเป็นรูปตัววีสำหรับถือสองข้างในขนาดซอขวาซึ่งไม้นี่ทจากไม้ต้นงิ้วถือว่าเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์ พอจัดโต๊ะบูชาเป็นที่เรียบร้อยแล้วผู้ที่จะเข้าพิธีแปดท่านก็แต่งตัวเสื้อผ้าขาวสะอาดตลอดทั้งรองเท้าขาวพอแต่งตัวเสร็จผู้ที่เข้าทรงก็เริ่มมายืนล้อมเป็นวงกลมหน้าโต๊ะบูชาในจำนวนแปดท่านที่แต่งขาวนี่สองท่านก็ถือไม้ที่เป็นรูปตัววีเนี่ยร่างทรงสองท่านนี่ก็ใช้มือจับไม้ศักดิ์สิทธิ์คนละข้างเริ่มสวดพร้อมกัน ก็ใช้เวลาประมาณ20นาทีไม้ที่ถือก็เหมือนจะมื อ, อมีชีวิตขึ้นมาเริ่มหมุนไปรอบๆกระด้งคนถือนี่ไม่สามารถจะฝืนได้ก็ต้องปล่อยไปตามกำลังแรงของสิ่งลี้ลับจะต้องการเหมือนกับวิญญาณสิงอยู่ในไม้แล้วก็เอาคู่การเสียบตรงช่องอลายไม้ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยแล้วก็จุ่มลงไปในน้ำหมึกสีแดงเขียนยันลงไปในผ้าแดงผืนเล็กๆจานวนมากอย่างรวดเร็ว เสร็จแล้วก็ไปเจิมที่เครื่องมือเตรียมขุดคน้นเสร็จแล้วกรรมการก็เอาผ้ายันมาแจกพวกอาสาสมัครทุกคนทั่วกันแล้วก็ให้ไปรับน้ำมนต์ไปดื่มไปรูปหน้ารูปตามตัวเพื่อเป็นสิริมงคลเสร็จแล้วก็ไปเขียนเป็นตัวหนังสือบนกระด้งทรรมนะกระด้งทำนี่เขามีข้อสารแผ่อยู่บางๆมีคนคอยอ่านข้อความคนหนึ่งแล้วก็พวกแต่งขาวพร้อมทั้งสิทธ์ทั้งหลายที่ยืนอยู่ในบริเวณนั้น ตามปกตินี่เซียนจะไม่พูดจะเขียนหนังสือแทนคําพูดไม้ก็หมุนไปเขียนไปเป็นตัวหนังสือเป็นการบอกแล้วก็ตอบคําถามนะเขาก็บอกว่าในบริเวณวัดเนี่ยมีศพฝังไว้ยังเป็นวิญญาณมีหกร้อยยี่สิบสี่วิญญาณนะเป็นผู้ชายสามร้อยสิบสองคนนอกกนั้นเป็นวิญญาณของผู้หญิงกับเด็กทั้งหมดคนจดก็จดลงเป็นหลักฐานนะ ถ้าหากว่าคนอ่านแปลความหมายไม่ถูกเซียนก็จะเขียนจนกว่าจะอ่านได้ถูกต้องตามความหมายจากนั้นประมาณสิบนาทีเซียนผู้ถือไม้ศักดิ์สิทธิ์ก็เริ่มจะรู้สึ ก, กว่าวิญญาณในไม้นี่กำลังจะพาวิ่งตรงไปหน้าวัดเวลานั้นท่านพระครูสง่าจเจ้าอาวาสวาสแกรพระสงฆ์แล้วก็ประชาชนจำนวนมากต่างก็จับตาดูตั้งแต่แรกเริ่มทาพิธีตลอดเวลาท่านพระครูจเจ้าอาวาสก็บอกว่า อาตมาเห็นพวกเซียนนวิ่งไปที่ถนนหน้าวัดในความรู้สึกก็ชักจะสงสัยแล้วก็คิดในใจว่าเละแล้วคราวนี้เละตั้งแต่เริ่มต้นแล้วเพราะว่าอาตมาจำบรรษาอยู่ในวัดนี้ตั้งแต่เป็นเนนตลอดมาจนเป็นสมภารมาสามสิบเจ็ดปีแล้วไม่เคยมีวี่แววหรือว่าคนรุ่นก่อนเขาบอกเลยว่าทางแถวหน้าโบสถ์ทางถนนตรงไปท่าน้าหน้าวัดเนี่ยเป็นที่ฝังศพ แล้วก็ไม่เคยมีการฝังศพมาก่อนเลยคนนึกในใจเละแต่เช้าเลยนี้คณะสมาคมนี้มีอำนาจลีรับศักดิ์สิทธิ์เอ๊แล้วทำไมถึงเป็นอย่างนี้ไม่เคยผิดพลาดแต่คราวนี้ทำไมวิ่งไปคนละทิศคนละทางนะ่ะป่าชามอยู่ข้างหลังนี่วิ่งไปข้างหน้าแต่อาตมาก็นิ่งคิดอยู่ในใจก็ไม่ได้พูดอะไรคอยดูต่อ อาตมาก็เห็นก็วิ่งไปถึงทางเสร็จแล้วไม้ศักดิ์สิทธิ์ก็หยุดชี้ลงไปคนติดตามก็เอาถุงแดงปกกักแวนเสียนที่วิ่งตามมาด้วยก็ซัดเข้าสารอีกคนนึงก็พรมน้ำมนต์ลงไปพวกอาสาสมัครก็วิ่งตามกันมาเป็นหมู่มีเครื่องมือพร้อมก็รีบลงมือขุดลงไปทันทีช่วยกันขุดโกยดินเก็บศพที่เหลือแต่กระดูกขึ้นมา อาจจะมามองดูเขาขุดด้วยความตื่นเต้นปรากฏว่ามีศพหวังอยู่ใต้ดินจริงๆมันเป็นสิ่งที่น่าแปลกน่าอัศจรรย์มากการวิ่งเที่ยวชี้ใช้ธงของพวกนั้นบางครั้งก็บุกเข้าไปในดงหญ้าดวงไผ่ไม่น่าจะเป็นไปได้ว่าจะมีศพวังอยู่ที่นั่นรู้สึกว่าไม้ศักดิ์สิทธิ์มีอำนาจพิเศษมีกําลังดึงดูดเอาคนถือนี่วิ่งไปตลอดเวลาที่ธงปักนี่แล้วปักตรงไหนไม่เคยผิดพลาดจะต้องขุดได้ศพขึ้นมาทุกครั้ง เซียนจะต้องบอกทางเขียนหนังสือว่าหลุมนี้หลุมนั้นเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายแล้วคนขุดก็มาแยกพวกกระดูกแล้วก็กระโหลกไว้ให้เป็นพวกไม่ปนกันส่วนเด็กนั้นก็ให้ปนอยู่ในพวกผู้หญิงได้การทำพิธีกุดศพในครั้งนี้ในสายตาของชาวบ้านทั่วไปที่พบเห็นเนี่ยว่ามันเป็นสิ่งประหลาดเรื่องหนึง่งในชีวิตแล้วชีวิตอาตมาก็เพิ่งจะได้พบได้เห็น แล้ชาวบ้านชาววัดเตี่ยมเพลสามโคกที่ได้มาเห็นต่างก็พากันตื่นเต้นบอกเล่ากันต่อไปอเมื่อแรกอาตมาก็ยังไม่เชื่อสนิทแต่บัดนี้อาตมาเชื่อขาวสะอาดไม่มีข้อสงสัยการที่เสียนสามารถชี้ที่ฝังศพได้อย่างแปลกประหลาดอย่างนี้ซ้ํำยังบอกได้ว่าศพที่ฝังอยู่นะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายอะแม้แต่ข้างกุฏิ พระเนี่ยอาตมาก็เห็นเสียนวิ่งไปชี้ห่างจากเสากุฏิไม่เท่าไร่พอได้ขุดลงไปแล้วก็เจอศพถ้าไม่เห็นด้วยตาก็ไม่น่าเชื่อนับว่าแปลกไม่มีใครนึกวันว่าจะมีศพฝังอยู่ที่ใกล้กุฏิซึ่งห่างจากปา่าช้าคนละทิศคนละทางอย่างนี้แล้วทางสมาคมที่เขาได้ทําเพื่อการกุศลทุกคนที่มานี่ก็ต่างทําดยจิตใจศรัท ธ, ธาเต็มอกเต็มใจเข้มแข็งไม่เห็นแก่เหนื่อยยากลาบาก ทำเพื่อหวังบุญหวังกุศลด้วยแรงศรัทธาจริงๆของใช้สำหรับเส้นวิญญาณด้วยว่าสิ่งของในการประกอบพิธีคราวนี้ทุกอย่างทางสมาคมเขาก็เตรียมพร้อมไม่ได้เรียกร้องทางวัดกรับนำของที่เหลือมอบถวายวัดบางอย่างก็เตรียมมาไม่พอเช่นเสื้อผ้าที่ทำด้วยกระดาษก็จัดมาเพียงห้าร้อยชุดเพราะว่าคณะกรรมการไม่นึกว่าจะมีวิญญาณในวัดสแกถึงหร้อยี่สิบสี่วิญญาณจึงไม่เพียงพอ แต่ก็ได้รวมเผาหมดการชี้โดยเซียนผู้ที่จับไม้งามจะพาไปแห่งไหนนะพวกเซียนก็ต้องผัดเปลี่ยนทํำกันเป็นชุดเปลี่ยนทั้งสี่ชุดทุกครั้งที่ผัดเปลี่ยนนั้นก็จะต้องกลับมาที่โต๊ะตั้งพิธีบูชาเริ่มต้นเสร็จแล้วก็มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นก็ทำให้คณะกรรมการในงานนี้ก็บอกทีหลังบอกว่ายังไม่เคยมีวัดไหนหรือว่าป่าชาแห่งใดที่คณะกรรมการเคยไปขุดล้างป่าชามา หลายทวนมาอ่าหลายหลายที่มากเลยไม่เคยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเลยคือพอถึงเวลาประมาณสามโมงเย็นคณะเจ้าหน้าที่และพวกอาสาสมัครกาลังขุดศพเป็นการใหญ่เร่งงานแข่งกับเวลาเพื่อให้เสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วก็เกิดเรื่องประหลาดขึ้นมาหน้าโบสเหล่ามูเซียนที่แต่งเครื่องขาวนั่นต้องหยุดชะงักต่างก็แสดงท่าทางตื่นเต้น เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงทันทีต่างก็หันมารำเพลงมวยเพลงอาวุธสแสดงกิริยาท่าทางคล้ายกับเกิดปะทะต่อสู้กันขึ้นระหว่างฝ่ายเซียนกับฝ่ายวิญญาณที่อยู่ที่วัดสแกร์ซึ่งมองไม่เห็นตัวประชาชนและพระภิกษุสงฆ์ซึ่งอยู่ในที่นั้นต่างก็ไม่นึกว่าจะเห็นเหตุการณ์ที่แปลกประหลาดที่เกิดขึ้นคราวนี้พากันแตกตื่นตกใจเพราะว่าเซียนบางท่านก็หงายหน้าเซไปเซมาหลายครั้งเหมือนกับถูกชกดอยอย่างจัง ทั้งที่มองไม่เห็นคู่ต่อสู้ชาวบ้านบางคนที่กลัวมากจนอกสันหวั่นหายก็รีบหนีออกจากเขตนั้นไอ้ที่ใจกล้าไม่กลัวก็คอยหนีอยู่ใกล้ๆคอยดูว่าจะเกิดอะไรต่อไปชาวบ้านที่กล้าแล้วก็พระสงฆ์คงจะเห็นพวกเซียนฝ่ายเดียวที่แสดงท่าทางว่าได้กาลังต่อสู้กับวิญญาณเจ้าถิ่นในวัดสแกนะนะเพราะว่าการไร้รำหลบหลีกซึ่งท่าทางเพลงอาวุธสู้รบกันในสมัยโบราณ มีการลุกไล่ถอยออกไปลุกเข้ามาผัดกัน ร, รับผัดกันรุกเทียนบางท่านก็มีฝีมือกำลังเข้มแข็งสามารถหลบหลีกว่องไวรวดเร็วนะมีหลายท่านก็บอกว่ามันเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดมหัศจรรย์จ ร, จริงๆในชีวิตนี้ยังไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนอย่าหาดูไม่ได้แล้วนะแล้วจะไม่มีวันลืมตลอดไปว่าโลกนี้ยังมีสิ่งลี้ลับอีกมากมาย การต่อสู้ระหว่างเซียนกับวิญญาณเ จ, าเจ้าที่เจ้าทางเป็นฝ่ายที่เรามองไม่เห็นฝ่ายหนึ่งแสดงท่าทางต่อสู้ทิ่มแทงกลางอากาศที่ว่างเปล่านะแล้วฝ่ายเซียนรู้สึกจะอ่อนกําลังเริ่มถอยแสดงว่าไม่สามารถจะปราบเอาชนะวิญญาณเจ้าถิ่นได้เสร็จแล้วก็ได้ยินเสียงเซียนร้องขึ้นมาเสียงดังลั่นได้ยินไปทั่วบริเวณจะตีความหมายว่าจะเรียกร้องให้ช่วยเหลือเพราะบาดเจ็บหรือยังไงไม่รู้อ่าเพราะกรรมการก็พากันตกใจจนตะลึง เพราะว่ายัางไม่เคยประสบเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อนก็ตื่นเต้นไม่รู้จะแก้ไขยังไงทีนี้ตอนที่พวกเซียนทั้งหลายร้องให้ช่วยกันเอ็ดอึงเนี่ยปรากฏว่าที่มุมวัดด้านหนึ่งเนี่ยมีผู้ชายคนจีนอาสาสมัครนี่คนหนึ่งกำลังขุดดินอยู่เสื้อไม่ได้ใส่อ่ามีแต่กางเกงตั้งอกตั้งใจจะขุดดินตรงที่มีทูบ ป, ปักไว้เป็นเครื่องหมายว่ามีศพฝังอยู่ ไม่ได้สนใจใครอามุ่งแต่จะคุดศพขึ้นมาแต่พอได้ยินเสียงเสียนร้องเนี่ยผู้ชายจีนคนเนี้ยเปลี่ยนสภาพไปเลยรู้สึกว่ามีวิญญาณอะไรเนี่ยเข้ามาสิงในร่างกิริยาผิดปกติธรรมดาเสร็จแล้วแกวิ่งอย่างรีบร้อนเข้าไปในหมู่เสียนนะแล้วก็เอามีดเชือดลิ้นป้ายเขียนเป็น เ, เลขยันไว้ตามเสาไฟฟ้าในวัดเราออกคาสั่งให้รีบเอาอาวุธอ า, อาวุธก็คือที่หนามทุเรียนนะ แล้วก็แสดงท่าทางขวดใา้ปลายขวาเอาน้ำทุเรียนเหล็กเนี่ยตีตามตัวเองลูกตุ้มน้ำทุเรียนนี้มีน้ำเป็นเหล็กแหลมคมมากนะแต่แกก็ไม่แสดงความรู้สึกว่าเจ็บปวดอะไรแกตีตัวเองอ่ะนะแกแก้สถานการณ์ที่กำลังขับขันไว้ยังไงไม่รู้พวกเซียนกลับเป็นฝ่ายลุกไล่พวกวิญญาณเจ้าถิ่นก็กลับเป็นฝ่ายถอยหนีนะ เซียนที่เข้ า, าผู้ชายคนจีนคนนี้มาทราบทีหลังว่าเป็นเซียนระดับอาจารย์ผู้ใหญ่มีฤทธิเดชอำนาจมากเลยตามปกติไม่ขับขันจริงๆแล้วจะไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นวิญญาณเจ้าถิ่นทางวัสดแก่ก็ไม่สามารถจะต่อต้านเอาชนะได้เพราะว่าเป็นเซียนใหญ่มากเร็จ แ, แล้วพวกเซียนก็ลุกไล่วิญญาณไปทางด้านเหนือด้านใต้วิ่งกันกวักไว ตัดหน้าตัดหลังเหมือนกะจะวิ่งสกัดจับผู้ร้ายเสร็จแล้วเซียนก็วิ่งรวมกันล้อมต้นประดู่ใหญ่ที่หลังโบสถ์นะแล้วก็เริ่มสวดคาถาเสร็จแล้วอาจารย์ใหญ่นี่ก็เอากระบี่แทงเข้าไปในโพรงต้นประดู่ใหญ่อยู่หลายครั้งก็ได้ความภายหลังว่าวิญญาณทั้งหลายนี่พ่ายแพ้แก่พวกเสียนก็หลบหนีเข้าไปสิงอยู่ในต้นไม้แล้วก็ในที่สุดก็วิญญาณที่ดุร้ายเนี่ยยอมแพ้ ทางเซียนก็ได้เผากระดาษเงินทองให้เป็นอันว่าได้อโหสิกรรมไม่จองเวรจองกรรมกันต่อไปเพราะว่าหมู่เซียนนี้เขามาเขาก็มุ่งหวังสร้างสร้างความดีวิญญาณที่วัสแกเขยอมให้เรียกวิญญาณทั้งหลายในวัดไปได้ก็เป็นอันสิ้นสุดการปราบวิญญาณที่วัสแกที่นีเ่เรือเอกมานิตอารุณมิตรท่านผู้นี้เป็นกรรมการผู้หนึ่ง ก็เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อแรกเนี่ยผมเองก็ยังไม่แน่ใจเมื่อยังไม่ลงมือแสดงแต่ว่าเมื่อผมถามเซียนว่าอยากจะทราบว่าศพพ่อผมเนี่ยอยู่ที่ไหนโดยที่ผมก็ในบอกชื่อเซียนก็ชี้บอกว่าฝังอยู่ระหว่างต้นคอยมีอยู่สี่วิญญาณด้วยกันคือวิญญาณชื่อในสมบูรณ์ในจันทร์ในสีในเพื่อนนะ ผู้ที่เป็นใหญ่กว่าวิญญาณทั้งหลายก็คือในเพื่อนเนี่ยอีกสามวิญญาณก็คือในสมบูรณ์ในจันทร์ในสีนี่เป็นวิญญาณที่รับใช้ใกล้ชิดสนิทของวิญญาณในเพื่อนในเพื่อนเนี่ยเป็นผู้มีความสุขกว่าวิญญาณทั้งหลายทีนี้ทราบว่าคนที่ชื่อเพื่อนเนี่ยเป็นใหญ่ในตําบลก็ะดุ้งเพราะว่าในเพื่อนเนี่ยเป็นชื่อของ พ่อของคุณมานิตเองหมายถึงเรือเอกมานิตที่ท่านเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ยนะก็พากันตื่นเต้นแปลกใจเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ในเพื่อนพ่อของแกเนี่ยเป็นคนมีชื่ออยู่ในตำบล น, นี้มาเก่าแก่เป็นที่รู้จักทั่วไปเสียนเ้าก็ยังบอกว่าถ้าหากว่าคุณมานิต ย, ยังต้องการนำวิญญาณในเพื่อนผู้เป็นพ่อไปไว้ที่บ้านทางเสียนก็จะจัดการ ให้วิญญาณเข้าไปสิงอยู่ในก้อนดินเพื่อจะนำไปบ้านนี่คุณมนิก็บอกว่าคิดดูตัวเองก็มีอายุมากแล้วแล้วทางบ้านก็มีเด็กมากก็ไม่สมควรจะนำวิญญาณของพ่อไปอยู่บ้านกลัวต่อไปจะเป็นภาระหนักแกเด็กรุ่นหลังแล้วก็อยากจะให้ท่านไปผุดไปเกิดเสียทีนะแล้วคุณมนิกบอกว่าผมแปลกใจที่ชื่อวิญญาณอีกสามชื่อคือในสมบูรณ์จันทร์ในสีเนี่ย พอไปถามผู้ใหญ่รุ่นเก่าที่รู้เรื่องดีก็บอกว่าเมื่อสมัยก่อนก็มีมีชื่อนั้นจริงๆอเป็นเรื่องแปลกประหลาดมากเมื่อก่อนนี้แกเป็นคนเกิดในอำเภอสามโคกแล้วก็ได้ไปอยู่กรุงเทพไปเรียนรับราชการจนได้เป็นนายทหารไม่ค่อยได้กลับบ้านแล้วเมื่อสี่สิบปีที่แล้วนี่พ่อตกต้นตาลตายแล้วก็ฝังไว้ในวัดนี่แล้วก็ทีหลังก็แกก็ามาจัด ก, การ งานชาปนักกิจศพพ่อแล้วก็แต่ว่าไม่รู้ว่าฝังอยู่ที่ไหนนานแล้วให้คนช่วยขุดก็ไม่พบก็เลยต้องใช้ชื่ อ, อใช้เขียนชื่อเผาแล้วก็ทำบุญอุทิศไปให้แล้วนะก็ตอนนี้ทางเซียนได้ชี้หลุมให้แล้วก็ยังบอกว่าดินในตำบลนี้เปรี้ยวเป็นกรดตัวน้ำขึ้นถึงเสมอนานๆนนกระดูกกผ็ผุเช่นกระโหลกก็เหลือเพียงครึ่งกระลามะพร้าวนี่นะ ซึ่งก็เป็นเรื่องแปลกจริงๆที่นี้สิ่งที่ประทับใจคือเมื่อกุดสบล้างป่าชาเสร็จเรียบร้อยวันเดียวกันเวลาประมาณสักห้ามงเย็นแล้วก็มีการเลี้ยงอาหารก่อนกลับหลังจากนั้นก็มีสุภาพสตรีในหมู่อาสาสมัครเข้าใจว่าเป็นหัวหน้าหรือว่าเป็นผู้ที่อาสาสมัครเขานับถือเนี่ยก็ขอบาทใบหนึ่งแล้วก็ยืนขึ้น พูดชักชวนให้ร่วมใจบริจาคเงินเพื่อการกุศลสมทบทําบุญในวัดสแกก็มีผู้บริจาคเงินรวมกันแล้วก็ใส่เงินลงมาในบาทด้วยความเลื่อมใสรวมเป็นจำนวนแปดร้อยสาสิบแปดบาทก็มอบให้ทางวัดต่อไปทีนี้ใครเห็นแล้วก็ปลื้มใจเพราะว่าเท่าที่อุทิศแรงงานก็นับว่าเป็นมหากุศลที่ปลงตกไม่นึกรังเกียจทางานได้อย่างสนิทสนมแม้แต่สปเปลอ เป็นงานอาชีพกับศพนี่บางคนก็ต้องดื่มเหล่ายอมใจซะก่อนแต่ว่าเหล่าอาสาสมัครเนี่ยนอกจากจะอุทิศทั้งแรงงานแล้วเวลาแล้วก็เงินเนี่ย น, น่ายกย่องมีจิตใจงดงามมากภิกษุโสมท่านจำพรษาอยู่ที่วัดสะแกมีส่วนร่วมมองอดูการขุดศพล้างประชาที่วัดนี้ด้วย ท่านได้บอกว่าเป็นพิธีที่น่าเลื่อมใสอาตมาและพวกชาวบ้านที่มีอายุหลายคนที่รู้เห็นมีที่ฝังศพอยู่หลุมหนึ่งแต่เมื่อเห็นเสียนวิ่งผ่านไปมาไม่เห็นชี้ให้ปักหลุมนั้นสักทีก็ชักสงสัยพอะรู้อยู่แล้วนี่ว่าตรงนี้นะมีศพแต่ทําไมไม่ขุดะแต่ไม่ได้พูดอะไรจะดูให้ถึงที่สุดเมื่อเขาวางมือบอกว่าขุดหมดแล้วอ่าเราก็จะได้บอกให้รู้ภายหลังว่าตรงนั้นมีศพ แต่เวลานั้นต้องการทดสอบว่าจะจริงแค่ไหนว่าไม่มีศพหลงเหลือมีชาวบ้านบางคนที่รู้เรื่องต่างก็คิดเช่นเดียวกันกับหลวงพี่ที่ว่าหลวงพี่โสมเนี่ยก็อยากจะทดสอบพิสูจน์ลองความสามารถเสร็จแล้วที่สุดพวกเซียนก็ปักธงลงมือขุดเป็นศพสุดท้ายนะท่านก็บอกว่าเออเขาแน่จริงนะ คือท่านอยากจะทดสอบต่อไปก็ถามเสียนว่าอยากจะทราบว่าศพสุดท้ายเป็นอะไรตายเพราะว่าชาวบ้านมีอายุส่วนมากก็รู้เรื่องดีสําหรับศพนี้นะแต่ว่าเมื่อเสียนตอบก็ทําให้ท่านสะดุ้งและชาวบ้านก็ต้องตกตะลึงไปตามกันเพราะว่าเสียนบอกว่าวิญญาณชายเนี่ยคนเนี้ยบอกว่าเขาตกน้ําตายพวกชาวบ้านชาววัดรู้ว่าเมื่อ17ปีก่อน ก็มีศพชายผู้หนึ่งลอยน้ํามาติดอยู่ที่ท่าหน้าวัดเนี่ยพวกชาวบ้านแล้วพระก็ช่วยกันนําขึ้นมาฝังไว้ในวัดเป็นศพตกน้ําตายเป็นศพสุดท้ายที่ฝังในวัดจากนั้นต่อมาก็ไม่ได้ฝังศพอีกเลยเป็นเวลาถึง17ปีอันนี้เป็นเรื่องแปลกประหลาดที่เซียงสามารถรู้ได้ทั้งที่ฝังศพเหล่านั้นกนานแล้วเกินแล้วลที่เนี่ยก็เป็นที่ราบเหมือนกับพื้นดินธรรมดาทั่วไปไม่มีใครรู้ บางแห่งก็มีหญ้าขึ้นเป็นรกเป็นดงไม่มีเครื่องหมายบอกให้รู้ว่าเป็นที่ฝังศพแต่พวกเซียนก็สามารถจะชี้ได้ถูกต้องแล้วก็แม่นยำไม่ผิดพลาดการขุดศพล้างป่าชาไม่ใช่จะขุดสุ่มๆธรรมดาการเข้าวิธีแบบนี้จะต้องเริ่มขุดที่ฝังเป็นศพแรกก่อนแล้วก็ศพที่ฝังรองลงมาจนกระทั่งฝังสุดท้ายท่านก็เลยบอกว่าเชื่อได้ว่าเป็นพิธี การขุดศพล้างประชาที่ทําได้อย่างหมดจดและมหัศจรรย์มากท่านไม่ประสบกับตาแล้วก็ยากที่จะเชื่อโดยสนิทเมื่อเห็นด้วยตาตัวเองแล้วก็เกิดความเลื่อมใสในพิธีกรรมครั้งนี้มากครับนั่นก็คือเรื่องของการขุดศพที่วัดสแกนะครับวัดสแกนี่อยู่ตําตบลสามโคกอําเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีครับ ท่านผู้ฟังเรื่องราวที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยมีเจตนาและเป้าหมายยืนยันให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเป็นความจริงตายแล้วไม่ได้สูญสลายจบสิ้นเพียงว่าซากสังขารเน่าเปื่อยกลายเป็นธุลีดินไปเท่านั้นหากจิตวิญญาณยังมีอยู่แล้วก็โดยปกติแล้วต้องไปเกิดใหม่ทันทีหลังจากที่เสียชีวิตลง การเกิดใหม่ของจิตวิญญาณจะเกิดในภพภูมิไหนเช่นว่าเกิดในโลกมนุษย์ไปเป็นเดรัจฉานไปสวรรค์หรือวันรกนี่หรือว่าไปเป็นสัมภเวสีโอปาติกะก็ย่อมเป็นไปตามกรรมของใครของมันมีคนตายจํานวนไม่ใช่น้อยที่สิ้นลมหายใจละสังขารไปแล้วจิตวิญญาณก็ต้องไปผุดเกิดเป็นสัมภเวสีบ้างของเป็นเปรตเป็นอสุรกายวนเวียนอยู่ในปา่าช้า ที่ซากสังขารตัวเองถูกฝังเอาไว้ต้องได้รับความทุกข์ทรมานไม่มีสิ้นสุดนะครับการที่มีบุคคลซึ่งมีจิตเป็นกุศลรวมทั้งผู้ที่มีบุญญาธิการนะครับระดับเซียนเนี่ยมาช่วยเหลือเพื่อจะมานำทางมาชี้ทางให้กับวิญญาณที่หลงทางต่างๆเหล่านี้นะครับได้มีโอกาสไปผุดไปเกิด จึงนับว่าเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งครับนี่ก็เป็นเรื่องของวิญญาณที่วัสแก่ครับเรื่องของโคงผีสิงหรือว่าโค้งผีหลอกเนี่ยคนที่เล่าให้ฟังในชื่อคุณประธาน คุณประธานบอกว่าได้รับการขอร้องแกมบังคับจากนายสมชาติเพื่อนของแกเองให้ขับรถไปเป็นเพื่อนที่บ้านของเขาในจังหวัดนครสวรรค์เพื่อจะไปร่วมงานแต่งงานของญาติคนหนึ่งแกเองก็ไม่เคยเต็มใจเท่าไห ร, ร่นักเพราะว่าอยากจะพักผ่อนอยู่กับบ้านในวันหยุดมากกว่าแต่ก็ขัดไม่ได้เนื่องด้วยแกแอบไปชอบน้องสาวของสมชาติอยู่เหมือนกันดูมันสมชาติเองก็รู้ก็เลยใช้จุดอ่อนนี้มาบีบให้คุณประธานต้องขับรถพาเขาไปบ้านจนได้ ที่น่าเสียดายก็คือน้องสาวแสนสวยของเขาติดธุระไปด้วยไม่ได้นั่นก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่คุณประธานไม่อยากไปแต่ก็เป็นโอกาสอันดีที่จะทำคะแนนกับว่าที่พี่แฟนแล้วก็ญาติๆคุณประธานกับสมชาติทำงานอยู่ที่เดียวกันในกรุงเทพก็นัดหมายกันว่าจะลางานครึ่งวันในช่วงบ่ายของวันศุกร์เพราะว่าส ม, สมชาติเนี่ยไม่อยากจะกลับถึงบ้านมืดค่าคุณประธานเองก็เห็นด้วย การขับรถเวลามืดค่าบนถนนในต่างจังหวัดที่ไม่คุ้นเคยเส้นทางนี่นับว่าเสี่ยงอันตรายอยู่มากแต่เหตุการณ์ไม่เป็นไปตามที่วางแผนเอาไว้เพราะว่าวันที่ออกเดินทางบังเอิญมีงานด่วนเข้ามาทั้งสองคนไม่อาจจะทิ้งงานได้กว่าจะสะสางเสร็จก็เกือบหกโมงเย็นหลังจากหาข้าวปลาอาหารแถวแถวที่ทำงานกินจนอิ่มหนาดีแล้วก็ออกเดินทางกัน คุณประธานขับรถไิกราบคู่ชีพไปตามถนนมุ่งสู่นครสวรรค์ก็พูดคุยกันตลอดทางตั้งแต่เรื่องงานเรื่องนินทาเจ้านายเรื่องหนังเรื่องละครไปจนถึงเรื่องการเมืองก็มีเรื่องคุยกันได้เรื่อยๆก็ทําให้แกรู้สึกไม่ง่วงนอนเลยตลอดเส้นทางถ้าเมื่อยล้าก็แวะพักยืดเส้นยืดสายตามปั๊มน้ํามันข้างทางเข้าห้องน้ําล้างหน้าล้างตาหากาแฟหาน้ําในมินิมาร์ตกินพอสดชื่นก็ออกเดินทางต่อ ก็คุยกันอย่างเพลิดเพลินจนกระทั่งลืมเวลาลืมระยะทางมารู้ตัวอีกทีก็สามทุ่มขวาเข้าไปแล้วสมชาติก็บอกว่าอีกไม่กี่กิโลก็จะถึงบ้านแล้วเขาเตือนว่าระยะทางต่อจากนี้ไปให้ขับรถอย่างระมัดระวังเพราะว่าถนนมืดมากไม่มีไฟส่องสว่างข้างทางอีกทั้งมีทางโค้งอยู่เป็นระยะระยะจริงๆแล้วคุณประธานน่าจะให้สมชาติเป็นคนขับรถเพราะว่าชำนาญพื้นที่มากกว่าและแล้วก็ไม่ต้องคอยบอกทางให้คุณประธานด้วย แต่คิดดูอีกทีเราเองก็ขับปลอดภัยที่สุดนั่นแหละดีที่สุดแล้วก็เพราะว่าสมชาติเพิ่งจะไปเรียนขับรถมาได้ไม่นานถนนใหญ่ก็ยังไม่เคยออกคือในเขาขับมีหวังได้นอนอยู่ข้างทางแน่นะแล้วนี่ก็คือสาเหตุหลักที่ว่าคุณประธานถูกชวนหรือว่าบังคับให้มาสมชาติก็เตือนอยู่เป็นระย ะ, ะ, ยะ อ, อีกประมาณครึ่งกิโลจะถึงทางโค้งนะระวังหน่อยโค้งนี่อันตราย เออไม่เชื่อมือกันนึกไงว่าออหน้าตาเครียดเกี่ยวเชื่อแต่ว่าระวังไว้หน่อยอะใครโบกรถก็อย่าจอดมีอะไรตัดหน้ารถก็อย่าตกใจรถก็ใกล้จะเข้าโคง้งแสงไฟหน้ารถที่ส่องนำทางก็ประทะเข้ากับเด็กและผู้หญิงที่ยืนโบกรถอยู่ข้างทางคุณประธานนำท่าจะจอดรับแต่ว่าสมชาติให้รีบขับไปแถมยังํำชับว่าห้ามจอดเด็ดขาดโดยไม่บอกเหตุผลอะไรเลย ที่นี้ตอนรถกำลังเข้าโคง้งมีคนอยู่ข้างทางหลายคนนั่งบ้างนอนบ้างยืนโบกรถมีทั้งผู้หญิงผู้ชายและเด็กคุณประธานก็สังเกตเห็นเห็นว่าแต่ละคน ใ, นใส่เสื้อผ้าหลุดลุ่ยเปิเป้อเปหน้าตาดูความรู้สึกยังไงชอบคนเฮ้ยแถวนี้เขามีงานหรือ ย, ยังไงวะเนี่ยทำไมคนเยอะจังเลยเฮ้ยขับไปเลยขับเลยไปก่อนเดี๋ยวเล่าให้ฟังเออเขาว่าแวะรับเขาหน่อยดีกว่านะสงสารเด็ก คุณประธานบอกสมชาติเมื่อตอนเห็นผู้หญิงจูงมือเด็กเล็กโบกรถอยู่ข้างทางหลังจากพ้นโค้งมาได้นิดเดียวไม่ต้องไปรับหรอกจึงไม่สังเกตหรือไงว่าผู้หญิงกับเด็กนะเป็นคนเดียวกับที่โบกรถเราก่อนจะเข้าโค้งอะ่ะเฮ้ยจริงเหรอคุณประธานอุทานเสียงดังหมุนพวงมาลัยให้รถออกห่างจากข้างทางเหยียบพันเร่งเพิ่มความเร็วเพราะเห็นแล้วว่าทั้งเด็กทั้งผู้หญิงเป็นคนเดียวกับที่ยืนโบกรถอยู่ตรงหัวโคง้งนี่รถก็พ้นโค้งมาแล้ว ถ้าจะเป็นคนจะวิ่งมาดักหน้าได้ไวขนาดนี้เจ้าเหรอเฮ้ย <Hey. S 1> เองจะบอกนะว่าพวกที่อยู่ตรงโค้งน่ะเป็นเออ ผ, ผีไม่บอกก็ได้พระเองคงรู้อะแล้วทีนี้จะทํายังไงกันนะ่กะกับพวกที่อยู่ท้ายกระบะนะนะั่นน่ะคุณประธานชายตาขอความเห็นจากสมชาติเสียงสมชาตินี่สั่นเนาะหลังจากที่เห็นกระจกหลังโอ้ oh, สวยแล้วมากันเต็มเลยอีกนิดเดียวจะถึงวัดแล้วทางซ้ายมือเลี้ยวเข้าไปเลย หลวงลุงเขอยู่ที่นั่นคุณประธานเดียวซ้ายเข้าปากทางเข้าวัดหลังรถวิ่งมาได้ประมาณสามรอยเมตรเป็นระยะทางที่สั้นแต่ดูเหมือนจะใช้เวลานานในความรู้สึกขณะ น, นี้คุณประธานก็มองกระจกสองหลังดูอีกครั้งเมื่อรถเข้าสู่เขตวัดทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไม่ต้องการบนกระบะท้ายรถอันตรฐานหายไปหมดแล้วทั้งสองคนก็เกือบจะถอนหายใจออกมาพร้อมๆกันพอจอดรถข้างกุฏิหลังหนึ่งตามคําบอกของสมชาติทั้งสองคนก็รีบลงจากรถ พระสงฆ์รูปหนึ่งท่านก้าเดินลงมาจากกุฏิด้วยท่าทางสำรวมคุณประธานกับสมชาติก็ยกมือไวหว้พร้อมกันเออสงสัยจะโดนดีมาละสิหน้าตาท่าทางตาตื่นเชอะนี่ฮะอุย้ยขึ้นรถมาเต็มเต็มท้ายรถกระบะเลยลุงลุงที่แท้ก็เป็นหลวงลุงของสมชาติที่บอกว่าเน่ยแหละแม้ว่าจะรู้สึกโล่งอกที่เห็นพระอยู่ตรงหน้าแต่ใจก็ยังเต้นไม่เป็นยังหวะตัวยังสั่นไม่หาย ตอนที่อยู่บนรถนาะยฉี่จะราศีให้ได้คุณประธานบอกไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลยในชีวิตถึงว่าสิสมชาติถึงไม่อยากมาถึงบ้านตอนเวลาค่ามืดทั้งหลวงลุงและสมชาติเล่าให้ฟังว่าที่โค้งนั้นมีอุบัติเหตุรถคว่ำรถแหกโค้งอยู่บ่อยครั้งมีคนตายอยู่ไม่ขาดวิญญาณคนตายก็เลยวนเวียนกันอยู่แถวนั้นหลวงลุงยังสงสัยว่าพวกเขาอยากจะไปเที่ยวที่อื่นบ้างก็เลยโดดขึ้นรถเรามา เออนึกว่าพาผีเที่ยวกันแล้วกันนะโยมอย่าไปคิดอะไรมากหลวงหลุงบอกแถมหัวเราะเสียงลั่นเนาแต่ส่วนสมชาติกับคุณประธานเนี่ยไม่ไม่หัวเราะหรอกอยากจะร้องไห้ซะด้วยซ้ำเลยครับเรื่องผีในที่แปลกๆคุณพัดสอนเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับแกบอกว่าเธอเอย่ยชื่อหาทัทยาเนี่ยคงไม่มีใครไม่รู้จักเมื่อต้นปีสี่สี่นี่อ่า มีญาติของคุณพัชรนคนหนึ่งชื่อ น, นีจับพลัดจับผูไปได้สามีชาวอังกฤษที่พัทยาสามีของนีก็หุ้นกับเพื่อนเปิดร้านอาหารไทยยุโรปและบาร์เบียในตึกสองคูหาข้างบนจะให้พนัก ง, งานพักโดยจะหักเงินสามร้อยต่อเดือนวันหยุดลาพักร้อนของคุณพัอรเมื่อปลาย ป, ายปีสี่สี่ก็เลยเดินทางไปพักผ่อนที่พัทยาแล้วก็ถือโอกาสไปเยี่ยมนีและครอบครัวก็เจอนีตามที่อยู่ที่เคยให้ไว หลังจากพูดคุยกันแล้วนีก็จัดแจงที่พักให้ที่ร้านเพราะาไม่อยากให้ไปพักที่โรงแรมคนเดียวมันอันตรายตกตอนเย็นทุกคนก็กำลังยุ่งคุณพัชสอนก็เลยได้แม่บ้านไว้ยสี่สิบปีไปคุยแล้วก็นอนเป็นเพื่อนเกือบเกือบจะเที่ยงคืนแกกับแม่บ้านก็พลอยหลับไปนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้สะดุ้งตกใจตื่นเพราะมีเสียงคนเคาะให้เปิดประตูแม่บ้านขาเปิดประตูให้หน่อยแอร์โดนผีหลอกค่ะ คุณพะสอนก็ลุกขึ้นไปเปิดประตูปรากฏว่าเด็กสาวประเภทสองคนหนึ่งผลุกเข้ามาในห้องแล้วนั่งตัวสั่น ง, งันงกจีบ ป, ปากจีบคอเล่าเสียงสันส่นๆว่าตอนสี่โมงเย็นขณะที่แอร์นั่งอยู่ที่บาร์ก็มีผู้หญิงวัยกลางคนคนหนึ่งมาเสนอขายของประเภทเมตตามหานิยมโดยบรรยายสรรพคุณพลางหยิบโน่นหยิบนี่ให้ดูจนแอร์ใจอ่อนยอมเช่าจิงจกสองหางมาตัวหนึ่งในราคาร้อยเก้าสิบเก้าบาทก็ถามว่า แล้วจะต้องทำยังไงบ้างคะเกี่ยวกับไอ้จิ้งจกตัวเนี้ยไม่ต้องทำอะไรหรอกใส่ไว้ในกระเป๋าสะพายเวลาทำงานเนี่ยจะมีคนรักคนชอบคนขายก็พูดจบก็เดินจากไปจนบาปิดตีหนึ่งเพื่อนที่นอนอยู่ด้วยกันบอกว่าจะออกไปเที่ยวต่ออ่าขน ห, หัวลุกสู้เลยใจคอเธอเริ่มไม่ดีเธอรีบเข้าห้องไหว้พระหยิบเหรียญหลวงพ่อที่นับถือจากน้องขายมาไวขาขา้ข้างๆก็เลยใจชื้นขึ้นมาหน่อย ขณะที่กําลังจะเคลิม้มเคลิมหลับแอก็ต้องสะดุ้งโยงกับเสียงหมาหอนแทรกผ่านความเงียบรับกันเป็นทอดทอดรู้สึกว่ามีอยู่ตัวหนึ่งหอนดังใกล้เข้ามาตามทางเดินข้างตึกทางประตู ด, ด้านหลังแล้วก็ดังเข้ามาในตัวตึกอยู่เรื่อยๆตอนนั้นแอร์ก็รู้สึกคล้ายๆกับคนครึ่งหลับครึ่งตื่นรู้สึกหนาวๆร้อนๆเหมือนจะเป็นไข้เมื่อมองเห็นหมาดําตัวทะลุมา ใบหน้าเป็นผู้หญิงแก่ในตาแดงก่ำและผมเเ้ารกรุงดังเหมือนไม่ได้สะมาเป็นแรงปีมันมาหยุดยืนอยู่ที่บริเวณหน้าห้องชั้นสามมันพยายามจะเข้าห้องของแอร์ให้ได้แอร์กลัวฉี่แทบราดยกค ว, ว้าเหดียยวลุงพ่อมาแนบอกภาวนาในใจลุงพ่อลุงพ่อช่วยลูกด้วยปู่ขาช่วยหลานด้วยอย่าให้มันเข้ามาได้นะหลานกลัวทันใดนั้นเองมันก็ส่งเสียงกรีดร้องโหยหวนเดินบนใบบนมาเหมือนโกรธจัดที่ไม่สามารถจะเข้าห้องได้ สักพักมันก็เดินหันหลังกลับลงไปพร้อมกับเสียงอ่อนหวยหวนก็เงียบไปพอแอมแน่ใจว่ามันไปแล้วก็เปิดประตูวิ่งลงมาหาแม่บ้านนี่แหละว่างั้นหลังจากที่เด็กที่ชื่อแอมในเล่าจบแม่บ้านก็บอกให้เธอไปที่ห้องน้ําแล้วกลั้นใจใช้ขันตักน้ําราดหัวสักเก้าครั้งแล้วพรุ่งนี้ให้เอาสิ่งของที่เช่ามานั้นไปทิ้งลงชักโครกเสียอ่าแล้วก็บอกด้วยว่าจําไว้นะคะอย่าได้นําสิ่งไม่ดีเข้ามาไว้กับตัวเอง ถ้าไม่รู้เท่าถึงการแล้วก็เดี๋ยวจะเดือดร้อนลำบากอย่างนี้นะคะ่ะวันนี้จะเล่าเรื่องผีงูจงอ่างให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันท่านคงเคยได้ยินหมู่บ้านที่มีการเลี้ยงงูจงอ่างที่โด่งดังที่สุดก็คือ บ้านโนนสว่างอำเภอน้ำพอง n จังหวัดขอนแก่นคนที่เล่าเรื่องผีงูจงอ่างเนี่ยนะครับชื่อนาสมบูรณ์อายุห้าสิบกว่าแล้วเป็นคนเล่าถึงความเครียดแค้นผูพยาบาทของงูจงอ่างสัตว์ที่มีพิษและดูร้ายมากที่สุดในโลกชนิดหนึ่งที่กัดแล้วไม่ถึงสามนาทีจะตายทันที ถึงแม้ว่าจะเป็นงูที่มีพิษร้ายกาจมากมันก็ไม่ไวายที่จะโดนมนุษย์ไล่ล่ามันจับมันมาฆ่าหรือว่าเอามาเลี้ยงเพื่อโชว์หาเงินให้กับคนเลี้ยงได้ดำรงชีวิตแกเคยได้ยินคนรุ่นสมัยก่อนเล่าว่าเมื่อสมัยที่ป่า ย, ยังอุดมสมบูรณ์ไม่ถูกแพร่ถางเหมือนสมัยนี้งูจงอางนี่ชุกชุมมากเกือบทั่วไปตามแหล่งที่มีป่ารกทึบและน้ําท่าอุดมสมบูรณ์ มีชาวบ้านหรือว่าพรานป่าเข้ามาในป่าเพื่อหาของป่าหรือว่าลา่าสัตว์โดนงูจงอางไล่ฉ ก, กัดมีชาวบ้านบางคนโดนงูจงอางกัดตายในป่าก็มีที่หนีรอดมาได้ก็เกือบจะเอาชีวิตไม่รอดก็มีโดยเฉพาะงูจงอางที่ออกไข่ยมันจะหวงไข่ยังกับชีวิตของมันเลยมันเป็นสัตว์ที่รักและหวงไข่กับลูกมากชนิดหนึ่งงูจงอางแต่ละตัวจะมีความยาวหลายเมตรแล้วก็มีลําตัวใหญ่มาก มันสามารถที่จะชูคอได้สูงท่วมหัวคนเลยมันมีประสาทสัมผัสที่เร็วและไวโดยใช้ลิ้นของมันแลบออกตามสัญชาตญาณของงูที่ไม่มีหูสำหรับฟังเสียงการเคลื่อนไหวของศัตรูอ่ามันจะไม่ได้ยินเสียงแต่มันก็มีพรสวรรค์จากลิ้นนี่แหละสัมผัสอาหารงูจงอางก็คืองูด้วยกันทุกประเภทและกบเขียดที่มีอยู่ทั่วไป เวลาผสมพันธุ์ของงูจงอางจะเป็นช่วงฤดูฝนมันจะชอบเล่นน้ําในลำธารเป็นคู่เพื่อผสมพันธุ์กันแล้วก็ช่วงนั้นละ่ะเป็นช่วงที่งูจงอางจะเพิ่มความดุร้ายพอๆกับช่วงที่มันวางไข่ทีเดียวคนสมัยก่อนไปเอาไข่งูจงอางจะต้องไปขโมยเอาตอนที่มันไม่อยู่ออกไปล่าเหยือ่อแล้วก็จะต้องใช้มาเป็นพาหนะเพื่อนหนีการไล่ล่าของงูจงอางที่มีความเร็วมาก มาเท่านั้นที่จะหนีการไล่ล่าของงูจงอางพนเมื่อได้ไข่งูจงอางมาก็จะนำมาใส่กระทะต้มน้ำให้เดือดเมื่อมันตามมามันก็จะฉกหัวลงไปเพื่อคาบเอาไข่ของมันโดยที่มันไม่กลัวน้ำร้อนที่ต้มเดือดปุดๆในกระทะมันเป็นการฆ่างูจงอางอย่างป่าเถื่อนของมนุษย์สมัยนั้นแต่ก็ไม่ได้ทำให้งูสูญพันธุ์เพราะว่าการจับงูจงอางสมัยก่อนยังใช้วิธีโบราณอยู่แล้วงูนานานชนิดก็มีอยู่ชุกชุมทั่วไป แล้วก็ไม่ค่อยจะนิยมกินเนื้องูกันเพราะว่ามีอาหารประเภทอื่นให้เลือกอีกเยอะแยะผิดกับสมัยนี้ทั้งที่มีมากกว่าสมัยเก่าอีกก็ยังจะกินอาหารพวกเปิบพิสดารก็เลยทําให้สัตว์ป่าสูญพันธุ์ไปเพราะน้ํำมือของมนุษย์นี่เองนาสมบูรณ์เคยได้ยินคนสมัยก่อนเล่าว่างูจงอางนี่เป็นสัตว์ที่ผูกอาฆาตแค้นพยาบาทกับคนที่ทําห้มันโกรธแม้ว่าจะตายไปแล้วมันก็ยังตามจองเวร ชาว บ, บ้านเขาเรียกผีงูจงอางนะคือมีคนไปจับปางูจงอางตัวเมียมาขังไว้ในกรงงูจงอางตัวผู้มันตามคู่ของมันไปทั่วป่าไม่พบบางคืนมันได้ยินเสียงร้องของงูจงอางตัวเมียดังแว่วมากับลมซึ่งความจําของงูจงอางนี่เป็นเลิอสามารถที่จะจดจําอเสียงและกลิ่นของคู่ของมันได้แต่ว่าเสียงร้องเนี่ยมันไม่รู้มาจากที่ไหนกันแน่ เพราะว่าลมที่พัดมาเนี่ยเปลี่ยนทิศทางลมอยู่เรื่อยก็ทําให้งูจงอางตัวผู้เกิดความสับสนเหมื่นการจับต้นชนปลายไม่ถูกถึงกระนั้นมันก็ยังไม่ลดละความพยายามที่จะติดตามหาคู่ของมันวิธีการติดตามก็คือมันจะเฝ้าสังเกตว่ามีคนเข้าป่าแล้วขากลับเนี่ยมันจะสะกดรอยตามคนเหล่านั้นกลับไปด้วยโดยที่ไม่มีใครรู้ว่ามีงูจงอางสะกดรอยตามอยู่ห่างเมื่อไปถึงหมู่บ้านมันจะกบดานอยู่เงียบๆไม่ให้ใครเห็น เพื่อคอยฟังเสียงร้องของงูจงอ่างเพศเมียจนแน่ใจว่าเมียมันไม่ได้อยู่แล้วที่นั่นถึงจะเลื้อยกลับเข้าป่ามันใช้วิธีนี้ได้ผลจนสามารถคําทางไปถึงที่งูจงอ่างซึ่งเป็นเมียคู่ของมันเนี่ยถูกขังอยู่ในกรงมันมีความฉลาดพอที่จะไม่ผีแผลบุ่มบ่ามเข้าไปเวลามีคนอยู่แต่ถ้าปลอดคนเมื่อไหร่มันก็จะเลื้อยเข้าไปหาคู่ของมันแล้วก็จะฉกกรงเหล็ก ถ้าเป็นไม้เนี่ยมันต้องเอาออกได้แน่ๆเลยแต่ว่ามันเป็นเหล็กปากมันจะฉีกเป็นแผลเวอวะว่ะเพื่อที่จะเอาเมียของมันออกจากกรงเพราะความรักคู่ของมันมันยอมจะพลีชีวิตถ้าไม่ได้คู่ของมันกลับไปปรากฏว่งวางูจงอางตัวผู้เนี่ยตายอยู่ข้างกรงที่ปากขามันยังคาบตะไข่เหล็กเนี่ยลูกกรงอ่าที่แข็งมันปากมันมีแผลเวอวะว่ะ งูจงอางตัวนี้ยอมตายเพื่อคู่รักเพื่อเมียของมันเห็นแล้วหน้าสงเวชแล้วสงสารมันจริงๆอ่าเพราะความรักความห่วงเมียมันก็พยายามฉกกระตาขายเหล็กพยายามจะช่วยให้เมียออกจากลูกรงขังให้ได้คนที่เลี้ยงงูจงอางตัวเมียนี้มาเห็นสภาพศพของงูจงอางตัวผู้ตายหน้าเวทนาก็นําเอาร่างมันไปฝังไว้ที่เนินป่าไกลหมู่บ้านโดยมีชาวบ้านพากันพูดถึงลางร้ายที่จะตามมาสู่หมู่บ้านแห่งนี้ แล้วก็ขอให้แกปล่อยงูจงอางตัวเมียที่ขังเอาไว้เป็นอิสระไปเสียแต่แกไม่ยอมทาตามที่ชาวบ้านบอกยังคงขังงูจงอางตัวเมียเลี้ยงไว้ในกรงโดยไม่สนใจว่าชาวบ้านจะพูดว่าเป็นลางร้ายแล้วก็นำความหายณะมาสู่หมู่บ้านตลอดจนครอบครัวของแกก็ตามหลังจากที่จงอางตัวผู้ตายแล้วก็ถูกฝังไว้ในเนินป่าหลายอาทิตย์ผ่านไปก็มักจะมีเสียงงูเลื้อยมาป้วนเปลี่ยนที่บ้านของคนเลี้ยงงูนี่แหละ อ่าคนที่ว่าเลี้ยงงูจงอางตัวเมียเนี่ยบางครั้งจะได้ยินเสียงงูร้องดังไปรอบรอบหมู่บ้านเสียงร้องของงูจงอางตัวเมียตอนกลางคืนอ่าแล้วก็ประสานกับเสียงงูร้องดังไปรอบรอบหมู่บ้านเนี่ยชาวบ้านก็รู้อ่ะว่าเป็นเสียงของงูผัวเมียเนี่ยมันเรียกหากัน แล้งูจงอางตัวเมียที่ถูกขังไว้ในกรงที่หัวเขามันมีบาดแผลแล้วก็เลือดไหลซึมออกมาชาวบ้านดูแล้วก็บอกว่าสงสัยจะใช้หัวชนตะข่ายลุกกรงเพื่อจะออกไปจากที่คุมขังจงกนกระทั่งมันได้รับบาดเจ็บแล้วมันก็ไม่ยอมกินอาหารที่เจ้าของโยนให้มันกินมันพยายามที่จะหลบหนีออกจากกรงขังตลอดเวลาจนร่างกายเขามันพ่ายผอมลงมันก็คงมีจิตใจเหมือนคนนี่แหละเมื่อต้องพลัดพรากจากคู่รักมันก็พยายามที่จะหนีออกจากที่คุมขังให้ได้ แม้จะเจ็บตัวก็ยอมเมื่อมันไม่กินอาหารนานวันเข้าก็ตายตายในกรงขังนั่นแหละดวงตาของงูจงอางตัวเมียยังลืมตาพโพลงอยู่อย่างนั้นเหมือนจะมีความเครียดแค้นผูกอาฆาตพยาบาทมนุษย์อยู่เจ้าของงูเขาก็เลยเอาไปฝังไว้กลางทุ่งนาน่าสมบูรณ์เล่าให้ฟังถึงความลี้ลับของผีงูจงอางที่ตายว่ะตอนแรกเนี่ยไม่มีชาวบ้านเฉลียวใจว่าจะมีผีงูจงอางมาหลอกชาวบ้านได้ เมื่อมันตายไปแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรกับสรากงูจงอางก็ปล่อยไว้ตามยถากรรมคงจะถือว่ามันเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ไม่ได้ให้ความสําคัญอะไรกับมันหลังจากที่งูจงอางสองตัวนั้นตายได้ไม่นานมีชาวบ้านเห็นภาพหลอนน้องงูทั้งสองเลื้อยเพ่นผ่านบ่อยครั้งตอนพลบค่าบางครั้งก็ยังเห็นมันเลื้อยอยู่ในบ้านคนที่เคยเลี้ยงมันไว้นะ่ะแล้วก็มักจะมีอะไรที่พิลึกแล้วก็ชวในให้สงสัยให้ชาวบ้านเห็นเป็นประจำ แต่ก็ไม่มีใครคิดว่าจะเกิดมีผีงูจงอางมาหลอกจะมีก็แต่ผีคนเท่านั้นแหละที่มาหลอกชาวบ้า น, นชาวบ้านเขาเชื่ออย่างนั้นคนที่เห็นผีงูจงอางหลอกเป็นชาวบ้านสองผัวเมียในหมู่บ้านโนนสว่างนี่แหละตอนนั้นทั้งสองกลับจากทํานาเป็นเวลาพลบค่ําแล้วพากันเดินมาถึงระหว่างทางปรากฏว่าควายที่เดินนําหน้าสองสามีปรรยายุดเดินแล้วก็มีอาการตกใจพังอ่ะไม่กล้าจะเดินต่อ เอาแต่ยืนสะบัดหัวไปมาทำท่าจะถอยหลังตะเลิดหนีจนเจ้าของต้องดึงเชือกรังเอาไว้ไม่ให้มันหนีคายภรรยาก็เหลือบไปเห็นท่อนไม้เคลื่อนไหวไปมาสองท่อนข้างหน้าก็เพ่งมองด้วยความสงสยัยจ้องมองไม่กระพริบตาถึงได้รู้ว่าไม่ใช่ท่อนไม้หรอกที่แท้มันเป็นงูตัวใหญ่แต่ไม่รู้ว่าเป็นงูอะไรก็เลยบอกให้สามีระวังตัวไว้อ่าแล้วก็คิดว่าเอองูนี้เองที่ทําให้ควายไม่กล้าเดินอ่า เสร็แล้วอ่าสามีก็ยื่นเชือกที่จูงควายให้ภรรยาแล้วก็ถือจอบจงไปยังงูสองตัวนะั่นอย่างระมัดระวังโดยมีสายตาของภรรยาก็จ้องมองเขม็งตามไปพอเดินก็ไปใกล้อ่าจากความสงสัยว่าจะเป็นไม้หรืองูเข้าไปใกล้ก็รู้ว่าเป็นงูจริงๆแล้วก็เป็นงูจงอางตัวใหญ่เละยาวสองตัวมันค่อยๆ ย, ยกลำตัวขึ้นสูงเกือบท่วมหัวของอีตาคนที่เข้าไปนั่นแหละนะมันมัน ชูหัวพร้อมกันสองตัวเลยสายหัวไปมาพร้อมกับแลบลิ้นแผลบแผ ล, บ, ล, บ, ลบส่งเสียงคู่ทาท่าจะทาร้ายผู้บุกรุกแต่ว่าผู้ชายคนที่ว่าเนี่ยอดีตเขาเคยเลี้ยงงูจงอางเขาก็เลยรู้นิสัยงูจงอางดีไม่ยอมขยับตัวเคลื่อนไหวเอาแต่ยืนนิ่งเหมือนหุ่นงูมันก็จะไม่จู่โจมถ้าไม่ขยับตัวงูจงอางสองตัวเห็นผู้บุกรุกไม่ขยับตัวมันก็เฉย แล้วค่อยๆลดลำตัวลงระนาบจนติดพื้นดินก่อนที่จะพากันเลื้อยไปอย่างช้าๆจนรับหายไปด้วยความคลางแคลงใจอ่าแกก็เดินไปยังงูสองตัวตะกี้เนี่ยเพื่อจะดูว่าพื้นดินทรายมีรอยของงูปรากฏไปทางไหนบนพื้นดินทรายไม่ปรากฏร่องรอยของงูหเห็นเลยอ่าทั้งที่เป็นดินทรายทําให้แกรแปลกใจสุกคิดว่าต้องเป็นงูผีหรือ ง, งูเจ้าพ่อมาปรากฏตัวให้เห็นถึงได้ไม่ทิ้งร่องรอยอไว้บนพื้นดินนั้นเลย ถ้าเป็นงูตัวจริงต้องมีรอยตอนนั้นแกถอยหลังกรูดเลยแกตกใจหน้าซีดเผือดค่อยๆเดินไปหาเมียแล้วก็บอกว่ามันเป็นงูจงอางสองผัวเมียเออ่เลื้อนหนีไปแล้วแกกับภรรยาก็รีบต้อนควายเดินกลับบ้านอา่ภรรยา ะ, ะปจากตรงนั้นด้วยความกลัวแต่ก็ไม่กล้าบอกความจริงให้ภรรยารู้ว่า ง, งูจงอางที่แกเห็นน่นเป็นงูผีเพราะกลัวภรรยาจะผวาตื่นตนกกลัวอา่ารายที่สองชื่อนภูน นภูลอายุสี่สิบปีเป็นคนบ้านโนนสว่างเหมือนกันแล้วก็เป็นคนเลี้ยงงูจงอางเหมือนกันแกเล่าว่าผีงูจงอางที่พูดเล่าขานกันแต่บรรพบุรุษนั้นน่าจะมีมูลความจริงไม่อย่างนั้นคนเท่าคนแก่จะเอาเรื่องมาพูดโกหกลูกหลานแล้วมันจะได้อะไรขึ้นมาเพราะฉะนั้นฟันทงได้เลยว่าผีงูจงอางที่คนเท่าคนแก่ในหมู่บ้านเล่าขานนั้นมีจริงถึงว่าแกจะไม่เคยเจอผีงูจงอางสักครั้งก็าตาม แค่บอกว่าปูนะ่เนี่ยปู่ย่าตายายแล้วก็คนเฒ่าคนแก่ในบู่บ้านนี้แหละนะเป็นคนเล่าให้ฟังคนเฒ่าคนแก่พูดบอกว่างูจงอางเป็นสัตว์ที่ดุร้ายและอารมณ์ร้อนอะไรที่เคลื่อนไหวเบื้องหน้ามันจะรู้ทันทีแล้วก็จะเข้าจู่โจมด้วยความเร็วยังกับลูกธนูแล้วก็จะฉกกัดเหยื่อจะตายภายในสามถึงห้านาทีพิษขอ ง, งูจงอางร้ายกาดมากไม่ว่าสัตว์หรือคนโดนูจงอางกัดดกตายลูกเดียว แต่คนสมัยก่อนที่มีว่านสมุนไพรแก้พิษงูจะให้คนที่โดนงูกัดเคี้ยวกินแล้วก็ยังเอามาวางเปะไว้บนบาดแผลบริเวณที่งูกัดแล้วก็ว่านแก้พิษงูนี่นํามาใช้ได้ผลเหมือนกันการรักษาของคนสมัยนั้นจะใช้ควบคู่กับเวทบนคาถาอาคมแต่ก็มีคนที่ถูกงูจงอาง่าหรือว่างูเหา่ากัดรักษาด้วยว่านแก้พิษแต่ก็ตายเหมือนกัน มีชาวบ้านที่เข้าป่าหรือว่าไปทไําไร่ไถนามักจะเห็นร่องรอยงูลอกคราบติ้งไว้เกลื่อนบางครั้งจะมีร่องรอยของมันเลื้อยไปบนดินทรายงูสมัยนั้นมีเกือบทุกชนิดทุกุมมากบางครั้งก็มีงูเหลือมแอบมากินเป็ดกินไก่ชาวบ้านถึงในหมู่บ้านคนที่ว่าเห็นผีงูจงอางเนี่ยเป็นปู่ของนาภูลปู่ของแกไปวางเบ็ดที่ริมห้วยห่างจากหมู่บ้านไปหลายกิโลช่วงนั้นเป็นช่วงน้ําหลากหลายเชี่ยว ปู่ของแกก็เดินปักเบ็ดไปเรื่อยๆตามชายริมห้วยซึ่งมีป่าละเมาะแล้วก็หญ้าขึ้นตามตลิ่งห้วยเสร็จแล้วสายตาของปู่ก็เหลือบไปเห็นน้ํากระเพื่อมแรงมากก็แอบไปหลบดูว่าเป็นตัวอะไรมาเล่นน้าที่กําลังไหลเชี่ยวและแรงอย่างนั้นเสร็จแล้วแกต้องพังอ่ะสิ่งที่แกเห็นน่ะเป็นงูตัวใหญ่และยาวหลายเม็ดสองตัวกําลังดําผุดดำว่ายเล่นน้ํารัดพันกันอุตลุดอยู่นานปู่สังเกต ง, งูสองตัวนั้นรู้ได้ทันทีเป็นงูจงอาง ก็แต่จะนั่งนิ่งแทบจะไม่หายใจกลัวมันจะได้กลิ่นสายตาของปู่จ้องขมิงไปที่งูสองตัวชนิดตาไม่กระพริบมันเล่นน้ําอยู่นานพอสมควรถึงได้เลือ้อยขึ้นบกปู่ของณาภูนเนี่ยมองตาไม่กระพริบเลยแล้วก็ไม่กล้าที่จะขยับตัวกลัวงูมันจะรู้เพราะงูจงอางเนี่ยช่วงเวลาที่มันสัตว์กันเนี่ยมันจะดุร้ายมากนะเสร็จแล้ว แกบอกกระพิปตาเดี๋ยวเดียวเท่านั้นนะภาพงูจงอางสตัวที่อยู่บนบกนี่อันตรธานหายไปแกใจเต้นระทึกมองซ้ายแหลขวากลัวงูมันจะมาอยู่ใกล้ๆเวลาผ่านไปเรื่อยๆก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะเห็นงูสองตัวนั้นอีกแกก็เลยค่อยๆ ย, ย่องเดินฝ่าน้ําขึ้นฝั่งรีบกลับบ้านไม่กล้าจะปักเบ็ดอีกเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ปู่ทวดฟังปู่ทวดก็บอกกระปู่บอกว่ามันเป็นผีงูจงอางที่ถูกชาวบ้านฆ่าตายอ่าตายทั้งสองตัวอยู่ใกล้ๆลําลห้วย แล้วก็มีชาวบ้านเห็นผีงูจงอางนี่มาหลายครั้งแล้วเพราะมันมันมกจะมาหลอกชาวบ้านอยู่บ่อยๆแล้วก็แกยังได้ยินหลวงปู่เจ้าวาดวันในหมู่บ้านเล่าให้ฟังเหมือนกันว่ามีงูจงอางที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้ตายลงเกิดความผูกพันและสงสารมันก็นิมนต์ให้ท่านไปสวดส่งวิญญาณให้งูจงอางก่อนที่จะกรบดินฝังซากมันไว้แล้วก็ยังทําบุญอุทิศสวนกุศลไปให้มันด้วยแล้วเจ้าของงูจงอางตัวนั้นมาเล่าให้หลวงปู่ฟังว่า งูจงอางเนี่ยมาป้วนเปี้ยนอยู่ใต้ถุนบ้านพอถือคบไฟเดินลงจากบ้านส่องไปทั่วๆรอบบริเวณบ้านก็ไม่เห็นอะไรผิดปกติพอเดินคล้อยหลังก็เหมือนมีตัวอะไรเลือ้อยตามหลังมาพอส่องคบเพลิงหันไปดูก็ไม่เห็นอะไรแล้วก็ในคืนวันพระเมียกับลูกของโยมที่เป็นเจ้าของงูจงอางที่ตายไปนั่นอะยังเห็นงูจงอางเลื้อยอยู่ที่ลานดินกลางบ้านซึ่งพวกเขาจําได้ว่าเป็นงูจงอางตัวที่เคยเลี้ยงไว้แล้วก็เป็นงูตัวที่ตายไปนั่นเอง ถึงได้บอกให้ลูกเงียบอย่าได้ตกใจให้เฝ้าดูว่ามันจะทํายังไงต่องูจงอางตัวนั้นเลื้อยไปเลื้อยมารอบรอ บ, บริเวณบ้านหลายครั้งบางทีมันเลื้อยหายก็ไปได้ถุนบ้านอยู่นานกว่าจะเลือ้อยโผลออกมาก่อนที่จะเลือ้อยหายรับไปต่อหน้า ต, ต่อตาคนในบ้านผีงูจงอ่างไม่ใช่ตำนานหรือว่าคําเล่าขานแด่ยอย่างใดแต่มันเป็นความจริงซึ่งเกิดกับชาวบ้านที่มีความผูกพันกับงูที่เลี้ยงเอาไว้โดยเฉพาะชาวบ้านโนนสว่างอําเภอน้ําพองจังหวัดขอนแก่น เป็นสถานที่ที่เลี้ยงงูจงอางมากที่สุดในประเทศก็ยอมรู้เรื่องนี้ดีแต่ไม่มีใครอยากจะเอ่ยถึงเรื่องนี้เพราะว่ามันไม่เป็นสิริมงคลเพราะว่าพวกเขายังจะต้องเลี้ยงงูจงอางหาเลี้ยงชีพนี่ไปช่วยลูกช่วยหลานก็ไม่กล้าที่จะพูดถึงความลี้ลับของผีงูจงอางให้คนข้างนอกได้รู้ความลี้ลับของผีงูจงอางก็เลยยังเป็นปริศนามืดมนต่อไปครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ แปลกๆที่ผมจะนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังวันนี้ครับเกิดขึ้นทางภาคใต้คุณวันดีแต่งงานกับนายสินเมื่อปี2513ที่บ้านของแกเองที่จังหวัดนครศรีธรรมราชหลังจากที่แต่งงานแล้วได้ปีเศษๆก็มีลูกกับนายสินเนี่ยคนหนึ่งเป็นผู้หญิงพอลูกสาวโตได้ประมาณสักสิบเดือน คุณแม่ของคุณวันดีก็ได้ไปซื้อที่ดินให้ที่จังหวัดกระบี่เป็นสวนยางประมาณสามสิบไร่อันนี้เป็นไปตามความต้องการของนายสินเพราะว่าคุณแม่แบ่งที่สวนมะพร้าวให้ที่นครศรีธรรมราชนะนายสินเขาไม่ชอบทําเพราะว่าเขาถนัดอยู่กับการทําสวนยางกรีดยางมาตั้งแต่เด็ก คุณแม่ก็เลยขายสวนมะพร้าวแล้วก็เอาเงินไปซื้อสวนยางให้แทนสวนยางที่ไปซื้อเนี่ยอยู่ที่อำเภอเอ่าวลึกเหนืออยู่ห่างจากถนนใหญ่เข้าไปประมาณสักสองกิโลเมตรเห็นจะได้เป็นที่สวนทั้งหมดสามสิบไร่มียางที่เขาปลูกไว้แล้วก็ตัดได้แล้วสักสิบห้าไร่นอกนั้นก็ยังเป็นที่รกร้างว่างเปล่าอยู่มากแล้วก็มีป่าไผ่ขึ้นอยู่หนานแน่นบางแห่งก็เป็นป่าเบญจพรรณป่าปนกันไป ดูรคมืดครึมไปหมดตอนแรกที่คุณวันดีกับสามีย้ายไปอยู่ใหม่ๆก็ยังไม่มีบ้านอยู่ก็เลยไปขออาศัยอยู่บ้านเพื่อนชั่วคราวจนพอได้สร้างที่อยู่เองในสินก็ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านไปช่วยกันตัดไม้ไผ่มาสร้างขึ้นเป็นกระท่อมเล็กๆหลังหนึ่งพอที่จะได้อาศัยอยู่ไปก่อนเมื่อสร้างกระท่อมเสร็จแล้วในสินก็ย้ายพาคุณวันดีกับลูกสาวเข้าไปอยู่เมื่อตอนแรกเข้าไปอยู่ใหม่ๆ ข้างบ้านยังรกเป็นป่าหญ้าคาแล้วก็มีป่าไผ่ด้วยรอบทั้งบริเวณสี่ด้านเลยส่วนในศิลก็รีบจัดแจงเข้าไปกรีดยางที่ในสวนเพื่อที่จะได้เงินมาใช้จ่ายเพราะว่าตอนนั้นมีเงินติดตัวมาไม่มากก็ต้องรีบกรีดยางเพื่อจะได้ขายเอาเงินมาไว้จ่ายเพราะว่าลูกก็ยังเล็กอยู่คุณวันดีเองก็ต้องเลี้ยงดูลูกอยู่บ้านทั้งสองคนในศิลต้องลุกขึ้นตั้งแต่ ตีสีก็ไปกรีดยางที่สวนคนเดียวพอแปดโมงเชา้าในสินก็จะหามน้ำยางกลับมาบ้านก็จัดแจงทําเป็นแผ่นพอเสร็จก็อาบน้ำกินข้าวกินปลาก็นอนพักผ่อนหนึ่งถึงสองชั่วโมงแล้วก็จะลุกขึ้นถางย่าที่ขึ้นรกร้างข้างบริเวณกระท่อมพยายามถางวัะนิดวัะหน่อยค่อยๆเตียนขึ้นแล้วก็ขุดปรวนดินยนร่วนหามเมล็ดพืชผักมาปลูกเพื่อเอาไว้กินในครอบครัว ในสินนี่เป็นคนขยันมากปลูกไม่นานพืชผักก็ขึ้นเต็มไปหมดมีทั้งพริกมะเขือถั่วฝักยาวฝักแลงแตงกวา่าจนกินในครอบครัวไม่หมดในสินก็เลยบอกให้คุณบันดีเนะี่ยเอาไปขายที่ตลาดนัดที่อ่าวลึกเหนือซึ่งมีทุกวันจันทร์แล้วก็ที่ตลาดบ้านกลางมีทุกวันศุกร์ในสินก็บอกว่าเออนี่เธอพี่ว่าเราปลูกผักให้มากๆแล้ว เธอเอาไปขายที่ตลาดนัดเนี่จะกล้าไปนั่งขายหรือเปล่าทำไมจะไม่กล้าล่ะพี่จะไปกลัวอะไรละ่ะขายของของเราไม่ได้ขายของบิดกฎหมายนี่มันไม่ใช่อย่างนั้นหมายถึงว่ากลัวว่าเธอจะอายเพราะว่าเธอไม่เคยค้าขายมาก่อนโอ้ยไม่กลัวหรอกปลูกก็เถอะอ่าเดี๋ยวจะไปนั่งขายให้จากนั้นในาศินก็ปลูกพืชผักมากขึ้นพืชทุกอย่างก็ร้วนเจริญงอกงามดีเพราะว่าที่ดินดีแล้วก็ยังใหม่ก็เพิ่งปลูกเป็นครั้งแรก คุณวันดีก็เก็บเอาไปขายที่ตลาดนัดทุกๆวันนัดพืชผักขายดีมากเพราะว่ามันสดสวยเพิ่งจะเก็บใหม่ๆจากต้นแกก็ขายเปลินไม่ได้อับอายอะไรเลยพอขายเสร็จก็รีบซื้อข้าวสารกลับข้าวแล้วก็อของจําเป็นนี่เอากลับมาบ้านสายวันหนึ่งคุณมันดีกลับมาจากตลาดมาถึงบ้านก็ไม่เห็นในสินมิแต่ลูกสาวนอนหลับอยู่ในเปล เดินไปดูที่ในโรงทําแผ่นยางก็เห็นรอยเพิ่งจะทําเสร็จไปใหม่ๆเขาก็เดินหาดูรอบๆ บ, บ้านก็ไม่มีก็เดินไปดูที่แปลงผักเห็นนายศินนี่นอนแน่นิ่งข้างๆตัวมีจอบตกอยู่คุณวันดีก็ตกใจมากรีบวิ่งเข้าไปหาออเขย่าร่างว่าเป็นอะไรไปพอพยายามถามก็ดึงมือให้ลุกขึ้นนายศิลปยังคงนอนตัวสั่นหน้าซีดไม่ยอมพูดอะไร ได้แต่ทำตาเหลือกลานเหมือนจะมองหาอะไรแถวแถวนั้นพักใหญ่ก็ค่อยๆพยุงตัวลุกขึ้นคุณวันดีก็ประคองพาไปยังกระท่อมในศสินนอนสมอยู่นานเกือบชั่วโมงก็บอกบอกว่าเออฉันเจองูงูยักษ์อ่าวันดีก็บอกอะไรนะพี่งูอะไรอะ่ะพี่เจองูยักษ์เมื่อตอนสายพี่กำลังถางหญ้ายอยู่ริมปา่าใกล้ๆร่องทัว กำลังถางเพลินๆนะมันโผล่หัวขึ้นมาสูงถึงหน้าอกเนี่ยตรงหน้าเนี่ยฉันก็ตกใจวิ่งก็วิ่งไม่ออกเลยล้มไงพลึงอยู่ตรงนั้นตัวมันใหญ่จริงๆขนาดเท่าต้นหมากเห็นจะได้ดังนักว่าฉันคงไม่รอดแล้วล่ะในสินเล่าให้ฟังปากยังสั่นเหงื่อท่วมตัวอยู่แล้วมันหายไปทางไหนแล้วพี่ไม่รู้เหมือนกันมันเลื้อยไปทางไหนมัวจะตกใจจนไม่ได้ดูว่ามันไปไหน แล้ววีจะกล้าออกไปกรีดยางตอนมืดๆได้ยังไงละทีเนี้ยก็มันเป็นอาชีพของเราจะทํำยัำยงไงได้ก็ต้องทําไปเอ่าแล้วอีกอย่างฉันว่ามันคงไม่อยู่ในที่แห่งเดียวแล้วมันคงไปที่อื่นแล้วก็ได้ฉันจะไปให้สายฟักก่อนสักหน่อยเดีจะต้องมาหาหมามาเลี้ยงไว้สักตัวอ่าเออมันจะได้พามไปเป็นเพื่อนดีในสวนเธออยู่กับลูกก็ระวังอย่าเดิน ไปไหนนอกบ้านจนพ่นฉันจะมานะในสินก็นอนไม่สบายอยู่เกือบอาทิตย์พออาการดีขึ้นก็เข้าไปกรีดยางแม้ว่าวันดีจะขอให้นอนพัก ห, หายดีสักก่อนก็ไม่ฟังอ้างว่ากรัวลูกจะอดวันดีก็ไม่ทัดทานก็ปล่อยให้ไปทาก็ไม่วายจะเป็นห่วงอ่าอยู่ที่บ้านสองคนกับลูกกลัวว่าจะเจองูต่อมาในสินก็เอาลูกหมามาเลี้ยงไว้ตัวหนึ่งแล้วก็ หาไก่มาเลี้ยงไว้ด้วยห้าหกตัวเป็นไก่ 1, พันพื้นเมืองต่อมามันก็ไข่แล้วก็ฟักลูกออกมาหลายตัวแต่ว่าในศสินไม่ได้ทำเล้าให้มันนอนมันบินข็้นไปนอนอยู่บนต้นไม้ข้างบ้านไอ้ตัวที่ลูกอ่อนก็นอน ก, กกลูกอยู่บนพื้นริมชายคาข้างฝาบ้านด้านนอกตอนหัวค่ำคืนหนึง่งตอนที่วันดีกับในสินกำลังนั่งกินข้าวกันอยู่ ก็ได้ยินเสียงแม่ไก่ร้องดังเป๊อคก็ไม่ได้ออกไปดูองนั่งกินข้าวโดยไม่ได้สงสัยแต่ประการใดสักพักก็ได้ยินเสียงลูกไก่ร้องเจี๊ยบเจีย บ, ยบดังกันเซ็งแซ่ไปหมดในสินก็เลยวา่าไฟฉายเปิดประตูออกไปดูหลังจากที่ส่องไฟฉายอยู่สักครู่หนึ่งเสียงในสินก็ร้องเรียกวันดีบอกนี ee, ่เธอเธอเร็วเข้ามาดูสิงูตัวใหญ่เด้อเลยมันมาเอาลูกไก่ไปกิน ในสินเรียกวันดีออกไปดูเพราะเห็นงูเห่าตัวใหญ่มากเลยกําลังคาบลูกไก่อยู่ในปากลเลื้อยเข้ามาในปากข้างบ้านสินก็เอาไฟฉายส่องดูก็เห็นลูกไก่เหลืออยู่เพียงสามตัวลูกไก่ทั้งหมดมีแปดตัวในสินก็จับมันมาไว้ในบ้านเออแล้วแม่มันหายไปไหนก็ไม่รู้ตะกี้ยังได้ยินเสียงร้องอยู่เลยก็เที่ยวส่องไฟฉายหาดูสักครู่นึงได้เจอเออนี่เจอแล้วเธอ แม่มันนอนตายอยู่เนี่ยมิหน้าถึงได้ยินเสียงร้องเอองูมันคงจะกัดแม่ไก่ให้ตายก่อนแล้วมาเอาลูกไก่ที่หลังในสินก็หยิบมาแม่ไก่ที่นอนตายมาเก็บไว้ในบ้านรอไว้กุดหลุมฝังตอนเช้าเหตุการณ์น้ําผ่านไปหลายเดือนโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งคืนหนึ่งตอนที่วันดีกับในสินแล้วก็ลูกสาวกลาลังนอนหลับอยู่บนเตียงในห้องนอนเตียงที่นอนในเป็นเตียงรุ่นเก่ามีความสูงประมาณเหนือเขา่าเนี่ย ก็ได้ยินเสียงร้องอยู่ใต้เสียงแต่ไม่รู้ว่ามันคือเสียงร้องของสัตว์ชนิดไหนเสียงมันดังมากในศยสินกับบันดีก็ตกใจตื่นเสียงมันร้องแจก๊จกแจ๊กเสียงมันร้องทีรัวบันดีตกใจกลัวตัวสั่นเลยกอดแขนในายสินแน่นแทบจะไม่หายใจมืดก็มืดเพราะว่าดับตะเกียงนอนในายสินค่อยๆควานมือคลำไปหาไฟฉายที่อยู่ข้างหมอนมาส่องดูให้รู้ว่าเสียงนั้นคือเสียงอะไร วันดีก็คิดว่ามันคงจะเป็นลิงหรือว่าสัตว์ใหญ่อะไรสักอย่างแน่ๆนะฟังจากเสียงที่มันร้องก็พยายามรวบชายมุงเอามาเน็บไว้ใต้ที่นอนพักครัววันดียมันจะขึ้นมาบนเตียงก็หันไปคว้าลูกสาวขึ้นมาเกอดไว้แนบอกแล้วก็ในาศิลค่อยๆก้มตัวลงไปมองพร้อมกับไฟฉายฉายไปที่ใต้เตียงตรงที่มีเสียงร้องอยู่แล้วก็เห็นในาศิลปนี่ทำตาโตท่าทางตกใจเหมือนกับเจอสิ่งประหลาดปากก็ร้องเรียกให้ดู นี่เธอมาดูสิเนี่ยไ อ, อ, อ, อ, อ้งูใหญ่ตัวเนี้ยไอศิลป์รีบพระโกหัวขึ้นมาเห็นไอศิลป์ทำท่าตกใจด้วยความสงสัยอยากรู้ว่าก้มหน้าลงไปดูบ้างแทบจะช็อกตกตะลึงร้องไม่ออกโอ้โหมันช่างใหญ่อะไรอย่างงั้นมันโคตรงูแท้ๆเลยหัวมันเป็นสามเหลี่ยมสงสัยจะเป็นงูกระปะตัวโ ต, วตวขนาดเท่ากับคนแขนคนอ้วนๆเลยเจียวอ่า ก็ถามว่างูกระปะใช่ไหมพี่ทำไมตัวมันใหญ่ขนาดนั้น น, นะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเยู่เธอคอยระวังอุ้มลูกไวด้ดีๆนะเดี๋ยวจะฆ่าม่ให้ตายเลยแต่แล้วนายสินก็ออกจากของไปหยิบเอาเหล็กเสียมที่เขาใช้ขุดหลุมพร้อมกับขวานมาแล้วก็ค่อยๆเอาเสียมนั้นปักลงบนลำตัวของงูตัวนั้นซึ่งอยู่ระหว่างฝาบ้านกับซอกเตียงแล้วก็เอาขวานมาตอกลงบนด้ามเสียมเสียมก็ปักลงบนลำตัวงู ตัวนั้นมันดิน้นส่งเสียงร้องดังลั่นไปหมดเสียงมันเหมือนไม่ใช่เสียงงูน่าจะเป็นเสียงลิ้งเสียงข้างมากกว่าในศินตอกจนลำตัวมันขาดออกจากกันเป็นสองท่อนเพราะตัวมันขาดออกจากกันไข่ที่อยู่ในท้องก็ทะลักออกมากองใหญ่เป็นร้อยๆ้อยฟองปะปนกับเลือดส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งไปหมดในศินก็ลากซากงูออกมาแล้วก็ขุดหลุมฝังทําความสะอาดยุ่งอยู่นานหลายชั่วโมงกว่าจะเสร็จ คือนั่งสองคนในไม่กล้านอนจุดตะเกียงนั่งอยู่จนสว่างเสร็จแล้วคุณวันดีก็ไม่ให้ในสินไปกรีดยางวันนั้นในสินเองก็ชักหวาดหวาดเหมือนกันที่เจองูแต่ด้วยความจําเป็นก็ต้องออกไปกรีดยางในคืนต่อมาในสินเองก็ไม่กล้าไปดึกๆก็จะไปตอนตีห้าแล้วแล้วก็พาหมาที่เลี้ยงไว้ไปด้วยให้มันวิ่งนําทางไปก่อนทุกคืน วันดีก็นอนใจประหวาอยู่กับบ้านกับลูกหลังจากเจองูประหลาดคืนนั้นแล้วที่นี้มันจะทํายังไงได้ในเมื่อมีอาชีพในด้านนี้ไม่ทําก็ไม่มีไรายได้มาใช้ใจ่ายในครอบครัวในศินไปทํางานก็เป็นห่วงทังบ้านส่วนวันดีอยู่บ้านก็เป็นห่วงในศินร็จแล้วเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นอีกหลังจากคืนนั้นเพียงไม่ถึงสองอาทิตย์คืนนั้นประมาณตีสามเศษเศษก็มีเสียงร้อง เหมือนกับคืนก่อนนั่นแหละในสินก็สะกิดให้วันดีตื่นแล้วก็จุดตะเกียงขึ้นสว่างในสินจะเตรียมเสียมมีดขวานไว้ในห้องครบหมดแล้วพอได้ยินเสียงงูประหลาดนะั้นร้ อ, รองนั่นในสินก็ก้กลมลงดูอ่ะก็ดูกันทั้งผัวทั้งเมยียละในสินก็บอกโอ้ยคุณพระช่วยทีมันตัวตายตัวแทนได้อ ย, อยังไงเพราะว่ามันเป็นงูใหญ่ขนาดเท่าเดิมนะ่ะ มันนอนในที่เดียวกันกับที่ในสินฆ่าในวันก่อนเนี่ยแทบจะไม่น่าเชื่อในสินตอกมันกับเสียมจนตายอีกตัวหนึ่งอ่าในสินเองก็ชักใจคอไม่ค่อยดีเอ๊ะนี่มันอะไรเนี่ยมันเหมือนมีอาถรรพ์อะไรทําไมพอตัวโน่นตายตัวนี้มาแทนแล้วต่อไปจะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้ในสินก็ไม่สบายใจส่วนวันดีน่ะกลัวจนแทบจะร้องไห้อยู่มาวันหนึ่งในสินก็ได้รับตัวเลขจากทางบ้านที่ทุ่งสงว่าแม่ ไม่สบายให้ไปด่วนในสินก็จําเป็นต้องไปแล้วก็ให้วันดีอยู่บ้านกับลูกนะก็บอกว่านี่เธอฉันต้องไปทุระสักคืนแล้วจะรีบกลับมานะเธออยู่ทางนี้กับลูกนะถ้าไม่กล้าอยู่ตามลําพังเดี๋ยวจะไปวานน้องแดงลูกพีเอื้อนมาอยู่เป็นเพื่อนคืนนี้แล้วในสินก็ไปทุ่งสงวันนั้นอนะ่ะพอในสินไปแล้วคุณวันดีก็อยู่กับลูกสาวสองคนพอลูกนอนหลับวันดีก็ทํางานบ้านเช็ดถูปัดกวาด ้นนวลในนี่ทำความสะอาดในบ้านก็เหลือไปเห็นถุงกระดาษเก่าๆขี้ฝุ่นจับเกลกลางแขวนอยู่ที่ข้างฝาบ้านในห้องนหละแกก็เอื้อมมือไปปลดลงมาเพื่อจะปัดฝุ่นพอเอามือไปปลดถุงก็รู้สึกมันหนักๆมันมีอะไรอยู่ข้างในรู้สึกมันดิ้นคลุกคะักรู้สึว่าคงจะเป็นหนูเข้าไปอยู่ก็รีบรวบปากถุงเอาไวก้กะว่าจะตีมันให้ตายเพราะโมโ oh หที่หนูมันชอบกัดเสื้อผ้ากัดของ แต่หันไปเห็นโอ่งน้ําที่หน้าบ้านก็เลยคิดว่าเอาหนูนี่ไปกดโอ่งน้ําให้มันจมให้มันหายใจไม่ออกก็คงตายลืมคิดว่ามันเป็นถุงกระดาษแกก็จับปากถุงแน่นค่อยๆกดให้จมน้ําเสียงมันดิน้นสักครู่พอถุงเปียกน้ําสิ่งที่ดิ้นอยู่ในข้างในนก็ดันถุงออกมาสิ่งที่อยู่ในถุงมันไม่ใช่หูเหมือนอย่างที่แกคิดแต่มันคืองูตัวเบ้อเลยวันดีตกใจล้มนอนหงายพลึงอยู่ข้างโอ่งน้ํานั่นแหละ งูตัวนั้นก็เลือ้อยพุ่งข้ามหัวแกเข้าไปในป่าหญ้าพอหายจากตกตะลึงลุกขึ้นวิ่งกลับเข้าไปในกระท่อมควา้าลูกสาวมาอุ้มแล้ววิ่งไปยังบ้านของพี่เ อ, อื้อนที่อยู่หน้าถนนไม่กล้าที่อยู่ในบ้านตามลําพังแล้วตกเย็นก็ชวนน้องแดงลูกพี่เ อ, อื้อนมานอนเป็นเพื่อนแล้วไม่กล้าทําอะไรก็รอจนฝันในสินจะกลับมาพอในสินกลับมาก็เล่าให้ฟังถึงเรื่องที่เจองูในถุงกระดาษนะในสินก็บอกว่าโอ้ยไม่ไหวละ บ้านนี้มันสงสัยจะเป็นบ้านงูซะแล้วเห็นทีจะต้องย้ายซะแล้วมันมีตัวตายตัวแทนขืนอยู่ต่อไปคงโดนกัดตายเข้าสักวันแน่หลังจากที่เจองูอยู่บ่อยๆก็ทําให้ในายสินแล้วก็คุณวันดีเนี่ยผวาอยู่ตลอดจนไม่มีแก่ใจจะทำมาหากินในายสินก็ตัดสินใจบอกขายที่สวนยางแปลงนั้นให้คนอื่นไปแล้วก็เอาเงินนั้ำไปซื้อที่ที่แถวจังหวัดภูเก็ตหลังจากที่ขายที่นั้นไปแล้วเวลาคุณวันดีนั่งพัน นั่งรถผ่านกระบี่ที่ไรก็อดนึกถึงภาพงูนะไม่ได้มันมากจนแทบไม่น่าเชื่อหรือว่ามันจะเป็นดินแดนของงูคุณวันดีก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยครับพันโรงของโรงเรียนวัดแห่งหนึ่งในเขตจังหวัดนนทบุรีเป็นคนสู้ชีวิต เขาเรียนจบจากโรงเรียนพาณิชที่ไม่มีชื่อเสียงเที่ยวตระเวนสมัครงานในหลายที่หลายแห่งก็ประสบแต่ความผิดหวังเพราะว่าติดรับสมัครคนเรียนจบพาณิชก็จริงแต่ต้องมีรถมอเตอร์ไซค์ส่วนตัวแล้วก็พูดภาษาจีนได้คล่องถึงจะรับเขาทำงานเขาวิ่งหางานทำอยู่นานประมาณหนึ่งปีเสร็จไม่มีผล คนนึกอับอายญาติพี่น้องขึ้นมาเพราะว่าพ่อแม่ยากจนสู้อุตสาห์ส่งเสียลูกจนจบการศึกษาลูกเอาแต่แบมือขอเงินค่ากินกับค่ารถออกไปสมัครงานงานอะไรวะหากันอยู่ได้เป็นปีปีสงสัยจะหลอกเอาเงินไปเที่ยวเตะกินเหล้าเมายามากกว่าญาติพี่น้องเขากล่นว่าให้อย่างงั้นเขาก็เลยกัดฟันไปสมัครเป็นพันโรงในโรงเรียนที่ว่าเนี่ย ทางอาจารย์ใหญ่เห็นว่ามีความรู้ติดตัวก็อ้าแขนรับมีเรือนพักพานโรงให้อยู่อาศัยมีเงินเดือนไม่มากมายอะไรให้ใช้สอยจะอย่างไรเสียก็ดีกว่าคนเตะฟุล่ะเขาก็เลยเป็นพานโรงมาตั้งแต่บัดนั้นเขาชื่อไหนเพิ่มอ่ารูปร่างสูงโปรง่งผิวคล้ำหน้าตาหล่อคมคายแบบผู้ชายเต็มตัวแต่ว่าเขาไม่ใช่คนเจ้าชู้หลังจากทางานในอาชีพพานรงมานานร่วมสิบปี ก็มีเมียร่างเตี้ยเล็กหนึ่งคนซึ่งได้แก่ผู้หญิงที่มาสมัครเป็นพานโรงเช่นเดียวกันความใกล้ชิดนะเป็นเหตุให้เห็นใจกันก็ตกลงอยู่กินกันเป็นผัวเมียไอเรื่องที่จะหาความก้าวหน้าในอาชีพอื่นนะมันเหมือนวิมานในอากาศในเพิ่มนี่ก็เลิกเพ้อฝันมานานแล้วสิ่งที่สองผัวเมียร่วมกันทําเป็นกิจวัตรก็คือตื่นเช้าตรู่ก่อนไปทํางานก็หุงหาข้าวปลา แล้วก็แบ่งไปตักบาตรทาบุญสร้างกุศลซะก่อนก็ตักบาตรกับพระภิกษุสง์สามเณรในวัดที่มีโรงเรียนวัดตั้งอยู่นั่นเองถือว่าพระท่านมีหน้าที่อบรมสั่งสอนคุณธรรมกรรมดีให้แก่พุทธศาสนิกชนท่านไม่มีการ์การอะไรที่จะเป็นรายได้เราเหล่าสาธุชนเป็นคนดีมีศีลธรรมเพราะว่าท่านคอยชี้แนะอะไรดีๆให้ก็ย่อมสมควรตอบแทนท่านด้วยการถวายพระตาหาร ดังคําที่ว่าสาธุชนจำเริญได้กว่าเพราะวัดคนวัดอยู่ได้ก็เพราะสาธุชนนะการทําบุญสุนทานของนายเพิ่มก็ทําแต่พอตัวตักบาตรทุกเช้าสองรูปไม่เบียดเบียนตนเองให้เดือดร้อนเพราะว่ารวบรวมไรายได้ของผัวกับเมียก็แค่พออยู่พอกินกันตายไปเท่านั้นเองตอนนายเพื่ ม, มาอายุสามสิบเศษมีครูใหม่ๆเข้ามาสอนหนังสือเด็กนักเรียนหลายคนแต่ละคนเป็นสาวสวยรูปร่างดี ผู้ชายทั้งหนุ่มทั้งแก่มาติดพันธเนี่ยเป็นจํานวนมากทีเดียวที่สาวสวยกว่าใครเพื่อนก็คือครูเอมออนหรือว่าครูเอมเนี่ยเป็นสาววัยต้นๆยี่สิบนะยังโสดมีผู้ชายติดพันธุ์มากสําหรับนายเพิ่มเนี่ได้แต่แอบดูความสวยเหมือนสุนัขเห็นเครื่องบินคือได้แต่ชื่นชมในความงามเนื่องจากเขามีครอบครัวแล้วแล้วก็ฐานะก็ต่ําต้อยติดดินออกอย่างนั้น ส่วนครูสาวก็สะดุดใจในความหลอ่อคมเข้มของนายเพิ่มถ้าจะว่าไปแล้วหน้าตาเขาก็ดีเหมือนกับพระเอกหนังไทยคนหนึ่งในยุคนั้นกิริยามารยาทก็อ่อนน้อมสุภาพเรียบร้อยครูเอมก็ชอบแวะไปสนทนากับพานโรงสองผัวเมียที่ไปก็ไปอย่างสุดจริตใจเพราะว่าไอ้ที่เป็นความชอบกัส่วนความชอบแต่เรื่องที่จะมาตกล่องปล่องชิ้นกันครูเอมก็รู้ว่าเป็นไปไม่ได้ ขืนทําลงไปมันผิดทั้งศีลธรรมแล้วก็ผิดกฎของความเป็นครูพูดง่ายๆว่าแวะมาคุยเพื่อจะแนะนําอะไรดีๆให้ตามประษาคนถูกใจกันรู้ว่านายเพิ่มเป็นพานรงระดับเคยเรียนจบพาณิชย์ก็อยากให้ในายเพิ่มขยับขยายไปเป็นอะไรที่ดีกว่าอาชีพพานรงข้อแนะนําก็คือให้ในายเพิ่มกับเมียตั้งใจศึกษาหาความรู้ทางพิมพ์ดีกับภาษาอังกฤษ ความรู้ทางพิมพ์ดีดนะเรียนมาจากโรงเรียนพาณิชย์แล้วฟื้นฟูอีกไม่นานก็คล่องเหมือนเดิมส่วนภาษาอังกฤษนะยังไม่แข็งแรงก็ทําให้แข็งแรงเสียภาษาอังกฤษ จ, จะว่ายากก็ยากอ ย, กอ ย, กอยู่แต่ถ้าจะว่าง่ายก็ง่ายเหมือนกันคําศัพท์ที่ต้องท่องให้จําได้แม่นๆมีไม่กี่พันตัวที่เหลือก็เป็นศัพท์ที่ขยายขึ้นมาจากรากศัพท์ถ้าเก่งพิมพ์ดีดและภาษาอังกฤษแล้วในปีนั้นมีบริษัทฝรั่งเริ่มเข้ามาขยายกิจการในเมืองไทย ยามว่างก็ให้ลองไปสมัครสอบดูเผื่อๆสอบเข้าทำงานได้ชีวิตก็จะได้เปลี่ยนแปลงชนิดหน้ามือเป็นหลังมือทีเดียวผัวเมียพันโรงก็เห็นจริงด้วยครูเอ็มก็จัดหาตำราเรียนมาให้ว่างเมื่อไหร่ก็แวะมาชี้แนะไขข้อข้องใจให้กระจ่างไม่มีฝ่ายไหนใครเลยที่จะล่วงเกินกันทั้งกายวาจาแต่ใจอาจจะแอบชอบกันอยู่นิดนหน่อยๆก็เป็นเรื่องที่เก็บซ่อนไว้ไม่ได้แสดงออก ในเพิ่มมีพื้นความรู้ใช้ได้ไม่นานนักก็พิมพ์ดีดได้คล่องเครื่องพิมพ์ดีดที่มีอยู่ในโรงเรียนวัดนั่นแหละตกเย็นโรงเรียนเลิกก็ลองซ้อมพิมพ์สักสิบยี่สิบนาทีส่วนภาษาอังกฤษเมื่อรู้ว่ามีทางทำมาหากินดีๆในเพิ่มก็มีแรงใจที่จะร่ําเรียนให้เห็นผลในวันในพรุ่งเมียเขาในเพิ่มก็เช่นเดียวกัน ระหว่างนั้นครูเอมก็มักจะเอาเรื่องที่นายเพิ่มเริ่มเก่งภาษาอังกฤษและพิมพ์ดีดไปคุยให้ใครต่อใครฟังอยู่เรื่อยคนฟังดีก็ดีไปบางคนฟังแล้วผิดหูพรรู้สึกว่าครูเอมคนสวยจะชื่นชมนายเพิ่มออกหน้าออกตาพวกที่ผิดหูก็ได้แก่ผู้ชายที่มาติดพันครูเอ็มแต่ครูเอมถือว่าตนบริสุทธิ์ใจใครจะว่ายังไงก็ช่างปะเลขนาดเมียนายเพิ่มเขายัางเฉยเฉยคนอื่นจะเดือดร้อนใจไปทําไม ครบค่ำวันหนึ่งเมียในเพิ่มอยู่ในที่พักพัานโรงหุงข้าวตุ้มแกงในเพิ่มอาศัยช่วงนั้นออกมาปัดขวาดใต้ถุนโรงเรียนรุ่งเช้าจะได้ไม่ต้องรีบตื่นมาจัด ก, การตรงนี้ปีนั้นทางโรงเรียนวัดยังมีไฟฟ้าใช้ไม่ทั่วถึงมีแต่ในห้องเรียนกับห้องพักครูการปัดขวาดก็อาศัยแสงสว่างจากหลอดนิออนบนยอดเสาไฟฟ้าริมถนนหน้าโรงเรียนช่วยให้ความสว่าง ในเพิ่มก็ปัดขวาดอย่างข ม, ม, ามักขมแนถือว่างานแบบนี้เหมือนก็ออกกำลังกายทุกส่วนไปในตัวคล้ายกับพระที่ท่านขวารานวัดสุขภาพท่านถึงแข็งแรงไม่ค่อยมีโรคขาพลาธิที่เบียดเบียนรูปร่างสมส่วนคงเดิมไม่อ้วนพุงพลุยในเพิ่มก็เลยไม่คิดว่าผ่านวงเนี่ยเป็นงานที่ต่ำต้อยกำลังขวาดไปถึงเชิงบันไดาทางขึ้นห้องเรียนชั้นสอง ในเพิ่มก็รู้สึกชงนใจเมื่อพบชายชราคนหนึ่งก้าวลงบันไดามามืดค่ำอย่างนี้ครูบาจานาร์ก็กลับบ้านไปหมดแล้วห้องหับปิดใส่กุญแจผู้ปิดก็คือเขานั่นแหละแล้วชายชราคนนี้ไปแฝงตัวอยู่ที่ไหนที่ชั้นบนของอาคารเรียนชายชราสูงสันทัดเหมือนกับชายไทยทั่วไปผิวเนื้อดำแดงโครงหน้าออกไปทางสี่ 4, เหลี่ยมหัวเถกเป็นทรงงามทอเส้นผมงอกขาวหมดแล้วไม่มีการย้อม แต่งตัวสุภาพนุ่งกางเกงขา ย, ยาวสวมเสื้อเชิดแขนยาวยับในกางเกงดูเผินๆเหมือนกับเครื่องแต่งกายของครูผู้ชายชายชราคนนั้นก็ยิ้มน้อยๆพยักหน้าให้ในเพิ่มเป็นทีทักทายในเพิ่มเห็นว่าอายุรุ่นราวคราวพ่อก็ยกมือไหว้ถามอย่างนอบน้อมว่าเ อ, อลุงเป็นใครมาจากไหนครับขึ้นไปทําอะไรบนชั้นสองของตึกเรียนนะครับที่ถามอย่างสุภาพเพราะลักษณะของชายชราองค์อาจ สง่าสุขุมเยือกเย็นต้องไม่ใช่พวกทุกจริตมิจฉาชีพเด็ดขาดแต่จะเป็นใครตรงนี้ในเพิ่มยังไม่รู้ชายชราไม่ได้ตอบคำถามอย่างที่ถูกตั้งคำถามโดยเอ่ยขึ้นโดยคำพูดแปลกๆเธอทำงานขยันซื่อตรงสุจริตต่อหน้าที่ตื่นเช้าตักบาตร ท, ทาบุญทุกวันทําบุญแล้วกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิสหายศัตรูหมู่มิตร เทวดาทั้งปวงเจ้าที่เจ้าทางเธอก็อุทิศให้สิบ ป, ปีมานี้ฉันสังเกตดูเธออยู่เสมอขอชมเชยว่าเธอเป็นคนดีติหาได้ยากในสมัยปัจจุบันออขอรับในเพิ่มขานรับผมไม่รู้ว่าจะพูดโตตอบอะไรกับคำชมเชยแปลกใจด้วยว่าชายชารารู้ได้ยังไงเรื่องที่เข้าอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ใครต่อใครกันบ้าง การอุทิตนั้นเขากล่าวในใจไม่ได้เปล่งเสียงออกมาดังๆแม้แต่เมียอยู่ด้วยกันแท้ๆยังไม่รู้เลยชายชราเขาก็กล่าวต่อไปตอนที่ยืนอยู่บนบันไดขั้นสุดท้ายไม่ได้ก้าวลงมาที่พื้นปูนฉันมาเพื่อจะมาเตือนอะไรเธอสักหน่อยฟังให้ดีแล้วจำไว้ให้แม่นๆนะพรุ่งนี้ตอนช่วงเช้าจะมีคนมาร้องเรียกเธอเมื่อเธอเดินไปหาเขาเขาจะยื่นกล่องสี่เหลี่ยมขนาดกล่องใส่รองเท้าให้หนึ่งใบ บอกว่าฝากไปให้ครูคนหนึ่งอย่ารับกล่องนั้นเป็นนั่นขาดหรือถ้าขาดไม่ได้จำเป็นจะต้องรับให้เอากล่องใบนั้นไปใส่ไว้ในถังขยะโดยเร็วถังขยะที่ทำจากถังน้ำมัน200นนร้อลิตรน่แหละเป็นเหล็กหนานี่จะป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นจากกล่องใบนั้นได้พูดขาดคำชาชร า, าผมงอกขาวก็หันกลับก้าวขึ้นบันไดไปชั้นบนของอาคารเรียนอย่างช้าๆในเพิ่มฟังคาพูดแปลกๆจนยืนงงอยู่ประเดี๋ยวหนึ่ง ขันเห็นชายชารา ย, ย้อนกลับขึ้นไปที่ชั้นบนเขาเองในฐานะผ่านโรงมีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยของโรงเรียนวัดแห่งนี้นอกจากปัดขวาดทําความสะอาดแล้วหน้าที่นอกจากนั้นก็คล้ายกับพนักงานรักษาความปลอดภยัยจะให้บุคคลภายนอกล่วงล้ําขึ้นไปบนตึกเรียนไม่ได้เป็นอันขาดในเพิ่มก็รีบก้าวขึ้นบันไดาตามชายชาราไปตั้งใจว่าจะไปห้ามปรามแต่โดยดีอ้างกฎระเบียบของทางโรงเรียนให้ฟัง เชื่อว่าชายชราคงจะเข้าใจในภาระหน้าที่ของเขาแล้วก็ยินยอมออกไปจากตึกเรียนในท้ายที่สุดเขาก้าวขึ้นบันไดที่หลังชายชราก็จริงแต่ว่าความฉับไวมันเหนือกว่าคนแก่คนเฒ่ามากมายนักแต่ว่าเรื่องประหลาดก็เกิดขึ้นในเพิ่มพบว่าระเบียงทางเดินหน้าห้องเรียนที่ทอดยาวไปตามตัวตึกนอกจากเขาเองที่เพิ่งโผล่ขึ้นมาที่เหลือก็คือความว่างเปล่าไม่มีใครอยู่บนชั้นสองสักคนเดียว ประตูห้องเรียนทุกบานยังปิดสนิทเรียบร้อยในเพิ่มขนลุกเกลียวในทันทีแต่ไม่ถึงก็ตกใจกลัวเพราะว่าสถานที่แห่งนี้คือโรงเรียนตัวอาคารเรียนอยู่ห่างจากถนนใหญ่ไม่มากรถราธีสัญจรอยู่บนท้องถนนช่วงหัวค่ำยังวิ่งกันขวักไกวแสงจากหลอด น, นีออนบนยอดเฟฟสาไฟฟ้าก็สว่างแจ่มจ้าผู้คนก็เดินกันออกคึกคักที่พุทบาทแถวแถวหน้าโรงเรียน ข้อสำคัญที่โรงเรียนไม่เคยมีประวัติว่าผีดุหรือว่าผีสางนางไม้หลอกหลอนใครในเพิ่มอยากจะเข้าใจว่าตนเองเกิดวิปริตสร้างภาพสร้างเรื่องหลอนตัวเองแต่ก็คิดแบบนั้นไม่ได้การพูดคุยกับชายชราใช่ว่าแค่อึดใจเดียวเสื่อมอะไรเขายังจำติดตาว่าชายแก่แต่งกายแบบไหนรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรคาพูดของชายแก่ก็ยังก้องอยู่ในหูเป็นอันว่าในเพิ่มหาคาตอบไม่ได้ กับเรื่องแปลกๆของหัวค่ําวันนี้ก็เลยลงจากชั้นสองของอาคารเรียนทําหน้าที่ปัดกวาดต่อไปจนแล้วเสร็จจากนั้นก็กลับที่พักพันโรงกินข้าวมื้อค่ำที่เมียจัดเตรียมไว้รอท่าเช้าตรู่วันต่อมาในเพิ่มอาบน้ําแต่งตัวออกไปทํางานตามหน้าที่เหมือนเคยคือตักบาต ท, ทําบุญกรวดน้ำํำขั้นกินข้าวปลาอาหารแล้วก็รีบออกจากที่พักไปไขกุญแจเปิดห้องเรียน ไขกุญแจใหญ่เปิดประตูทางเข้าออกที่หน้าโรงเรียนตอนนั้นเวลาเพิ่งจะหกโมงเศษเด็กนักเรียนทยอยเดินผ่านประตูหน้าเข้ามาจํานวนนิดเดียวเพราะว่ายัางเช้าอยู่มากอีกประเดี๋ยวหนึ่งก็มีชายชะกันสวมแว่นตาดําเดินผ่านประตูใหญ่ตรงมายังที่ที่นเพิ่มตัดเลมพุ่มไม้ข้างรั้วด้านในชายชะกัรคนนั้นอยู่ในชุดรัดกุมสีท่มๆ ม, มีกล่องสี่เหลี่ยมหุ้มโดยกระดาษสีน้ําตาลติดมือมาได้กล่องนึง เห็นขค่ตอนนั้นเขาก็ย้อนระลึกถึงคําพูดที่ได้ยินจากชายชราเมื่อตอนหัวค่ําวันก่อนนั้นเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแล้วจริงๆเออเขารู้สึกใจเต้นระทึกไปหมดสมัยนั้นไอ้เรื่องเอาระเบิดเวลาใส่กล่องยังไม่เคยมีในเมืองไทยแต่คําพูดของชายชราบอกว่ากล่องสี่เหลี่ยมนั้นมันมีอันตรายมากเรื่องที่กําลังจะอุบัติขึ้นนี้เป็นความบังเอิญหรือเปล่าก็ไม่รู้ได้เพราะว่าชายชะกันเดินปรีเข้ามาหาในเพิ่มเขาให้แล้ว เขาอ้างว่าเป็นเพื่อนรักกับครูคนหนึ่งพระอิญต้องเดินทางไปต่างจังหวัดโดยด่วนก็เลยอยากจะฝากกล่องของขวัญให้ครูคนนั้นบอกกล่าวเสร็จสับก็ไม่รอชา้ายัดเยียดกล่องใส่มือในเพิ่มแล้วก็รีบเดินพลาออกไปจากเขตโรงเรียนโดยเร็วข้างในเพิ่มก็เหลียวมองตามก็ไม่เห็นแม้แต่งเงาของชายชะการคนนั้นลําดับต่อมาเขาก็รีบเดินตรงไปยังถังขยะของโรงเรียนที่ทําจากถังน้ํามันสองรอยลิตรในเพิ่มเชื่อคําพูดของชายชาราสนิทแล้วในตอนนี้ เขาก็ย่อนกล่องสี่เหลี่ยมนั้นลงไปในถังขยะอย่างระมัดระวังอ่ารู้แต่ว่ามันมีอันตรายแต่อันตรายยังไงเขายัางไม่รู้พวกเด็กนักเรียนเริ่มทยอยเดินทางเข้ามาในโรงเรียนหนาตาขึ้นในเพื่มนบ่คอยกันเด็กๆออกจากห่างจากถังขยะร่วมสิบเมตรถ้ามีอันตรายอะไรขึ้นมาจริงๆเด็กนักเรียนจะได้ปลอดภยัยเขาก็ยืนดีๆรอๆ อ, อยู่แถวแถวถังขยะประมาณห้านาทีหรือน้อยกว่า น, นั้นซะด้วยซ้ําเสียงบึม เสียงระเบิดดังบึ้มขึ้นในถังเหล็กอนุภาพการทำลายล้างไม่รุนแรงขนาดฉีกถังเหล็กออกเป็นชิ้นชิ้นแต่ว่าแรงระเบิดก็ทำให้ถังขยะที่หนักอึ้งใบนั้นลอยพ้นปืนพื้นปูนซีเมนต์ตั้งสองเมตรเศษก่อนที่จะหล่นโครมครามกระทบพื้นดังสนัน่นเด็กนักเรียนกำลังวิ่งเล่นสนุกต่างหยุดชะงักเงียบกริบเพราะว่าเสียงกำบนาดนั้น ส่วนในเพิ่มยืนตัวแข็งปากอ้าตาค้างเหมือนถูกผีหลอกจังนะ้านี่ถ้าเขาถือกล่องติดมือขึ้นไปเปิดห้องพักครูร่างกายของเขาก็ไม่ใช่เหล็กอย่างถังขยะนี่มีหวังหน้าท้องฉีกขาดตับไยไส้พุงไหลทะลักออกมากองเต็มห้องเป็นแน่ชายส ก, การลึกลับคนนั้นเจตนาจะฆ่าเขาแต่ว่ากโกรธแค้นเรื่องอะไรในเพิ่มดาวไม่ถูก เช้าตรู่เข็มนาฬิกาบอกเวลาหกโมงครึ่งครูคนแรกที่ก้าวผ่านประตูใหญ่หน้าโรงเรียนได้รับรู้ถึงความหน้าอกสันฝันหายจากในเพิ่มแล้วก็เด็กๆที่อยู่ในเหตุการณ์ตอนสายของวันเดียวกันนั้นหลังจากเคารพธงชาติเด็กๆเข้าห้องเรียนหมดแล้วอาจารย์ใหญ่กับครูที่ยังไม่ถึงชั่วโมงเข้าสอนเด็กประชุมพร้อมกันกับในเพิ่มที่ห้องพักครูในเพิ่มเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นตอนเช้าตรู่แล้วก็เรื่องที่เจอตอนหัวค่ำวันก่อนให้ทุกคนได้ฟังอย่างละเอียด จะเว้นเรื่องที่เจอชายชราประหลาดไปไม่ได้เพราะว่าในเพิ่มรู้ว่ากรองสี่เหลี่ยมมีอันตรายก็ได้ยินมาจากคําบอกเล่าของชายชรานี่เองอาจารย์ใหญ่ซักถามถึงรูปร่างหน้าตาของชายชราจนละเอียดยิบถามหมดไม่ว่าเครื่องแต่งกายเป็นแบบไหนเสื้อผ้าสีอะไรในเพิ่มก็จำต้องเล่าให้ฟังเท่าที่เขาจําได้พอเล่าจบอาจารย์ใหญ่ถึงก็ร้องอุทานโอ้ไม่น่าเชื่อเลย ครูทานแล้วก็กลัวในเพิ่มจะเข้าใจผิดก็รีบอธิบายให้ทุกคนในห้องพักครูฟังว่าเออเมื่อหลายสิบปีก่อนโน่นนะก่อนที่โรงเรียนเราเนี่จะสร้างขึ้นนะนะเจ้าของที่ดินบริเวณที่อยู่ตรงหน้ากำแพงวัดนี่เขามีความเลื่อมใสในพระศาสนามากอุทิศที่ดินให้ทางวัดปลูกสร้างเป็นโรงเรียนโดยเจ้าของที่ดินช่วยออกทุนทรัพย์ร่วมครึ่งหนึ่งของมูลค่าการก่อสร้าง เจ้าของที่ดินะเป็นครูบาอาจารย์เมื่อโรงเรียนวัดสร้างแล้วเสร็จแล้วแกก็ย้ายตัวเองมาจากโรงเรียนเดิมมาเป็นอาจารย์ใหญ่คนแรกของที่นี่รูปร่างหน้าตาอย่างเดียวกับที่นเพิ่มเล่าให้ฟังนี่แหละแสดงว่าอาจารย์ใหญ่คนแรกตายแล้ววิญญาณยังสถิตอยู่ที่โรงเรียนประมาณว่าเป็นเจ้าที่เจ้าทางคอยดูแลความปลอดภัยให้ทุกชีวิตที่มาอาศัยอยู่ในโรงเรียนนี้นเพิ่มเป็นคนดีมีคุณธรรม ควรจะช่วยเหลือให้ผลภัยท่านถึงได้มาแสดงร่างให้เห็นพูดจาบอกกล่าวให้ระวังตัวไม่ใช่เป็นผีสางมาหลอกหลอนใครทั้งสิน้นรูปถ่ายของอาจารย์ใหญ่คนแรกยังมีอยู่ที่กุฏิท่านสมภารเจ้าวาดเย็นนี้ลองไปกราบน้ำมการท่านแล้วก็ขออนุญาต ด, ดูภาพถ่ายสิทุกชีวิตที่ได้ฟังอาจารย์ใหญ่คนปัจจุบันบอกเล่าต่างก็ขนลุกเรียวไปตามๆกันคันตกตอนเย็นวันนั้นคณะครูกับพนันโรงก็ร่วมกันไปกราบท่านจเจ้าวาด ขออนุญาตดูภาพถ่ายอาจารย์ใหญ่คนแรกเมื่อท่านสมพารอนุโลมนําคณะครูอาจารย์กับพานรงไปชมภาพนั้นซึ่งใส่กรอบติดไว้ที่ผาฝาผนังบนกุฏิในเพิ่มมองปราดเดียวก็จําได้ว่าคนในรูปถ่ายก็คือคนเดียวกับชายชราคณะครูอาจารย์กับท่านสมพันธ์เมื่อทราบจากปากในเพิ่มว่าอาจารย์ใหญ่ที่มาแสดงร่างนั่นก็คือคนในภาพ ใครที่ยังไม่ตื่นเต้นก็เริ่มตื่นเต้นไอ้ที่ตื่นเต้นแต่แรกก็ตื่นเต้นเป็นซ้ำสองทีเดียวเรื่องนี้อาจารย์ใหญ่นําความไปแจ้งให้สารวัตรสืบสวนที่โรงพักรับทราบสาสรวัตรให้สายสืบออกปฏิบัติงานพักเดียวก็สามารถจับกุมชายชะกันคนก่อเหตุได้หลังจากที่ตํารวจรีดเค้นเอาความจริงแบบตํารวจสอบปากคําผู้ร้ายไม่ช้าไม่นานผู้ร้ายก็สารภาพหมดเปลือกที่แท้ผู้ร้ายมีคนจ้างวาน คนจ้างวานก็คือผู้ชายที่ติดพันครูเอม็มหมอนั่นเข้าใจว่าครูเอ็มมีอะไรอะไรกันในเพิ่มก็เลยอาฆาตพยายามบต้องการจะเข็นฆ่าศัตรูหัวใจซะโชคดีที่ในเพิ่มได้อาจารย์ใหญ่ที่เสียชีวิตมานานแล้วมาเตือนถึงได้เอาตัวรอดจากความตายได้อย่างเิวเฉียดเมื่อรู้ความจริงจากผู้ร้ายคนจ้างวานก็เลยถูกตะครุบตัวในเวลาต่อมาขึ้นศาลศาลก็พิพากษาให้เข้าคุกติดตารางนานหลายปี ในเพิ่มคนดีมีคุณธรรมรอดตายคราวนั้นเขาขยันมันเพียรศึกษาวิชาภาษาอังกฤษถึงขั้นพอพูดได้เขียนได้คล่องไปสมัครงานในบริษัทฝรัง่งปรากฏว่าสอบเข้าได้ลำดับต้นๆก็เลยลาออกจากอาชีพพันโรงเพื่อทำงานบริษัทกินเงินเดือนเป็นหมื่นพลวิบากกขับไปเสียได้ตั้งแต่คราวนั้นนะครับ ในพ่วงกับในพันเป็นพี่น้องกันมีถิ่นฐานอยู่ที่ตำบลบางไผ่จังหวัดนนทบุรีครับทั้งสองคนนี้ประกอบอาชีพทอดแหหาปลาก็เอามาขายพอเลี้ยงชีวิตไปไม่เดือดร้อนในพ่วงซึ่งเป็นพี่เนี่ยนิสัยหนักไปทางนักเลงนักบูสนใจฝักใฝ่เรื่องอยู่โยงคงกระพันยิงไม่ออก ฟันไม่เข้าตั้งแต่แตกเนื้อหนุ่มเต็มตัวก็ลุยมาเยอเกินเรื่องตีรันฟันแทงเกิดมีคราวไหนในพ่วงไม่เคยหนีใครเคยถูกฟันถูกแทงมาหลายหนแต่ว่าไม่เคยเสียเลือดเพราะหนังเหนียวจริงๆส่วนในพันน้องชายนี่เป็นคนรักสงบไม่เคยมีเรื่องมีรากับใครถ้าเกิดเรื่องปีกันเมื่อไรในพันจะรีบหนีไปไกลลิบยะ เรียกว่าไม่ยอมสู้คนไม่ยอมสู้ใครใครจะว่าขี้ขลาดตาขาวยังไงก็เฉยซะเพราะว่าเห็นว่าไอ้การทะเลาะวิวาทเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์อะไรรังแต่จะหาภัยมาใส่ตัวโดยใช่เหตุทีน่นี่ตั้งสองพี่น้องนี่ก็ช่วยกันทามาหากินด้วยการหาปลามานานตอนนั้นได้ข่าวจากชาวเรือว่าทางแม่น้ํานครชัยศรีเนี่ยปลาชุมสองพี่น้องก็เลยชวนกันล่องเรือไปหาปลาที่นั่น แกวเรือจากเมืองนอนทไปตั้งแต่ย่ำค่ำไปแล้วก็ออกแม่น้ํานครชัยศรีก็สว่างพอดีจากนั้นก็ลอยเรือทอดแแหาปลามาเรื่อยๆโดยในพ่วงพี่ชายเป็นคนทอดแแหในพันเป็นคนแกวไทยพอล่วงเข้ายามสายก็ได้ปลามาพอสมควรแล้วสองพี่น้องก็เอหัวเรือเข้าเทียบตลิ่งข้า ง, างๆแพรไม้ไผ่ เลยจากตลิ่งขึ้นไปก็เป็นโรงหีบอ้อยซึ่งมีคนจีนเป็นเจ้าของในพ่วง ก, ก็เอาหลักปักลงไปแล้วก็ผูกเรือติดกับหลักก็ถอดแ้วออกมาวางไว้บนแพรส่วนในพันผู้น้องก็เตรียมติดไฟหุงข้าวทางท้ายเรือตอนนั้นที่หน้าโรงหีบอ้อยนะมีคนงานเกือบยี่สิบคนกำลังตั้งวงกินเหล้ากันส่งเสียงเ อ, อะเอะเฮาเพราะกาลังเมาได้ที่กันทุกคน ก็มีคนงานที่เป็นลูกจีนคนหนึ่งเดินโซเซลงมาที่แพ้คงจะมาปล่อยทุกะ่ะพรามันเห็นมีเรือจอดอยู่ตรงนั้นมันก็ทำท่าทางไม่พอใจเพราะว่าจะทำให้มันถอยอปล่อยทุกไม่สะดวกท่าไหนไม่รู้มันคว้าไอ้แก้วเนี่ยที่วางเอาไว้เนี่ยถือติดมือขึ้นไปด้วยจาพ่วงมันก็เห็นนะตอนนั้นแต่ว่ามันกำลังกินข้าวอยู่พยายามสงบสงบ สะกดอกสะกดใจไว้พอกินข้าวเสร็จเรียบร้อยอ่ะทีนี้จะออกเรือจะพ่วง ก, ก็ตะโกนบอกว่าใครที่เอาแจวขึ้นไปตะกี้เนี่ยให้เอาลงมาคืนเสียฝ่ายพวกขี้เมาพวกนั้นก็ตะโกนทา้าทายต่างๆนานาอรองท้ากันใบท้ากันมาอยู่พักหนึ่งจะพ่วง ก, ก็เหลืออดก็ถอดหลักแจวตัวเองที่ในเรือเนี่ยคว้าถือติดมือขึ้นไปวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าใส่พวกที่กําลังนั่งกินเหล้ากันอยู่นี่ ทีนี้ก็โกราหุนโอลมานกันแล้วครับงานรวงหีบอ้อยทั้งจีนทั้งไทยก็กรูนเข้ามารุมสามัคคีตีในพ่วงคนเดียวตอนนั้นก็ปากหลักสู้สุดฤทธิ์เหมือนกันคนงานเหล่านั้นก็มีทั้งมีดทั้งไม้รุมกระหน่ำในพ่วงทักเดียวในพ่วงก็สลบสิ้นสติแน่นิ่งอยู่ตรงนั้นเน่ยส่วนในพัน พอเห็นพี่ชายหมอบพบอยู่กลางวงล้อมแทนที่จะเข้าไปช่วยกลับถอยเรือหนีออกไปจากกองนั้นหนีพลางตะโกนพลางให้คนช่วยเสียงขลุมไปหมดแต่ว่าไม่มีชาว บ, บ้านคนไหนกล้าออกมาช่วยฮะจนเรือลอยไปพ้นคุ้งน้ําฝ่ายโรงงาน่าคนงานโรงหีบอ้อยคนนึกว่าในพ่วงตายแล้วก็ลากร่างไร้สติไปทิ้งไว้ในป่าหลังโรงหีบอ้อยแล้วก็พากันแยกย้ายหนีไปหมดเวลาผ่านไปจนใกล้สว่างคืนนั้น ปรากฏว่าในพ่วงฟื้นจากสลบเจ็บป ว, วดรัดวราวไปทั้งตัวเพราะถูกรุมตีรุมฟันจนนับครั้งไม่ถ้วนแม้ว่าหนังจะเหนียวเพราะอยู่ยงคงกระพันแต่ว่าอวัยวะภายในก็บอบช้ำสาหัสในพ่วงก็ได้แต่กัดฟันเดินลัดเลาะเรียบไปตามชายตลิง่งเวลานั้นฟ้าสว่างแล้วก็สอบถามชาวบ้านมาเรื่อยว่าพบเห็นน้องชายบ้างหรือเปล่า ชาวบ้านก็บอกให้ทราบว่าในพันน้องชายไปผูกเรือพักอยู่ที่แพแห่งหนึ่งในพ่วง ก, ก็ตามไปพบน้องชายในพันน้องชายในดีใจเป็นที่สุดให้พี่ชายขึ้นมานอนตรงหัวเรือแล้วตัวเองก็ใช้พายซึ่งเหลืออยู่เล่มเดียวภายเรือมุ่งหน้ากลับนนทบุรีในพ่วงนอนร้องค ร, ครวญครางด้วยความเจ็บปวดมาตลอดทางพรางก็กล่าวคาอาฆาตเกียดแค้น บอกว่าขอให้กูหายก่อนเถอะกูจะกลับมาเอาชีวิตพวกมึงให้ตายทุกคนว่าอย่างนั้นแต่ว่าในพวกไม่มีโอกาสกลับมาแก้แค้นตามที่ลั่นวาจาไว้เพราะว่าล่องเรือมาได้ไม่นานพวกก็อาเจียนออกมาเป็นเลือดแล้วก็สิ้นใจต า, ตายอยู่ในเรือนั่นเองพอดีเรือมาถึงวัดตะบุญวัดตะบุญนี่อยู่ในคลองขุดวัดชย apr ึกในพันก็เลยจอเรือที่หน้าวัดเดินร้องไห้ไปหาจเจ้าอาวาส ขอฝังศพพี่ชายเอาไว้ก่อนภายหลังจึงจะพา ญ, ญาติพี่น้องมาขุดศพขึ้นมาเผาตามประเพณีเจ้าอาวาสรับฟังเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดก็อนุญาตให้ฝังศพได้ในพันก็จ้างสับปะเรอหามศพขึ้นไปฝังไว้ที่โขนต้นมยมใหญ่ข้างป่าช้า ว, วัตตบุญจากนั้นก็ล่องเรือกลับบ้านวัตตบุญนี่อยู่ทางฝั่งใต้ ข, ของคลองส่วนวัดชัยพฤกษ์อยู่ทางฝั่งเหนือตรงกันข้าม ด้านหน้าวัดชัยพฤกษ์ก็มีร้านขายเหล้าขายมีอยู่ร้านหนึ่งคนฝั่งวัดตาบุญถ้าจะกินเหล้ากินมีก็ต้องข้ามสะพานไปนับตั้งแต่ศพของพ่วงถูกฝังไว้ที่วัดตาบุญชาวบ้านซึ่งอยู่เป็นปกติสุขมานานต่างก็พากันอกสันขวัญผวาโดยทั่วหน้าเพราะว่าในยามค่ําคืนอันสงัดเงียบผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้วัดก็มักจะได้ยินเสียงครวญครางดังหหยหวนมาจากเขตป่าช้าแทบไม่เว้นคืน เสียงนันเย็นเยือกเป็นเสียงของคนที่กำลังเจ็บปวดทรมานอย่างแสนสาหัสกำลังร้องร่ำด้วยความเครียดแค้นอาฆาตบางคราวที่มีคนเดินเฉียดเขตปราช้าตอนพรบค่านี่ก็จะเห็นต้นมะยมใหญ่ซึ่งศพของพ่วงวังอยู่ใกล้ๆเนี่ยเหมือนกับถูกขยม่มจนโยกไวหวดังสนั่นเล่นเอาคนเดินผ่านวิ่งหนีกันเตลิดเปิดเปิง จนเป็นที่เล่าลือกันว่าผีในพ่วงในดูนะและนับตั้งแต่ผีในพ่วงแสดงเสียงหลอกหลอนและขยมกิ่งมายมยมก็ทำให้สมาชิกประจําร้านมีร้านเล่าที่อยู่ฝั่งวัดตะบุญนิหายหน้าไปก็บหมดเนื่องจากเวลาจะเดินข้ามสะพานมาหน้าวัดชัยพฤกษ์นี่จะต้องเดินผ่านต้นมายมต้นท่วาเนี่ยใครต่อใครก็ไม่ยอมเสี่ยงจับไข้หัวโขนเพราะโดนผีหลอก ที่ร้านขายมีขายเหล้าแห่งนี้มีคอเหล้าขาประจำอยู่สองคนชื่อในสีกับในมาทั้งสองคนนี่จะมาร่าสุราที่ร้านแทบทุกเย็นไม่เคยขาดพอดื่มเข้าไปกลุ่มได้ที่ดีแล้วก็จะแยกย้ายเดินเซเซ่เกลับบ้านกันคืนหนึ่งในสีกับในมาก็มาดื่มเหล้าเข้าไปจนมากมาย นายมาก็เกิดท่าพานันกับนายสีว่าถ้านายสีเนี่ยไปหักกิ่งมายมที่หลุมศพนพ่วงมาได้เนี่ยจะเลี้ยงเหล้าขวดหนึ่งให้มีอีกกระทะหนึ่งอ่ะตามปกตินายสีเป็นคนกลัวผีขนาดนักแต่วันนั้นดื่มก็ไปไม่ใช่น้อยเลยเกิดใจกล้าท่าไหนไม่รู้พึกเขิมพอเพื่อนท้าพานันเหมือนกับศพประมาทอย่างนั้นนายสีก็รับคำท่าเดินข้ามสะพานไปยังต้นมายมซึ่งมีศพนพ่วงฝังอยู่ พอถึงต้นมา ย, ยมในสีก็แทบหายเมาด้วยความกลัวผีแต่ทิฐิมานะอยากจะเอาชนะเพื่อนก็ต้องทำใจกล้ากัดฟันสุดตัวลงนั่งยองๆ ย, ยกมือไหว้ที่หลุมศพ บ, บอกกล่าวไว้ตามตรงว่ารับพนันกับเพื่อนมาหักกิ่งม ย, ยมขออย่าให้ในพ่วงหลอกหลอนตัวเลยแต่าหากชนะพนันแล้วจะเอาเหล้าหนึ่งขวดกะมีหนึ่งกระทะนี่มาแบ่งให้กินว่าอย่างนั้นบอกแล้วก็หักกิ่งมา ย, ยมมากิ่งหนึ่ง โดยไม่มีเรื่องอะไรน่ากลัวเกิดขึ้นคราวนี้นายสีแกก็ยิ่งมีกำลังใจยิ่งกว่าเดิมก็เดินอกผายไหลผึงกลับไปที่ร้านเหล้าหน้าวัดชัยพฤกษ์วางกิ่งมา ย, ยมให้ในายมาดูแล้วก็บอกข้าชนะแล้วนาเนี่ยกิ่งมา ย, ยมต้นที่อยู่ตรงหลุมศพตะพ่วงที่ข้าหักเอามาตามสัญญาเวทแทนที่นายมาจะยอมแพ้ และปฏิบัติตามสัญญาที่ตัวตกลงกันคือซื้อเหล้าหนึ่งขวดกะมีหนึ่งกระทะให้ปรับโวยวายหาว่าในสีไปหา ก, กิ่งมายมเอามาจากไหนก็ไม่รู้ไม่ใช่ต้นที่หลุมศพในพ่วงแล้วก็โมเมไม่ยอมนะไม่ว่าในสีจะสบทสาบานยังไงในมากไม่ยอมเชื่อก็เป็นอันว่าในสีถูกในมากโองเอาซึ่งซึ่งนาคืนนั้นในสีก็เลยไม่มีเหล้าไม่มีหมี่ไปให้ผีในพ่วงตามสัญญา เย็นวันรุ่งขึ้นหนสีก็ไปหาเงินที่ไหนไม่รู้ไปซื้อเหล้ามาขวดหนึงมีกระทะนึงเอาไปวางไว้ที่หลุมศพในพ่วงเร็จแล้วก็บอกว่าเมื่อวานเนี่ยฉันไม่ได้เอาเหล้ากับหมี่มาให้แกกินเพราะไอ้มามันโกงวันเนี้ยฉันหาเงินซื้อเหล้ากับหมี่มาให้แล้วตามสัญญาประเดี๋ยวถ้าแกกินอิ่มหนำสำราญโน่นะไปหักคอไอ้มาเหอะ นะมันทําให้ฉันเจ็บใจแล้วเกินน่ะเนี่ยหักคอมันเลยในสีขอให้ผีในพ่วงไปหักคอในมาเพื่อนเกลเอพริสโมโหที่ถูกเพื่อนโกงพนันไม่ได้มีเจตนาให้ในมาถูกหักคอตายจริงจังอะไรแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อมามันกลับเป็นเรื่องเสียดสยองอย่างยิ่งคือเวลาใกล้สว่างคืนนั้นเองญาติในมาไปปลูกในมาให้ลุกขึ้นไปไถนา พระในมาก็สั่งไว้ว่าเช้ามืดให้ไปปลุกญาติเรียกยังไงในมาก็ไม่ยอมตื่นเปิดมุ้งขึ้นดูพบว่าในมานี่นอนตาปลิ้นลิ้นห้อยเหี่าตายไปแล้วญาติพี่น้องก็พานตื่นตกใจเมื่อมีการตรวจดูศพอย่างละเอียดก็พบว่าในมาตายประหลาดรอบคอมีรอยช้ำกระดูกคอหักคนอื่นไม่มีใครรู้ว่าในมาตายเพราะอะไรนอกจากในสีเท่านั้น ที่เชื่อว่าเพื่อนเกลือถูกผีในพ่วงหักคออย่างแน่นอนหลังจากศพในมาผ่านไปก็เกิดเหตุอันน่าประวันิพันพึงต่อเนื่องคนงานโรงหีบอ้อยซึ่งร่วมกันทำร้ายในพ่วงจนถึงตายเนี่ยบางคนก็ตายบางคนก็เป็นอะไรต่ออะไรไม่รู้บาดเจ็บนะมีอันเป็นไปแทบทุกคนบางคนก็หนีขวัญเสียไปเลยก็มีเสร็จแล้ว ความสยองก็ครอบงำพื้นที่โรงหีบอ้อยแห่งนั้นคนงานซึ่งมีส่วนร่วมทำ้ายในพวน่วงนี่ตายไปหลายคนอ่าแล้วก็เสียสติไปก็หลายคนพวกที่เหลือก็หนีออกจากพื้นที่ไม่ยอมกลับมาแม้แต่เจ้าของโรงหีบอ้อยก็ถึงกับปิดกิจการเลิกทำโรงหีบต่อไปเพราะว่ากลัวผีในพวน่วงนีจะตามมาคาด เพราะว่าเมื่อในพ่วงมีชีวิตอยู่เคยลั่นวาจาจะย้อนกลับมาฆ่าทุกคนที่ทําร้ายเขาให้ได้แม้ตายไปแล้ววิญญาณก็ยังตามมาอฆ่ า, าแล้วก็ทําร้ายคนเป็นศัตรูได้แสดงให้เห็นถึงความอาฆาตพยาบาทอย่างแรงกล้าแล้วก็น่ากลัวอย่างแท้จริงเรื่องนี้บิดาของคุณเชื้อสุภรรสิงห์นะครับเป็นผู้เล่าให้คุณเชื้อฟัง ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมานานแล้วครับหลายปีแล้วสมัยอปู่ทวดของคุณเชื่อเองมีผู้หญิงแก่อายุต้องเกือบแปดสิบแล้วชื่อใหญ่หอมใยญ่หอมก่ตายไปสามวันแล้วก็ฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาใหม่ลุกขึ้นนั่งได้บุพภาหลานสาวก็ดีใจโดดยังกระเด็ก อแต่ชาวบ้านบางคนกลับพูดไปว่าแกไม่ใช่คนหรอกจะเป็นผีที่เขาเรียกว่าผีดิบปะนะเมื่อมีคนพูดกันอย่างนี้ก็มีคนหวาดกลัวกันมากเด็กเล็กไม่กล้าเดินผ่านบ้านแล้วต้องเดินอ้อมไปห่างๆอย่าว่าจะเด็กและผู้ใหญ่บางคนก็เหมือนกันเดินไปหวาดไปบ้านของแกที่จริงก็ไม่น่าเรียกว่าบ้านนะมันเป็นกระท่อมซะมากกว่าหลังเล็กนิดเดียวซอมซ่อเจาะมุงหลังคาด้วยสังกะสีเก่าๆฝาข่างก็เป็นไม้อีกสองด้านเป็นแผงสังกะสี ชานเรือนก็ไม่กว้างนักเอาไว้นั่งรับลมตอนเย็นใครก็ไม่กล้าเดินเฉียดใกล้แต่ว่าไอ้นุ่มที่ชื่อปรามโมทเนี่ยกล้าไปที่บ้านนั้นเพราะว่าเขาชอบอ่าชอบบุผาหลานสาวขนสวยของยายหอมเขาชอบจริงๆเขาบอกกับชาวบ้านบอกว่ายายหอมเนี่แกไม่ได้เป็นผีหรอกแกเป็นคนเหมือนก่อนนั่นแหละเพียงแต่ตอนนั้นน่ะแกหยุดหายใจไปแล้วก็กลับมาหายใจครั้งว่าเท่านั้นนะไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวเลยฮะ บุปผาเองก็เสียใจที่ชาวบ้านเข้าใจยายไปในทางที่ไม่สู้ดีแม้ว่าคนละแวกบ้านจะกลัวแต่ว่าคนที่อื่นนะเพราะได้รู้ข่าวตายแล้วฟื้นหัวยายหอมก็พากันมาดูมาพูดมาคุยมาถามมาไถอยากจะรู้ว่าในช่วงสามวันที่แกไม่รู้สึกตัวนี่แกไปพบไปเจอกับอะไรบ้างเพราะว่าเคยได้ยินว่าคนที่ตายไปนะมักจะไปพบอะไรแปลกๆบางคนก็ไปเที่ยวเมืองนรกมาไปเห็นการลงโทษลงทันในนร ก, กภูมิ ก็ถามแกแกก็บอกไม่เห็นไม่เจออะไรก็เหมือนกับนอนหลับไปอย่างนั้นเนี่ยยายหอมแกบอกอย่างนี้ทีนี้คนนี้มาถามว่ามีแต่ความผิดหวังเขาก็อยากจะได้ยินได้ฟังเรื่องแปลกประหลาดกันแต่ว่าที่แกเล่าให้บุปผาฟังเนี่ยเป็นคนละอย่างแกบอกกับหลานสาวบอกว่าแกไปเห็นคนตายมากมายอยู่กันเหมือนกับเป็นอีกโลกหนึ่งเป็นโลกของคนตายที่นั่นก็อยู่กันเหมือนกับคนมีชีวิตอย่างนี้แหละ แต่แกจาได้ว่าคนพวกนั้นตายไปแล้วไม่ว่าจะเป็นกำนันเปลืองที่โดนยิงตายยายแก้วที่ตกเรือนลุงสงวนที่ไปหาปลากลางทุ่งแล้วก็โดนฟ้าผ่าแกเห็นหมดล่ะคนพวกนี้อยู่กันที่บ้านญาติใครญาติมันเหมือนกับไปตั้งครอบครัวใหม่กันที่โน่นแหละในช่วงนั้นที่หมู่บ้านนั้นก็เกิดมีอาจารย์ใบหวยเกิดขึ้นมาคนนึง มีคนไปมาหาสู่ขอหวยกันเยอะได้เลขเด็ดกันไปไม่ผิดหวังอะ่ะแต่พอหวยออกมาก็มีบางคนเท่านั้นแหละที่ถูกไอ้ได้นะได้ไปทุกคนะ่ะจะถูกเป็นบางคนส่วนใหญ่แล้วจะกระเป๋าฉีกซะมากกว่าอ่าอาจารย์ใบหวยจยชื่ออาจารย์พลับอ่ะพอคนมาบอกแกว่าคนถูกหวยกันนิดเดียวแกก็สส่หน้าช่วยไม่ได้เว้ยไม่มีดวงคนมันไม่มีโชคจะทายังไงอะ่ะ มีคนหนึ่งชื่อเท่าแก่หวดอีตะคนนี้บ้าหวยมาจากตลาดในเมืองอ่าคนไม่รู้ก็เข้าใจว่าเขาร่ำรวยเห็นมีรถเก๋งคันใหญ่ขับมาหาอาจารย์พรับอ้วนพุงโ ย, ยหน้าแดงจมูกแดงอย่างคนกินดีอยู่ดีแต่จริงๆแล้วอ่ะเท่าแก่หวดะ น, นี่สินกรุงรังทั้งตัวดอกเบีย้ยกินจะแย่อยู่แล้วไม่มีที่พึ่งท้งอื่นก็เลยมาหาเลขเด็ดกับเขามั่งหวังจะรวยทางลัดก็ขับรถมาจอดหน้าบ้านอาจารย์พั แล้วก็เข้าไปกราบขอเลขเด็ดอาจารย์ก็ไม่ทำให้ผิดหวังเล็งเห็นแล้วว่าถ้าไอ้หน้าแดงนี่มันถูกหวยเนี่ยมีหวังต้องเอามาตอบแทนบ้านเลยแหละท่าทางเป็นคนใจกว้างไม่ใช่น้อยอาจารย์พลับก็ให้เลขเด็ดไปไม่ได้บอกตรงๆแต่ทำท่ายกนิ้วให้ดูที่แรกก็สี่นิ้วต่อมาก็สองนิ้วมันจะไปยากอะไรไม่ว่าใครก็ตีเป็นเลขได้ทั้งนั้นเนี่ยเ่าแก้วดได้ไปแล้วสี่สอง หรือไม่งั้นก็กลับเป็นสองสี่ก็ได้แล้วแต่จะไปกลับหน้ากลับหลังเอาเองแน่นอนอยู่แล้วเท่าแก่ก็หวังเต็มที่งวดนั้นทุ่มแทงไปห้าหมืนอ่าเอากันขนาดนี้เวลาถูกคุณจะได้รวยสะใจถ้าแม่นจริงงวดหน้านี่แทงเป็นแสนเลยแต่พอหวยออกมาเท่าแกหงายทองเลยไอจิบหายพับไอแก่ผอมออกระรองไอ้หมาพับป่บนปี๋หมดแล้วกู ด, ด่าขโมงโฉงเฉียงเอตโรลั่นบ้านเนี่ยหลอกกันนี่ว่ะไอ้แบบนี้มันต้องเจอดีขับรถออกจากบ้านเย็นนั้นเลยตรงไปบ้านอาจารย์พลับจอดรถหน้าบ้านอ่าเข้าไปหาด้วยความเดือดด้อนไม่เจออาจารย์ไปไหนไมารู้คนข้างบ้านก็บอกไม่เห็นอ่าปิดประตูคล้องกุญแจแน่นหนาเอาไว้แหม่เอออยอะแบบเผาบ้านแหม่งเลยว่าโมโหชาวบ้านก็ถามว่ามันเรื่องอะไรเท่าแกก็เล่าให้ฟัง พร้อมกับแช่งด่าไม่ขาดปากชาวบ้านบางคนเขาก็อยากจะหัวเราะเออเชื่อใครไม่เชื่อเชื่ออาจารย์ครับก็ถ้าแกรู้ว่าหวยจะออกอะไรก็คงไม่ยากจนย่ำแย่ขนาดเก็บผักบุ้งชายคลองไปจิ้มน้ําพริกกินอยู่หรอกแล้วแถวๆนี้มีใครให้หวยอีกบักอ่าไม่เข็ด้วเท่าแก่ไม่เข็ดถามชาวบ้านมีไหมมีใายให้หวยไหมไม่มีหรอกมีมีสารเจ้าพ่อเจ้าแม่ที่ไหนบ้างมาั้ยก็มีเหมือนกันนะ่แต่ไม่ได้ให้หวยนี่ว่าแล้วกัน เออเออแต่มีอยู่คนน่ะยายแก่ผีเด็บไอ้ยายหอมตายแล้วฟื้นน่ะคนนึ่งก็แกล้งบอกไปเล่นๆก็นึกว่าแกจะไม่สนใจแต่ผิดคาเท่าแกนี่หูพึงเลยอะไรนะตะกี้หรือว่างอ่ะยเขาก็เลยต้องเล่าให้ฟังก็เป็นที่สนใจของเท่าแกเป็นอย่างยิ่งไหนช่วยชี้ทาง ห, หน่อยนะบ้านหลังไหนจะจะไปฮะไหนไหนอยู่ทั้งไหนขับตรงมานี่นะ อยู่ข้างลงไผ่บ้านเล็กๆกันหลังคาสังกะสีมีบ้านเดียวนั่นแหละหาไม่ยากอะไปถามหาเถอะนัน่นอ่ะบ้านยายหอมเท่าแก่ก็ขมีขมันขึ้นรถขับไปก็จริ้งอย่างว่าหาไม่ยากมีอยู่หลังเดียวจอดรถแล้วก็เข้าไปเรียกตอนนั้นเย็นมากแล้วบุผากําลังหุงข้าวต้มแกงอยู่ในครัวได้ยินแววๆส่วนยายหอมนั่งอยู่นอกชานเห็นคนแปลกหน้ามาหาก็ถามอะมาหาใครลยเจ๊าปะกุลเลยมาหายายหอมอะ มีมีธุระอะไรล่ะอยากจะมาคุยด้วยยายเอปากยายหอมอะ่ะเออใช่มีอะไรก็ขึ้นมาบนเรือนก่อนเท่าแก่ขึ้นเรือนคุยกับยายหอมถามโน่นถามนี่เสร็จแล้วก็วกเข้าเรื่องที่อยากจะได้ตัวเลขยายหอมก็ส่ายหนะ้าไม่มีหรอกตัวเลขตัวอะไรนะฉันไม่รู้หรอกฉันไม่ใช่อาจารย์ใบหวยไนะ่ไปหาอาจารย์พรับมันจีไอคิปหายนะจะไปหามันทําไมมันเปิดหนีไปแล้วฉันเอาวอดไวไปตั้งห้าหมื่นนะ ก็งั้นก็ไม่มีใครอีกแล้วล่ะนี่ยายบอกมาเฮอน่างวดหนาเรียกอะไรไม่มีไม่รู้แล้วยายชอบเรียกอะไรฮะชอบเรียกอะไรไม่เคยชอบอะไรทั้งนั้นน่ะไม่เคยแทงหวยพอดีบุปผาออกมาก็ยกมือไหว้เท่าแก่เท่าแก่เห็นก็นึกชมเอสวยนี่อ่าสาวบ้านนอกนี่มันสวยเหลือเกินถ้ามีลูกชายจะม า, มาขอไปเป็นลูกสะใภ้ เออยายแกไม่ใช่คนเล่นหวยหรอกเจ้ า, าแกไม่เป็นไรหรอกอยากจะให้ยายแกพูดแถวนั่นว่าเลขอะไรแกจะชอบหรือไม่ชอบไม่เป็นไรแกตายแล้วฟื้นขึ้นมาเนี่ยคนอย่างนี่หายากนาะต้องเป็นคนมีบุญนะ่ะคนมีบุญมักจะให้หวยแม่นบุพภาก็หันไปพูดกับ ย, ยายยายก็บอกเจ่าแกเข้าไปสิจะเลขอะไรก็ได้อืมเลขแปดเลขห้า เท่านั้นละเท่าแก่หัวชักปากกาในกระเป๋ามาจดยิกยิกลงในกระดาษยิ้มหน้าบานในหัวเราะลงเรือนไปพอหวยออกงวดต่อมาสองตัวล่างห้าแปดข้างบนแปดห้าเท่าแกหัวเต้นผางผางขับรถตรงมาบ้านยายหอมมาบอกให้แกรู้ว่าเขารวยแล้วรวยแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินเดี๋ยวรับเงินแล้วจะกลับมาหาใหม่ เป็นข่าวที่ทําให้คนทั้งหมู่บ้านหือฮากันเป็นอย่างยิ่งคนที่เคยกลัวยายหอมก็กลับมาพูดมาคุยกันแกเอาข้าวเอาของมาเยี่ยมหวังจะได้เลขเด็ดในงวดต่อไปเท่าแกหัวด์พอแกรับเงินแล้วแกก็ซื้อข้าวของมาให้ยายหอมมากมายเปลี่ยนข้างขวาบ้านเป็นไม้มุงหลังคาเสื้อใหม่เป็นกระเบื้องกระดานแผ่นไหนไม่ดีก็เปลี่ยนใหม่บันไดมันงอนแงนก็สั่งมาให้ใหม่เลยยายหอมกลายเป็นเจ้าแม่ให้หวยไป ชั่วข้ามคืนเท่านั้นเองงวดต่อมามีคนมาหาแก่หัวบันดไดแม่แงปรามโมทกับบุปผาก็ไม่รู้จะห้ามปรามยังไงความศรัทธาของคนบ้าหวยที่มันแรงกล้ากันเหลือเกินเยหอมก็ขัดไม่ได้แม้ว่าจะบอกว่าตัวไม่รู้ว่าเลขอะไรเลขเด็ดที่ไหนแต่ว่าพวกเขาก็ขอให้แกพูดตัวเลขออกมาสักตัวสองตั ว, ตวอ่ะแกทําอะไรเขาก็นั่งสังเกตกันเอาไปตีเป็นตัวเลขจนได้ ปรากฏว่างวดนั้นพอหวยออกมามีคนถู ก, กันเกือบทั้งหมู่บ้านเท่าแก่หัวดในรวยเป็นล้านเลยเขาลือกันว่าอย่างน้อยๆห้าล้านอ่าออกปากจะปลูกบ้านหลังใหม่ให้ยายหอมแต่ยายหอมไม่เอาโบกมือปฏิเสธใหญ่แต่คนที่โกรธเกลียดยายหอมอย่างยิ่งก็คืออาจารย์พรับไม่มีใครไปหาเกเลยนั่งเงาทั้งวันได้ยินแต่เสียงคนคุยกันเรื่องยายหอมเลขเด็ดอ่าเขาเรียกอย่างนั้นช่ ยา้หอมเล็กเด็ดโถอีหอมเอ้เยอะกูจะฆ่ามึงให้ตายอาจารย์พลับกระวนกไวยแกเสียหน้าเหยียใจแครนใจชื่อยายหอมเล็กเด็ดเนี่ยแวบเข้ามาในสมองคราไหนก็อยากจะบีบคอยายแกให้ตายคามือทีนั้นทนไม่ไหวแล้วเว้ยเดี๋ยวกูจะฆ่ามึงให้ตายซะลีหอมยามกูนักคนอย่างกูฆ่าได้ยามไม่ได้เว้ยคืนเนี่ยมึงตายตัดสินใจแล้วอะ เป็นโอกาสเหมาะพราวาที่วัดมีงานอ่าลูกกำนันเขาบวชเขาจัดงานใหญ่มีหนังฉายสว่างเลยแล้วก็มีลิเกอีกคณะเพราะฉะนั้นบ้านใหญ่หอมต้องไม่มีคนอื่นอยู่นางบุภามขาก็ต้องไปเที่ยวกับแฟนมันคือเจ้าปราโมดพราะตกค่าที่วัดบางเตยก็เอ็ดอึ้งไว้ได้เสียงเครื่องไฟขยายเสียงเพลงลูกทุ่งในดังลั่นไปแปดคุ้งน้ําผู้คนก็แต่งตัวกันเต็มที่เด็กเล็กวิ่งกันให้พลรานไปหมดหนุ่มสาวก็ควงคู่กันไปดูหนังดูลิเก งานนี้เขาจัดใหญ่ยังงานประจำปีเลยทีเดียวทุกอย่างเป็นไปตามที่อาจารย์พับคาดหมายบุผาให้ยายเข้ามุ้งนอนแล้วก็ไปเที่ยวกับปราโมดแฟนที่บ้านก็เหลือแต่ยายหอมนอนอยู่ในมุ้งตามลำพังคนเดียวอาจารย์พลับก็ลงจากเรือนกลมมองดูตัวเองชุดดำทั้งเสือ้อทั้งกางเกงกลมกลืนความมืดดีเหลือเกินก็ไม่ลืมติดไฟฉายไปด้วยอ่าเวลานั้นเอามอเตอร์ไซค์ไปคิดวิธีฆ่าไ้แก่ไว้แล้ว ที่แรกจะบีบคอเอ๊ะไม่ได้ไม่อยากให้ร่องรอยนิ้วมือมันติดอยู่ที่คอเหี่ยวๆเพราะมันคนเรามันต้องฉลาดจะต้องไปทิ้งรอยนิ้วมือเอาไวนะ้แล้วมีถุงมือสวมอย่างดีอ่าถุงมือก็สีดําแถมสวมไอ้มงอีกตังหดัดอ่ากันคนจําหน้าได้ไปของอย่างนี้มันต้องรอบคอบไม่แน่อาจจะมีคนแอบเห็นเข้ากันไว้ก่อนดีกว่า ม, มาแก้ทีหลังคนไปงานกันเงียบแทบทุกบ้านเลยตอนนั้นยังไม่ดึกอะ่ะเดี๋ยวรอเวลาอีกสักนิด อ่านะอย่าใจร้อนให้มากเดี๋ยวจะเสียแผนไปซุ่มข้างบ้านมันก่อนก็ไม่เลวไปดูสิว่าหลานสาวมันไปเที่ยวหรือยังนะตอนนั้นก็จอดมอเตอร์ไซค์เอาไว้โขลนต้นไม้เอาไปซุกเอาไว้นะแล้วก็ค่อยๆกลิบๆก็กไปที่บ้านใหญ่หอมไปถึงก็สังเกตมองเข้าไปไม่มีแสงไฟเล็กระดงให้รู้ว่าบุปผาไปแล้วนะี่นังแก่นะ่ะคงจะเข้าม้งไปนอนรอความตายเป็นที่เรียบร้อยอนะ ก็ซุ่มเงียบมองสอดสายสายตาไม่มีใครผ่านไปผ่านมาอีกแล้วล้วไปวัดกันหมดเสียงหนังฉายแล้วลิเกก็ออกแขกเล่นแล้วเอาละได้ฤกษกแล้วแกก็พาร่างเข้าไปในเขตรั้วบ้านเงียบกริบจะไม่มีหมาสักตัวบันไดก็ไม่ได้ชักขึ้นบ้านได้สบายย่องกริบไปตามพื้นกระดานบ้านมันนอนอยู่ไหนก็คงข้างในอะ่ะไม่มีห้องมีหับอะไรเนี่ยขาวๆรมุงมาแน่นะไม่ใช้ไฟฉายไม่จาเป็น แสงไฟอย่าทำให้เหยื่อไหวตัวทําให้คนอื่นเห็นด้วยอ่าก็ตรงไปที่มุงมาเลยไปถึงข้างมุ้งตลบมันขึ้นอ่ามุดเข้าไปมันควกําลังหลับเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ยินเสียงหายใจได้ยินยังไงเสียงที่วัดมันดังกรบสมหมดนะก็เลิกใช้มุ้งมุดเข้าไปแล้วก็มองไม่เห็นเอาใช้ไฟฉายส่องก็เห็นยายแก่ผมหงอกขาวนอนตะแคงหันหลังให้เอาอย่างงี้แหละเหมาะบีบคอมันเลยอ่า ก็ดับไฟฉายเน็บเอวแล้วก็ยื่นสองมือไปควา้าลำคอแม่เท่ามาบีบเข้นร่างก็ดิ้นครุกคลักครุกคลักไม่ต้องดิน้นไลอีกแกเนี่ยและอีหอมเลขกเด็ดมึงหมดชื่อคราวนี้อยู่ดีไม่ว่าดีเสจกให้หัวให้แข็ง ก, ก็กูเสร็จแล้วลก็รู้สึกว่าสิ่งที่แกกำลังบีบเข้นไม่ใช่คอคนแต่เป็นอะไรแข็งๆอ่าแล้วก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าจะจะอ้วกกลั้นหายใจเอาไว้เสร็จแล้ ว, ลวก็หยิบไฟฉายส่องไป โอ้ร่างที่นอนอยู่เนี่ยมันไม่ใช่คนนี่มันซากศพท่งกลิ่นเหมน็นเต็มมงเลยขยับจะเพ่นแต่ช้าไปออตอนนั้นร่างนั้นลุกพรวดจากคว้าคอแก่แกก็หนีวิ่งลงบ้านได้ก็เพ่นอ้าวอ้าว้าวิ่งไปที่มอเตอร์ไซค์ของแกแล้วสตาร์ทรถ อ, ออกไปอย่างชนิดไม่คิดชีวิตเลยวันรุ่งขึ้นชาวบ้านลือกันทั่วหมอพลับขับรถมอเตอร์ไซค์ซิ่ง แหกโครงชนต้นไม้คอหักตายเออแกไปไหนมามืดค่ำดึกดื่นแล้วทำไมแกจะต้องวิ่งบ้าหลังขนาดนั้นเออเป็นเรื่องแปลกๆครับนั่นก็เป็นเรื่องอเรื่องเล่าชาวบ้านนะครับครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ วันนี้จะเล่าถึงเรื่องสารแม่นาคพระขนงที่วัดมหาบุตรครับแม่นาคพระขนงแห่งวัดมหาบุตรกรุงเทพเนี่ยเป็นผีที่มีความอมตะยืนยาวมากกว่าสตวรรษแม่นาคเป็นคนที่เกิดในยุคสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเรื่องราวของแม่นาคเราท่านต่างก็ทราบดีอยู่แล้วว่าดท่านได้เสียชีวิตลงเพราะการคลอดลูกหรือว่าที่เรียกกันว่าตายทั้งกลม เนื่องจากวิวัฒนาการทางด้านการแพทย์ในสมัยก่อนนั้นยังไม่ทันสมัยมากนะักแต่สิ่งที่ทําให้วิญญาณเขาแม่นาคยังคงวนเวียนอยู่กับโลกมนุษย์ก็เนื่องโดยความรักในสามีผู้ห่างไกลคือนายมากที่กล่าวว่าไปเป็นทหารอยู่ที่บางกอกส่วนในเรื่องของความเฮี้ยนต่างๆนาน า, นาก็เป็นการอุปมาสร้างขึ้นตามคําบอกเล่าของคนพระโขนงที่เรื่องลือไปถึงบางกอกในยุคนั้น รมพญาดำรงราชานุภาพเคยทำแบบสอบถามอย่างสมัยก่อนโดยถามที่ประตูวังเวลาที่คนเดินเข้าออกว่าบุคคลทั้งสี่เนี่ยคนทั่วไปรู้จักใครมากที่สุดหนึ่งพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกสองสมเด็จพระพุทธจารย์โตสามแม่นาคพระขนงนะและสี่เนี่ยอ่านไม่ออกเพราะว่าบทความเดิมนั้นเลือนลางมากเพราะเปียกน้ำ มาเป็นกระดาษเก่าแต่ผลสรุปออกมานั้นแม่นาคเป็นบุคคลธรรมดาที่มีคนรู้จักเป็นอันดับสามมีเรื่องกล่าวกันว่าสมเด็จโตแห่งว ร, รังคังนั้นเป็นผู้ที่มาปราบผีแม่นาคที่พระขนงในการไปครั้งนั้นท่านเดินทางไปกับสามเณรเจริญซึ่งต่อมาได้เป็นสมเด็จพระพุทธโคษาจารย์เจริญเจ้าอาวาสวาังคังต่อจากสมเด็จพระพุทธบาทปีลัน การปราบผีของแม่นาคของสมเด็จนั่นอาศัยพิธีกรรมบัตรพลีกล่าวเองตอบเองโดยให้ชาวบ้านไปขุดศพของแม่นาคที่หลุมและอาศัยการปรารบกับศพแล้วก็เทศให้ฟังในแง่ของธรรมะท่านไม่ได้ปราบผีแม่นาคโดยความขังอาคมเข้มเหมือนกับพวกหมอผีทั้งหลายอย่างในทีวีหลังจากที่สยบแม่นาคแล้วท่านเจ้าคุณสมเด็จโตได้นําเอากระโหลกหน้าผากแม่นาคมาด้วย แล้วก็นำมาคาดเป็นปั้นแห่งตรงประคดน่ะปั้นแห่งก็คือหัวเข็มขัดนั่นแหละเรื่องนี้คือเรื่องจริงสมัยก่อนนั้นก่อนเผาศพจะต้องมีการเจอเอาะอกกระดูกหน้าผากให้แตกเป็นรูหรือร้าวก่อนจึงจะเผาโดยเชื่อว่าเป็นการปลดปล่อยวิญญาณภายหลังต่อจากนั้นมาเพื่อไม่ให้เป็นการอุจจารก็นำเอามาพราวมาล้างหน้าศพแทน โดยการทบหรือว่าตอกมะพร้าวให้อุปมาว่าเหมือนกับตอกกระโหลกศีรษะส่วนกระดูกหน้าผากของแม่นาคนั้นภายหลังได้ตกทอดมาอยู่ที่เสด็จในกรมไม่ทราบว่าไปอยู่กับท่านได้อย่างไรทั้งที่ตัวท่านเสด็จในกรมกับสมเด็จโตดูเหมือนจะไม่ทันกันเพราะว่าในช่วงที่สมเด็จโตท่านมรณภาพปี2415ในหลวงราชการที่5เพิ่งจะขึ้นเสวยราชสมบัติไม่นาน เรื่องของความอาถรรพ์แห่งกระดูกหน้าผากนางนาคหรือว่าแม่นาคเนี่ยเอาจากการเล่าขานของท่านชายหม่อมราชวงศ์อภิเดชอาภ า, ากรกล่าวว่าเมื่อสมเด็จโตสิ้นแล้วกระดูกก็ตกมาอยู่ที่จเจ้าอาวาดรูปต่อไปคือสมเด็จพระพุทธบาทปีรันแล้วต่อมาก็ตกทอดมาที่สมเด็จพระพุทธโกษาจาย์เจริญหรือว่าสมเรนรที่ร่วมไปปราบแม่นาคด้วยที่พระขนองกับสมเด็จโต เสด็จในกรมท่านทรงชอบเรื่องความขลังศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีความสนิทกับสมเด็จพระพุทธโคศอาจารย์เจริญรูปนี้เพราะท่านเคยฝากลูกศิษย์ของท่านเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนในเรือด้วยจึงไม่ใช่เรื่องที่แปลกเท่าไหร่นักที่ท่านจะได้รับกระดูกมาจากสมเด็จพระพุทธโคสาอาจารย์จะเอาไวา้ดวา ร, รักังในขณะนั้นเมื่อปี2466เสด็จในกรมสิ้นไปกระดูกก็ยังคงอยู่กับวังนางเลิง ภายหลังต่อมาสเสน่โกมราชุนสร้างหนังเรื่องแม่นาคปี2505เกิดอาเพศเหตุต่างๆมากมายนะก็เลยเข้าไปกราบเรียนเรื่องต่างๆให้พระองค์เจ้าเสลิมพลที่คำพรทราบเพื่อขอให้พระองค์ติดต่อวังนางเรื่องเพื่อขอยืมกระดูกแม่นาคนั้นมาบวงสรวงและเมื่อนําออกมาแล้วก็ไม่ได้กลับคืนนับจากนั้นคุณสันติสเสววิมลเคยทํางานกับอาจารย์ประชุมกาญาวัต ได้มีโอกาสพบพระองค์เจ้าเฉลิมพลประธานสัมภาษณ์เรื่องกระดูกหน้าผากนี้แล้วเคยถ่ายภาพเก็บเอาไว้ด้วยจึงกล่าวว่ากระดูกหน้าผากของแม่นาคพระขนงนี้ยังคงอยู่ไม่ได้สาบสูญไปแต่ประการใดม่อมเจ้าหญิงแจงพระธิดาเสด็จในกรมทูลต่อพระองค์ว่าอยากจะพบแม่นาคอยากทราบว่าจะสวยเพียงไหนทูลขอให้เสด็จท่านสื่อกับแม่นาคด้วยว่าให้ไปหาในฝัน ครันตกกลางคืนเมื่อหม่อมเจ้าหญิงแจงท่านบรรทมแล้วแต่หลับไม่สนิทเท่าไรนักเช้าเมื่อลงโ ต, โต๊ะเสวยเสด็จท่านตรัสกับหญิงแจงพระธิดาของพระองค์ว่าเมื่อคืนแม่นาคไปหาแล้วแต่เห็นว่าลูกกลัวแล้วก็นอนหลับไม่สนิทก็เลยไม่อยากจะเข้าไปรบกวนสามเณรเจริญอิสรังคูลเป็นราชสกุลระดับหมอมราชวงศ์ ท่านอยู่กับสมเด็จโตมานานเมื่อได้นําเอาน้ำผักมาที่วัดจะโดนแม่นาคนั้นแกล้งอยู่เนืองๆจนท่านเจ้าประคุณดุเอาว่าแม่นาคใหญ่แ ย, ย่คุณเนนสิท่านจะท่องหนังสือเมื่อสมัยของสมเด็จพระพุทธบาทปีรันก็เช่นกันยังคงเยั้าสัมมาเนนจเจริญอยู่เนืองๆแม่นาค ก, ก็ถูกดุเหมือนกันอ่าท่านพูดหนักบอก เป็นผู้หญิงมาแกล้งพระแกล้งเนนบาปนะแม่นาคเอ้ยเสด็จในกรมนั่นเคยปรารบที่โต๊ะอาหารเสวยตอนเช้าอะเมื่อคืนแม่นาคมาลาพ่อแกว่าจะไปเกิดแล้วแล้วหลังจากนั้นเรื่องของแม่นาคกว็เบาววางลงที่วางนางเลิงจนกระทั่งเสด็จท่านสิ้นไปเรื่องที่เล่าขานกันมานี้ได้มาจากบทความของท่านชายทั้งสิ้นซึ่งมีศักเป็นหลานในสายของพระองค์ท่านเสด็จในกรมชั้นหลานเหลน จึงเป็นบทความที่พอจะมีน้ำหนักเชื่อถือได้ตลอดทั้งคำยืนยันของแม่ช้อยหนังรำสันติสเสวตวิมล น, นั่นเองการสร้างหนังเรื่องแม่นาคกืเรื่องแปลกๆอยู่เสมอไม่ว่าใครจะสร้างอย่างคุณโอวรุษก็เคยมีประสบการณ์ขณะถ่ายทำตอนกลางคืนมีเงาดำๆเดินผ่านหน้ากล้องเมื่อมาถ่ายทำเสร็จแล้วผู้กากับยังต้องสั่งถ่ายใหม่อีกหลายครั้งกว่าจะสาเร็จแล้วก็มีการขอขมากรรมด้วย น้อยพวงงามก็มีความเคารพนับถือในแม่นาคพระขนงเป็นอย่างมากถึงขนาดเรียกท่านด้วยความเคารพว่าญานากเพราะว่าเธอเคยประสบปัญหาชีวิตแล้วมากราบท่านให้ท่านอนุเคราะห์ท่านก็ได้ช่วยไปตามเหตุปจัจจัยหลังจากที่ได้สนทนากันเรื่องของกระดูกหน้าผากแม่นาคมัพอสมควรเพื่อเป็นความรู้และสิ่งที่บางท่านเชื่อว่าเป็นเพียงตำนานที่เล่าขานมานั้นไอแท้ที่จริงแล้วทุกอย่างนะเป็นเรื่องจริงที่นี้ ก็จะพาไปที่สารของแม่นาคพระขนงที่วัดมหาบุตรในซอยอ่อนนุชเป็นสารที่มีอายุและความเป็นมาที่เนิ่นนานอยู่พอสมควรแต่ไม่อาจจะสืบทราบได้ว่ามีการสร้างจากยุคไหนสมัยไหนกันแน่แต่ว่าเท่าที่ได้สนทนากับผู้ที่อยู่ในบริเวณวัดนั้นเชื่อกันว่ามีมากว่าเก้าสิบปีแล้วและเดิมนั้นเป็นเพียงสารสังกสีเท่านั้นแต่ปัจจุบันกลับกลายเป็นสิ่งก่อสร้างที่เป็นวัตถุถาวรไปโดยปริยาย ทั้งหมดนั้นไม่ใช่มาจากเงินจากทางวัดทางคณะสงฆ์แต่เป็นเงินที่ได้จากผู้มีความเคารพศรัทธามากจนสามารถนํามาบุรณะสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นกว่าเดิมจนกระทั่งปัจจุบันศาลของแม่นาคนี้ตั้งอยู่บริเวณริมน้ําท้ายวัดที่เรียกแต่เดิมว่าคลองพระขนงก่อนที่จะมีการขุดคลองกันขึ้นเสียใหม่แล้วก็เปลี่ยนชื่อผู้คนมากมายที่มีความศรัทธาในแม่นาคภายในศาลมีรูปปั้นรูปหนึ่ง ถูกปิดทองทั้งองค์ตั้งอยู่ทั้งด้านในของศาลทั้งซ้ายขวาที่กว้างขวางนั้นมากไปด้วยเครื่องแต่งกายในชุดไทยอัน ง, งดงามมากพร้อมกับเครื่องสำอางของเล่นเยอะที่เป็นของเด็กตลอดทั้งของใช้ของเด็กอ่อนซึ่งได้มาจากความศรัทธาของประชาชนที่นำออกมาแก้บนเมื่อสมประสงค์แล้วทางด้านหน้าของศาลมีเครื่องไหว้สักการะจหนายถัดเข้าไปอีกด้านข้างของร้านนั้นเป็นต้นตะเคียน สูงใหญ่เก่าแก่อยู่สองต้นเชื่อว่าจุดนี้คือเป็นจุดที่หวังศพวอมแม่นาคแต่เดิมเมื่อในอดีตปัจจุบันก็มีผู้คนมากราบไหว้พันผ้าสีเจ็ดสีมากมายเพราะว่าได้โชคลาภจากการที่ขูดแล้วได้พบตัวเลขจากต้นตะเกียนคู่นี้นอกจากนี้ภายในศาลด้านหน้าเบื้องล่างของรูปปั้นแม่นาคยังมีรูปของเด็กอ่อนที่สร้างขึ้นจากดินโป่งเจ็ดประชา เป็นการสร้างแทนความหมายของเด็กซึ่งเป็นลูกของแม่นาคพระขนงกลิ่นธูปเทียนคราคลุ้งไปทั่วเป็นการแสดงออกถึงความศรัทธาที่มีต่อแม่นากล่าวกันว่าใครที่มีความเคารพศรัทธาต่อแม่นาคอย่างจริงใจมักจะประสบความสำเร็จในเรื่องต่างๆที่เดินทางมาบนบานกับท่านแต่หากว่าใครเดินทางมาได้จิตใจที่เชื่อครึง่งไม่เชื่อครึง่งหรือว่ามาตามเพื่อนนั้นหากว่าไม่ลบลู่ก็ไม่เป็นอะไร แต่หากจิคิดลบหลูคราวใดเหตุร้ายอาจจะเกิดขึ้นก็ได้ด้วยเหตุที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทางโลกวิญญาณ น, นั้นเป็นผู้ที่ดลบันดาลในวันที่สามสิบหรือสาสิบเอ็ดของเดือนและวันที่สิบห้าของเดือนเนี่ยที่บริเวณลานวัดมหาบุตรจะเนืองแน่นไปได้วยรถยนต์มากมายหลายร้อยคันที่จอเรียงรายโดยเฉพาะในเวลาเที่ยงคืนไปแล้วเสียงหมาในวัดอ่าหอนเป็นทอดต่อเนื่องรับกันอย่างไม่สิ้นสุด ลมก็กันโชกใบไม้ไหวเป็นบรรยากาศน่าสะพึงกลัวแต่ว่าบรรดานักเสี่ยงโชคหาได้มีความเกรงกลัวไม่กลับเป็นบรรยากาศที่สร้างความศรัทธาอย่างมากขึ้นและหากได้กลิ่นอะไรห้ามทักทายหรือบน่นว่าเหม็นพระอาจจะทำให้โชคลาภนั้นหายไปโดยปริยายเดินเข้าสู่บริเวณศาลในตอนกลางคืนของวันดังกล่าวแล้วขนลุกสู้ไปหมด บริเวณที่ตั้งของศาลแม่นาคนั้นก็คือบริเวณป่าช้าของวัดมหาบุตรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันศพมากมายที่ยังคงถูกเก็บเอาไว้เพียงเพื่อรอการชาปน ก, กิจมีผู้คนไปขูดต้นตะเคียนกันอย่างล้นหลามต่างก็ได้เลขเด็ดไปคนละตัวสองตัวใครมีโชคลาภก็ย่อมได้เลขไปอย่างชัดเจนเมื่อถูกแล้วต่างก็มาแก้บนกันด้วยสิ่งของต่างๆตามที่ได้บนบานกล่าวเอาไว้ใครที่ ลูกหนีผัวทิ้งดูมันว่าที่พึ่งทางใจที่ดีที่สุดก็คือไปกราบแม่นาค่ให้แม่นาคช่วยไปตามกลับมาจํานวนของผู้ที่มีปัญหาในเรื่องนี้มีมากเหนือคณะนับที่เข้ามาพึ่งท่านแล้วเมื่อได้จุดทูปบอกกล่าวแล้วต่างก็มีความเชื่อมั่นว่าแม่นาคท่านคงจะต้องช่วยอย่างแน่นอนบางรายก็มีประสบการณ์เมื่อมากราบได้เพียงสัปดาห์เดียวสามี ก, ก็คืนกลับบ้านราวปฏิหารแถมยังเอ่ยถามอีกด้วยว่าให้ใครไปตามวันนั้นอ่ะ ลูกที่หนีหายไปเพราะความไม่เข้าใจพ่อแม่เพราะว่าติดเพื่อนก็เช่นเดียวกันเมื่อมาบนขอแม่นาคแล้วก็ดูเหมือนว่าทุกรายจะได้สมหวังได้ลูกคืนกลับมาอย่างที่ต้องการจริงๆต้นตะเคียนที่อยู่ในบริเวณศาลแม่นาคนั้นเชื่อเหลือเกินว่าจะต้องมีวิญญาณที่เป็นบริวารของแม่นาคนั้นสถิตอยู่เนื่องจากว่าหลายๆหลายคนเคยเห็นสิ่งแปลกๆที่บริเวณต้นตะเคียนแห่งนั้นอยู่เสมอ เมื่อเวลากลางคืนของวันที่เงียบสงัดโดยเฉพาะวันโกนต่างก็เห็นเป็นรูปของคนยืนอยู่เคียงคู่ต้นตะเคียนเป็นผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งแต่งกายแบบไทยโบราณไม่มีใครเรียกว่าผีแต่กลับเรียกสิ่งที่ปรากฏอยู่บ่อยครั้งว่าเจ้าที่ป่าช้าทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้เป็นความเชื่อของผู้ที่ประสบพบมานับแต่อดีต ถ, ถึงปัจจุบันนี้การเวลาผ่านไปร้อยกว่าปีแล้วแต่ว่าเรื่องราวของแม่นาคพระขนง ผู้ที่เสียชีวิตเพราะการตายทั้งกลมยังคงวนเวียนให้โชคลาภและช่วยเหลือมนุษย์อยู่หากเป็นอย่างนั้นจริงแล้วก็ในคำพูดของเสด็จในกรมที่ทรงตรัสว่าแม่นาคมาขอไปเกิดแล้วอาจจะเป็นการเกิดที่เป็นลักษณะของเทวดาหรือว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไม่ใช่มนุษย์อย่างแน่นอนเพราะตามหลักแห่งพระพุทธศาสนานั้นการเกิดมีอยู่หลายประการแต่ทุกดวงจิต ต, ต้องเกิดเหมือนกันหมด อาจจะเกิดในไข่เกิดในตมเกิดในคันแล้วก็ลอยเกิดอย่างเหล่าเทพเทวดาก็ได้สุดแล้วแต่หนทางแห่งบุญกรรมเป็นเครื่องนําพาไปหากว่าแม่นาคยังไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์แต่เกิดเป็นเทวดาก็น่าจะมีส่วนมากกว่าเพื่อคอยบำเพ็ญช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โลกหากว่าเราได้ศึกษาเรื่องของการเวลาในโลกนี้แล้วเราจะรู้ดีว่าหนึ่งร้อยวันของโลกมนุษย์ก็คือ หนึ่งคืนหนึ่งวันของเทพเทวดาและร้อยวันของเทพเทวดานั้นก็คือหนึ่งคืนหนึ่งวันของนรกภูมิเมื่อทราบตรงนี้ก็เลยไม่น่าที่จะแปลกใจได้เลยว่าทําไมการเวลาของมนุษย์ผ่านมาแล้วเป็นร้อยปีแต่เรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ของแม่นาคพระขนงยังคงปรากฏอยู่เฉกเช่นปัจจุบันสารแม่นาคพระขนงนี้นอกจากมีความศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อแล้วยังคงเป็นอนุสรณ์ ที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีของหญิงไทยที่มีความรักซื่อตรงต่อผู้เป็นสามีอีกด้วยรอคอยสามีผู้ห่างไกลให้ได้พบหน้าเมื่อถึงวันที่จะกลับมาแม้ว่าตนเองจะลาลับดับจากโลกนี้ไปแล้วก็ตามหากท่านผู้ฟังมีโอกาสเดินทางไปซอยอ่อนนุชด้วยสุ ข, ขุมวิทที่เจ็ดสิบจากปากทางเข้าไปเพียงสองกิโลเมตรนะครับก็ช่วงโค้งก็จะพบกับวัดมหาบุตรอันเป็นที่ตั้งของศาลแม่นาพระขนงที่มีความศักดิ์สิทธิ์ วัดนี้เป็นวัดเก่าที่ก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีครั้นแผ่นดินรัตนโกสินทร์ก็กลับกลายเป็นวัดร้างท่านมหาบุตรพระภิกษุผู้มากความรู้เป็นคนในพระขนงจึงได้มาบุรณะจนมีสภาพดั้งเดิมและวัดนี้จึงถูกตั้งขานเปลี่ยนมาเป็นวัดมหาบุตรมาจวบจนกระทั่งทุกวันนี้ครับ วัดสันประดิษฐ์นี่เดิมทีเนี่ยถูกทิ้งให้ร้างมาเป็นเวลานา น, านอยู่ระหว่างหมู่บ้านโนนเตียกับหมู่บ้านดงจิกเนี่ยนะครับสมัยนั้นทุกอย่างภายในบริเวณวัดนี่รกมากถ้าไม่จําเป็นจริงๆจะไม่มีใครกล้าย่างกรายเข้าไปยังเด็กขาดแม้แต่เป็นเวลากลางวันก็ตามเพราะว่าเขาว่ากันว่าสมัยนั้นวัดเนี่ยผีเฮี้ยนมากแล้วก็ก่อนที่วัดแห่งนี้จะ ร้างไปคนเฒ่าคนแก่เขาเล่าให้ฟังบอกว่าเย็นวันหนึ่งเนี่ยมีฝนตกพรำๆทั้งๆ ท, ที่ตอนนั้นน่ะไม่ใช่น่าฝนก็มีชาวบ้านเห็นหลังวยวัยของพระภิกษุรูปหนึ่งเดินหายเข้าไปในวัดร้างตอนนั้นมีเสียงโจดขานกันทั่วไปว่ามีคนเห็นผีพระเข้าไปที่วัดร้างดังนั้นเพียงไม่กี่นาทีทั้งบ้านนนนเตี้ยบ้านลงจิกก็กล่าวขานกันต่างๆ น, น, นานาบ้างก็ว่าผีบ้างก็ว่าหา ก็ทำให้ทุกคนตื่นโกรกตกใจไปตามๆกันเพราะว่าคนสมัยนั้นนะเขาเชื่อเรื่องอย่างนี้กันมากแล้วพอตกกลางคืนเวลาประมาณสี่ทุ่มชาวบ้านที่กำลังหลับก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเกือบจะพร้อมๆกันเหมือนกับมีอำนาจอะไรบางอย่างมาปลุกให้ตื่นนะแล้วทุกคนก็ต้องเงียบเมื่อมีเสียงผิดปกติดังออกมาจากวัดร้างที่ว่านี่ เป็นเสียงของคนร้องไห้ทั้งผู้หญิงผู้ชายลูกเด็กเล็กแดงเสียงคนเฒ่าคนแก่ร้องโหยหวนอื้งเสียงนั้นฟังเย็นจะเยือกจับขั้วหัวใจผสมผสานกับเสียงเกวียนเสียง โ, โคกระบือย่าดินส น, นั้นวันไหวเหมือนกับคนกำลังโดนกันเยอะแยะไปหมดเสียงเหล่านั้นดังมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกเป็นเสียงคนเป็นพันเลยกาลังอพยพไปที่ใดที่หนึ่งอย่างนั้นแหละว่ากันว่า ผู้คนทั้งสองหมู่บ้านเวลานั้นต่างขดตัวอยู่แต่ในห้องอย่างเงียบกริบไม่มีใครกล้าพูดหรือแม้แต่จะกระิบถามกันสักคําว่านั่นเสียงอะไรตอนนั้นแม้แต่เด็กที่เคยร้องอ้อนแม่ก็ผวาสุกอยู่กับ อ, อกแม่อย่างประหลาดหมาที่เคยวิ่งเพลินผ่านก็หางจุกก้นวิ่งเข้าขดตัวอยู่ใต้ถุนบ้านอย่างไม่เคยเป็นจนกระทั่งเวลาผ่านไปล่วงเข้าตีสามเสียงทุกอย่างถึงดิ้งเงียบสงัดแล้วก็เข้าสู่เวลารุ่งอรุณ พอรุ่งเช้าชาวบ้านก็โจดขานกันต่างๆนานานะแล้วก็เป็นที่แปลกอย่างยิ่งทั้งๆที่มีเสียงคนเสียงวัวเสียงควายเสียงเกวียนเดินย่ำดินดังสนั่นวันไหวเมื่อคืนนี้แต่ปรากฏว่าตอนเช้าไม่มีร่องรอยอะไรให้เห็นเลยสักอย่างหลังจากนั้นก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรปรากฏให้เห็นให้ได้ยินอีกแต่ก็มีเหตุการณ์ที่ทาให้ชาวบ้านแปลกใจก็คือเมื่อสองวันผ่านไปตอนเช้าวันที่สามอ่า ก็มีพระภิกษุรูปหนึ่งไวัยกลางคนเนี่ยอุ้มบาตรเดินออกมาจากวัดร้างด้วยกิริยาที่สงบเสงี่ยมบ่ายหน้าเข้าหมู่บ้านดงจิกพอบินทบาทแล้วท่านก็กลับเข้าไปในวัดร้างอย่างเดิมจากนั้นท่านก็ออกมาบินทบาททุกเช้าเป็นประจำซึ่งสร้างความแปลกใจให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากเพราะว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรไม่เคยมีพระองค์ไหนกล้าเข้าไปอยู่ในวัดร้างแห่งนี้พระองค์นี้แหละที่ชาวบ้านก็บอกว่าเป็นพระผีที่แรกเราเข้าใจว่าท่านเป็นพระผีอ่า เห็นหายก็ไปในวัดนี้แล้วก็เงียบไปสองสวันเขาได้ออกมาบินธบัติต่อมาชาวบ้านที่ได้ทราบว่าท่านชื่อแสนะท่านบอกว่าท่านเริ่มทุดงจากอุบลขึ้นเชียงใหม่แล้วก็ลงมานี่เพราะรู้ว่าวัดนี้ไม่มีใครอยู่ท่านว่าอย่างนั้นแล้วก็ชาวบ้านเขาถามท่านว่าคืนก่อนนั้นนะ่ะเสียงใครร้องไห้มีอะไรเกิดขึ้นท่านตอบยิ้มยิ้มบอกว่าไม่มีอะไรหรอกโยมอาจจะมาให้เขามานําไปแล้วอ เขาไปที่สบายๆกันแล้วละ่ะอยู่ที่นี่เขาก็ลำบากอาตมาจัดการให้เขาไปกันแล้วตลอดเวลาที่ท่านจำพรรษาอยู่ในวัดร้างแห่งนั้นท่านอยู่ของท่านอย่างเงียบๆ เ, เวลาส่วนมากท่านจะอยู่กับการปฏิบัติธรรมภาวนาซะเป็นส่วนใหญ่แล้วหลังจากสองสาเดือนผ่านไปชาวบ้านก็เกิดศรัทธาในตัวท่านเป็นอย่างมาก ก็ พ, พากันเข้ามาจัดสถานที่พัฒนาซ่อมแซมกุฏิให้พออยู่พอพักนานเข้าก็พาลูกพาหลานเข้ามาบวชเรียนอุปถักรับใช้ท่านท่านจำพรรษาอยู่ในวัดแห่งนี้สี่สิบห้าปีนะแล้วเป็นที่น่าแปลกยู่กอย่างว่าตอนที่ท่านจะกรมราภาพนะไม่มีอาการเจ็บป่วยอะไรเลยเล่ากันว่าวันนั้นฝนตกพรำพรมทั้งที่ไม่ใช่หน้าฝนตอนเช้าวันนั้นท่านบอกว่า เย็นนี้อาตามาจะไปที่ใหม่อยู่ที่นี่นานแล้วท่านพูดแบบลักษณะเปรยๆพอตกเย็นท่านก็ทิ้งสังขารในถ้ำกลางสายฝนเหมือนกับตอนที่ท่านมาท่านมาท่านก็มาวันฝนตกเหมือนกันหลังจากสิ้นหลวงพ่อแสนไปได้สามปีชาวบ้านก็พร้อมใจกันอาราธนาพระปิพระปินี่เป็นคนในหมู่บ้านนวนเตี้ ย, ยมาบวชที่นี่ก็ให้เป็นเจ้าวาดต่อไป พระปินี่เป็นลูกชายคนเดียวของอ่าพ่อมากับแม่สมพรถึงพรรษาจะยังอ่อนแต่ ว, ว่าตอนนั้นไม่มีใครก็มีอยู่พระจันทาพระประจักษ์พระลายท่านก็บอกว่าท่านจะศึกปีหน้าเพราะฉะนั้นพระปินี่ก็เลยต้องเป็นเจ้าวาดัดโดยจำยอมเพราะว่าไม่มีใครตลอดเวลาที่พระปิ่นดำรงอยู่ในวัดนี้ท่านก็พยายามจะทำทุกอย่างเพื่อความเจริญของวัดท่านพยายามชักชวในให้ภิกษุสามนเณรซึ่งตอนนั้นมีอยู่ในวัดเพียงสามรูป ตลอดทั้งชาวบ้านให้ช่วยกันพัฒนาวัดทำให้บริเวณวัดโล่งไม่ทึบเสร็จแล้วก็ตัดถนนจัดสถานที่เข้ารูปเข้ารอยเป็นระเบียบเรียบร้อยจนชาวบ้านเขาก็เกิดความศรัทธาในตัวท่านนะแล้วก็ทุกปีชาวบ้านก็จะนำลูกหลานมาบวชเป็นศิษย์ท่านเสมอวันเวลาผ่านไปพระปิก็ปรึกษากับทายกทายิกาชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านบอกว่าวัดเราตอนนี้สุดโทมมาก ก็อยากให้พวกเราช่วยกันหาปัจจัยหรือว่าอุปกรณ์มาช่วยกันสร้างเพิ่มเติมแล้วก็บุณะให้ดีขึ้นกว่า น, นี้หน่อยโยมจะเห็นเป็นยังไงชาวบ้านเขาก็าาร่วมมือร่วมใจกันบริจาคปัจจัยให้เป็นทุนจัดให้มีงานทอดกระถินขึ้นในปีต่อมาเรียกได้ว่าครั้งนั้นเป็นครั้งแรกที่มีงานทอดกะถินนับตั้งแต่หลวงพ่อแสนมาจำมรษาอยู่ในวัดนี้จนถึงสมัยพระ ป, ปิเป็นเวลาหลายปี ดังนั้นงานทอดกระถินครั้งนี้ก็จัดกันอย่างเออ ก, ก็เริกเท่าที่สมัยนั้นจะทาได้มหรวศก็มีตั้งแต่หมอลำําวงมวยอ่าแค่นั้นก็เหลือกินแล้วอ่าสำหรับความคึืดคื้นในชนบทที่ห่างไกลงานกระถินในครั้งนั้นได้เงินเข้าวัดทั้งหมดพันห้าร้อยบาทอ่าพันห้าร้อยบาทสมัยนั้นเยอะนะอ่าเยอะเลยเรียกว่าแสนห้าสมัยนี้ละ่ะก็นับว่ามากพอดู ก็สร้างความพอใจให้กับพระปิแล้วก็ทายกายกไทยิกาตลอดทั้งชาวบ้านเป็นอย่างมากเงินทั้งหมดนั้นพวกชาวบ้านจะทายกเขก็มอบให้พระปิเนี่ยเป็นผู้เก็บรักษาไว้เพื่อจัดการซ่อมสร้างอ่าสีนาสนะต่อไปจากการที่ไม่เคยพบไม่เคยเห็นไม่เคยถึงเงินจํานวนมากๆอย่างนี้ก็ทําเอาพระปิซึ่งเป็นจเจ้าอาวาสเกิดการรวนเรจิตใจไว้เขวเข้าขมาทันทีจนกระทั่งเวลาผ่านไปได้สามเดือน พระปิจึงนำเงินไปซื้อสังกสีมามุงกุฏิสมัยนั้นสังกสีแผ่นหนึ่งไม่กี่ตังค์โดยที่พระปิก็แบ่งเงินเอาอีกครึ่งหนึ่งเก็บเอาไว้หลังจากนั้นผู้ที่ถือศีลประพฤติพรหมจรรย์เคร่งครัดก็เปลี่ยนไปโดยที่พระปิเอาเงินอีกครึ่งหนึ่งนะไปใช้ในทางที่ไม่สมควรกิเลสเริ่มครอบงำจิตใจเริ่มบ่ายเบี่ยงไปในทางอากุศลมีความกาหนัดในทางโลกีเห่เหิมในอานาจ มีความเห็นชอบในวัตตะสงสารจนลืมความเกรงกลัวต่อบาปอากุศล น, นะลืมแม้กระทั่งว่าครั้งหนึ่งเคยปฏิญาณตนว่าจะตามรอยอพระบาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นศีลจึงด่างพร้อยอต้องอาบัติพระปีตอนนั้นเกิดความคิดแปลก ในแนวทางหาเงินในรูปเรืร่อไรจากนั้นสามเดือนต่อมาถ้าปีก็กระจายข่าวไปตามหมู่บ้านต่า ง, างๆให้ชาวบ้านช่วยกันสละปัจจัยสมทบทุนสร้างกุฏิหลังใหม่ของวัดแล้วต่อมาก็บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นดีกาใบบอกบุญก็ทีขึ้นอ่าเข้าเขตนั้นออกเขตนี้เรื่อยไปนี่ชาวบ้านเหล่านั้นก็ศรัทธาเหลือหลายก็น้อมจิตพร้อมใจกันช่วยบริจาคด้วยใจศรัทธา โดยที่หาได้เฉลียวใจไหมว่าตัวเองนี่กําลังอ่าถูกเดรัถีทําลายสถาบันอันเชิดชูบูชาของตัวหลอกตัวค่อยแล้วครั้งแล้วครั้งเล่าที่พระปิขอเรียอะไรทุกครั้งก็อ้างว่าปัจจัยยังน้อยไม่พอต่อการก่อสร้างทั้งทั้ ง, ท, งที่เงินตอนนั้นก็มีเยอะแล้วนะแต่กรรมแท้ๆไม่มีใครเลยจริงๆที่จะรู้เรื่องจํานวนเงินเหล่านี้ ในเมื่อชาวบ้านได้มอบหมายเงินเหล่านี้ให้พระปิเป็นคนเก็บไว้แล้วมีหนัาสมัมบูรณ์บัญชีก็ไม่ได้มีเอาไว้เป็นเกณฑ์เป็นหลักอะไรพอนานวันเข้าคนที่พอมีความรู้หน่อยเข้าไปซักถามเรื่องเงินที่ได้เพราะว่ารู้ๆเห็นๆว่ามีคนบริจาคปัจจัยก็มากแต่แต่ก็ไม่เห็นสร้างอะไรทําอะไรสักทีพอถึงตอนนี้ก็ทำเอาพระปิชักใจไม่ค่อยดีเพราะว่าตัวเองเอาเงินจํานวนหนึ่งไปซื้อสร้อยคอทองคำราคาห้าร้อยบาทแล้วก็ให้ทา้งบ้านซื้อที่นาไว้ให้ตัวสามแปลง สามพันประบาททำไมนั่นเสากระดานแล้วก็ไม้ต่างๆที่ชาวบ้านอุตส่าห์พาคนลงแรงเลื่อยเอามาถวายวัดพระปิให้คนในบ้านของตัวมาขนอาไปไว้ที่บ้านตอนกลางคืนสักครึง่งเมื่อมีคนรู้เรื่องข่าวซุบซิบหนาหูขึ้นก็ทำให้คนที่มากไปด้วยกิเลสถูกไฟเผารุมหัวใจให้กังวลร้อนรอ น, รนกลัวความลับจะแตกระยะสองสาวันมานั้นพระปิก็นอนไม่หลับใจว้าวุ่นกระสากระสาย เพราะว่าสังเกตดูว่าระยะหลังๆมานี่พวกพระภิกษุสามเณรจะไม่ค่อยมารับใช้ตัวเองเหมือนกับเมื่อก่อนซ้ำยังหลบหน้าอยู่บ่อยๆ อ, อืมรู้จะศึกสะดีไหมแต่อีกใจนึงก็ยังะวงเสียดายในทางหาเงินว่ามันง่ายอยู่ในที่สุดก็อยู่ไม่ได้วันต่อมาพระปิกลาสิกขาโดยอ้างเหตุผลดกล่าวจับ่วงมูสงซึ่งเป็นลูกศิษย์ของตัวเองบอกว่าอยู่ไม่ได้ มีคนอยากจะเป็นเจ้าวาดแทนว่าไงเออเมื่อมีพระภิกษุรูปหนึ่งที่ท่านเลื่อมใสศรัทธาเห็นว่าพระองค์นั้นพร้อมด้วยศีลพรหมจรรย์มรรคแปดท่านก็กราบยอมเป็นศิษย์อแล้วทีหลังก็มาเห็นว่าท่านองค์นั้นแท้จริงแล้วมีความประพฤตินอกพระธรรมวินยัยคําสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันเหมือนกับกาฝากที่มาใสเกาะพระเหลืองหากินเลี้ยงชีพ เพราะฉะนั้นท่านก็เลยเอไม่ยอมที่จะกราบไหว้ภิกษุรูปนั้นอีกต่อไปที่นี้เรื่องมันเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อศึกออกมาอาพวกชาวบ้านต่างก็ด่าทอสาบแช่งต่างๆ น, นานาเงินจำนวนไม่น้อยที่ชาวบ้านเขาช่วยอุทบริจาคนี่มันสาบสูญหายไปไง่ายๆตอนนั้นไม่ว่าจะเดินไปที่ไหนก็จะได้ยินแต่เสียงโจรจันทร์สาบแช่งในปีแทบทุกหัวระแหงอยู่ตลอดเวลา แต่ก็นั้นแกก็ไม่ได้มีความละอายเกียจใจคนเรามันด้านแข็งขนาดนี้แล้วก็ย่อมไม่เกรงครวอะไรทั้งนั้นเนี่ยเงินจํานวนไม่น้อยที่นายปีได้มาจากการที่ว่าอ่าใช้ความเป็นพระเป็นเครื่องกรอบโกยแล้วเอามาสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่ต่อมาอีกสองปีตอนนั้นในปีอายุยี่สิบเก้านายปีก็ให้พ่อแม่ของตัวมาทําการสู่ขอแม่หอมซึ่งเป็นคนในหมู่บ้าน อ่าใกล้ๆเนี่ยไปเป็นภรรยาประวัติในปินี่ททำไมคนในหมู่บ้านนั้นจะไม่รู้แม้แต่แม่หอมเองก็รู้แต่อย่างว่าและในปีมันรวยถึงจะรวยมาจากไหนก็แล้วแต่ขอให้รวยแล้วกันคนส่วนมากก็ไม่ค่อยถือเท่าไหร่นะทีนี้หลังจากสู่ขอก็เรียบร้อยก็ถึงวันวิวาก็จัดอย่างใหญ่โตมโหรามทีเดียวมีการเชิญแขกเรือมามากมายการวิวาคราวนั้นเป็นนิมิตโชคดี ของพ่อแม่นางสาวหอมเชลเกินเพราะว่าได้ค่าสินสอดตั้งห้าร้อยซึ่งจะเปรียบอ่าสมัยนั้นกับสมัยนี้แล้วออมันก็เยอะมากเลยเป็นอันว่านางสาวหอมเนี่ยได้ค่าตัวสูงที่สุดในละแวะกบ้านนั้น เ, เงินสินสอดทองมั่นก็คงจะเป็นเงินชาวบ้านขาเนี่ยแหละอะหลังจากแต่งงานเสร็จแล้วในปีกับนางหอมก็ปลูกบ้านใหม่เป็นของตัวเองฐางนะทางบ้านก็อยู่ในขั้นเศรษฐี พอมีเงินบริจาคนี่เยอะเนี่ยเป็นทุนเดิมอยู่แล้ววันเวลาผ่านไปในปีกลังหอเมื่อมีลูกด้วยกันสามคนผู้ชายสองหญิงคนต่อมาเมื่อพ่อแม่ในปีหมดบุญทรัพย์สินต่างๆก็ตกเป็นของในปีคนเดียวเพราะเป็นลูกโทนทําให้ในปีมีเงินทองที่ดินไร่นามากมายตอนนั้นอยู่มาวันนึงหลังจากที่ในปีกลับจากทําไร่ก็มีอาการแปลกๆหน้าซีดผิดปกติ ซ้ำยังบอกว่าปวดหัวหนึบหนึบทั้งที่ไม่เคยมีอาการอย่างนี้มาก่อนบางครั้งปวด จ, จนแทบทนไม่ไหวหัวเหมือนจะแตกนะครับในปีเป็นอะไรท่านผู้ฟังตอนนั้นอ่าในปีนี่ปวดหัวเสร็จแล้ววันแล้ววันเล่าก็ไม่หายจากในปีที่เคยร่าเริงร่างกายที่เคยแข็งแรงก็เปลี่ยนไปเป็นเดือน ระยะหลังต่อมาข้าวปลาอาหารก็กินไม่ได้เพราะฉะนั้นร่างกายของนายปีตอนนี้ก็ไม่ผิดเพี้ยนไปจากปลาตาแข็งผู้ที่พลอยได้รับวิบากกรรมไปด้วยก็คือนางหอมเมียแกนั่นแหละเพราะว่านางหอมจะต้องเที่ยวเสาะสแสวงหาหมอยาตามหมู่บ้านต่างๆมารักษาไหนจะงานานานงานไร่ไหนจะงานครัวงานบ้านไหนจะคอยต้องโบกพัดปัดเปล่าให้ในายปีหามรุ่งหามค่ำหมอบ้านโน้นมาหมอบ้านนี้มาแต่อากาศของนายปีก็ยังเหมือนเดิม ยาที่รักษาก็เปรียบเสมือนกากเศษผงทุลีที่หาคุณภาพไม่มีจากหนึ่งเดือนเป็นหลายเดือนอาการก็ยังไม่หายจนในที่สุดนางหอมกับลูกๆ ก, ก็ตกลงใจพาในปีเข้าไปรักษาในเมืองเป็นที่น่าแปลกว่าระยะแรกที่เข้ามาอยู่ในโรงพยาบาลในปิไม่พูดไม่จาเลยแม้หมอจะซักจะถามถึงอาการต่างๆสักเท่าไหร่ในปีก็ได้ปิดปากเงียบ หลังจากนั้นอีกสิบวันหมอก็ให้กลับบ้านอาการไม่มีทีท่าว่าจะหายกลับมาถึงบ้านก็มีแต่ซุดซ้ำมีอาการผิดปกติกว่าเดิมอีกคือเวลากลางวันนี่ในปีจะพาร่างอันผอมโซลุกขึ้นเดิน โ, นโซซาโซเซไปรอบรอบรอ บ, บ้านเสร็จแล้วก็พูดอ่าช่วยหน่อยช่วยทีช่วยทียทืย่นมือออกไปข้างหน้าสองสองข้างแบมือเหมือนก็จะขออะไรบางสิ่งบางอย่างกับใครอย่างนั้นนหละบอกให้เขาช่วย คันตกเวลากลางคืนก็กราบร้องโอดโอยโหยหวนเหมือนกําลังได้รับความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสหน้าเวทนานางหอมเองก็หมดกําลังใจที่จะหาหมอมาเยียวยารักษาเพราะว่าตอนนี้ทั้งเงินทองไร่นาก็ขายไปไม่เหลือหรอนอกจากบ้านและสวนในพื้นที่ห้าไร่แล้วตอนนี้นางหอมยังมองไม่เห็นอะไรให้เป็นสมบัติที่พอจะหยิบขายเป็นค่ายาได้อีกเลยเมื่อตกอับถึงขนาดนี้แล้วก็ท้อใจ นับตั้งแต่ในปีล้มเจ็บลงมาจนถึงเวลานั้นก็ปีกับสองเดือนกว่าแล้วในที่สุดนางหอมก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมเวลานั้นถ้าใครได้พบเห็นสภาพในปีแล้วแทบจะไม่เชื่อเลยว่านั่นมันคนหรือว่ามาจากนรกขุมไหนกันแน่ดวงตาที่ลึกโบผมเผ้าที่รกรุงรังผอมโซจนหนังหุ้มกระดูกเห็นแล้วอวดสมเพสไม่ได้เสื้อผ้าไม่ยอมใส่นานๆเขาก็ เลยมันเสลยอแก้ผ้าเดินทงทงกรรมไห่กรมมกรมก่อนที่ในายปีจะสิ้นใจมโนภาพแห่งวิบากกรรมต่างๆที่ในปีเคยกระทําก็คงจะผุดขึ้นมาว่ากันว่าสองวันเต็มที่ในายปีได้เล่าพรรณนาถึงเรื่องราวต่างๆที่ตัวเองเคยทําเมื่อครั้งยังบวชด้วยเสียงที่สัน่นผ้าแห่แย่งก็ล้วนแต่เรื่องโกงกินเงินของชาวบ้านที่เขาบริจาคสร้างกุฏิกันทั้งนั้น นางหอมเองก็ได้แต่นั่งร้องไห้สังเวชสลดใจในสามีที่ต้องได้รับผลแห่งวิบากกรรมในครั้งนี้อย่างแสนสาหัสในเวลานั้นชาวบ้านที่รู้ข่าวต่างก็พากันมานั่งฟังในปีนอนเล่าเรื่องราวให้ฟังเกือบเต็มบ้านทีเดียวแล้วรุ่งเช้าวันหนึ่งในปีก็ร้องโอดโอยโหยหวนดังยิ่งกว่าวันก่อนๆแถมยังมีอาการผวาหวากัวอย่างเห็นได้ชัดมีอาการกระสับกระส่ายพร่ำแต่คาว่าร้อนร้อน พอถึงตอนเที่ยงแดดตรงหัวอากาศร้อนอบอ้าวลมหายใจเฮือกสุดท้ายของนายปิก็ขาดห่วงลงเล่ากันว่าก่อนที่นายปิสิ้นใจนแสงแดดแรงกล้ามันร้อนผิดปกติกว่าวันก่อนเป็นไหนๆแล้วพองานศพนายปีผ่านไปได้สามวันก็มีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นที่วัดคืนนั้นประมาณห้าทุ่มทั้งชาวบ้านและพระเนนต่างก็ได้ยินเสียงเสียงหนึ่งดังอยู่แถวบริเวณขอบสนามวัด มันเป็นเสียงแหลมเล็กร้องกรีดจิกรีถอยหวนดังเย็นยเยือกจับขั้วหัวใจตอนนั้นชาวบ้านต่างเชื่อกันร้อยเปอร์เซนตลยว่าเป็นเสียงผีเปรตของในปิดและทุกคนต่างก็ยืนยันอย่างนั้นต่อมาไม่ว่าจะเป็นพระเป็นสัมมนเนนแม้กระทั่งชาวบ้านบางคนที่เดินเข้าบริเวณวัดในยามค่าคืนก็จะพบร่างเห่าดำๆผอมโซโ ย, โยเยสูงอย่างกระต้นตาลอยู่แถวแถวต้นตาลหลังวัดเสมอ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 ทั้งผัวทั้งเมียแล้วก็ลูกๆอีกสองคนต้องสองเวยชีวิตในขณะนอนหลับบ้านที่ว่านี่เป็นบ้านของนายอาจนายอาจคืนนั้นเสียงร้องขอความช่วยเหลือของคนที่ถูกมุง่งแล้วก็สิ่งของในบ้านม้วนตัวทับร่างเอาไว้แล้วก็จมอยู่ในน้ำด้วยจนไม่มีทางที่จะรอดออกมาเลยแม่ไม่รู้เวรกรรมอะไรญาติมิตรที่ เห็นเหตุการณ์ต่างก็พยายามช่วยควานหาบุคคลทั้งสี <uma> ่คือครอบครัวนายอัจเมื่อรู้ว่าบ้านทั้งหลังถูกน้ำเซาะตะลิ่งพังลงน้ําไปแล้วตอนนั้นกระแสน้ำที่เชี่ยวมากเลยทุกคนสิ้นความหวังที่จะช่วยนายอาจญาติพี่น้องก็ร้องไห้กันเสียงระงมทั้งคืนหลายคนต่างก็วิพากวิจารณกันไปอ่าคนพูดน้อยก็วิจารณ์น้อยคนพูดมากก็อย่างว่าแล้วครับ ว่ากันเป็นคุ้งเป็นแควบ้างก็บอกว่านี่มันสร้างกรรมมาไวเทียวยิงนกตกปลาหาปูหาเขียนมาขายมันถึงต้องตายอย่างนี้อีกคนก็บอกว่าหน้าสงสารเหลือเกินทิดอาดเอ้ยทั้งเมียและลูกเนี่ยตายอนาถแท้ๆไม่รู้เวรกรรมอะไรอตอนนั้นเรือมาดหกเจ็ดลำออกหาศพของนางเช้าจแกระทั่งบ่ายสองโมงคณะงมศพก็พบความสาเร็จ ศพในอาจนี่ลอยปริมติดอยู่ใต้สะพานหน้าท่าของชาวบ้านอีกตำบลหนึ่งห่างไปจากบ้านของตัวแกเองประมาณสักกิโลเมตรเศษเศษแล้วก็อีกสามศพคือเมียนในอาจแล้วก็ลูกอีกสองคนอันนี้ถูกกิ่งต้นลำพูที่ยื่นลงไปในน้ำเกี่ยวมุงเอาไว้ศพรอยปริ่มน้ำตอนนั้นกระแสน้ำเอื่อยเอื่อย เพราะว่าน้ําทะเลหนุนขึ้นสภาพศพของตัวในอาจซึ่งเป็นพ่อบ้านนี่ถูกไม้ในบ้านนี่กระแทกเอามีรอยเกี่ยวคล้ำหลายแห่งก็มีมุ้งหลังเล็กพันร่างเอาไว้เข้าใจว่านายอาจเนี่ยคงจะนอนคนเดียวในมุ้งหลังเล็กเพราะว่าบ้านในอาจนีเป็นเรือนไทยก็อาจจะนอนอยู่อ่าห้องข้างนอกส่วนเมียกับลูกเนี่ยคงจะนอนอยู่ในห้องศพ ทั้งสามเนี่ยไม่แตกต่างกันมากนะักแต่ว่ามุ้งของเมียในอาจเนี่ยหลังโตเกือบเท่าห้องเป็นผ้าดิบมุงหูมุ้งนี่สอดด้ไม้รั่วอ่าสองอันเวลาก่างมุ้งแล้วความสูงของมุ้งก็จะพอดีหัวเวลายืนเรียกว่าเป็นมุ้งใหญ่แบบบุราณมุ้งหลังใหญ่เนี่ยตอนที่บ้านพังลงน้ำ มุงก็รัดเอาทั้งแม่ทั้งลูกเอาไว้เสร็จแล้วไม้รวกทั้งสองที่ทําเป็นหูมุงก็เป็นเพชฌฆาตอีกแรงคือไม้มันเบามันก็พยายามลอยขึ้นแล้วก็ไปเกี่ยวเอาสะพานท่าน้ํามันก็ยึดเอาคนอยู่ในมุงดิ้นไม่หลุดมีแต่จะสําลักน้ําตายเท่านั้นเองแบบเดียวกับเวลาที่อ่าเราเวี่ยงแหไปโดนปลาเนี่ยนะครับปลามันก็จะออกไม่ได้จะดิ้นคลุกคลาคลุกคอยู่ในนั้นนะ่ะแบบเดียวกับที่เมียกับลูกในอาดเนี่ยโดน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 เมื่อวานนี้ยังใส่บาตรพระที่ภายเรือบดมารับอาหารที่บ้านแกแต่ว่าวันนี้พวกเขาจากโลกไปแล้วอย่างน่าสงสารน่าเบื่อหน่ายกับการเกิดแกเจ็บตายเสียเหลือเกินพระปรุงแล้วกเอาไปฝังคุณโบราณเขาถือว่าการตายแบบนี้เขาเรียกตายหงก็เลยเอาไปฝังไว้ป่าชาหลังวัด ฝังสพไปแล้วความฮือฮาวิภาควิจารณก็ค่อยๆจางซาหายไปพอครบเจ็ดวันคนจะพูดถึงครอบครัวทิฏฐอาจก็น้อยเต็มทนบางคนก็อาจจะลืมไปแล้วก็ได้ตอนนั้นนะตอนนั้นคนที่อยู่บ้านห่างๆออกไปก็นอนหลับสบายแต่คนใกล้บ้านในอาจหรือว่าทิศอาจเนี่ยนะไม่รู้ก็ต้องรู้ไม่อยากเห็นก็ต้องเห็นเพราะว่าคืนนั้นหลังจากทําบุญเจ็ดวันไปแล้ว ทิดแก้วเนี่ยเป็นทั้งเพื่อนทั้งพี่ของนายอาจทั้งนี้นายอาจผู้ตายก็เรียกนายแก้วว่าพี่เพราะว่านายแก้วนี่อายุมากกว่าสองปีนายอาจกับนายแก้วนี่โตมาด้วยกันเรียนหนังสือก็เรียนวัดเดียวกันตอนจะไปจีบลูกสา ว, าวชาวบ้านก็เป็นคนคอยดูต้นทางให้ก็เรียกว่าถ้อยทีถ้อ ย, อ, ย, อ, ยอาศัยเรียกว่ารักกันมากขนาดจะมีใครมาตีหัวนายอาจนายแก้วก็จะต้องออกรับเลยจะตีไอ้อาจมาตีหัวกูดีกว่า นี่รักกันมากขนาดนี้แต่คืนนี้ทิดแก้วนอนกลุม้มโป่งตัวสั่นเยอะอ่าเหงื่อแตกหมดเพราะว่าเอ่อเมื่อคืนนี้ก็ได้ยินเสียงชัดเลยบอกเรียกพี่แก้วพี่แก้วช่วยผมด้วยผมกาลังจะตายผมกาลังจะตายอ่านอกจากเสียงของเพื่อนรักแล้วยังได้ยินเสียงหลานรักสองคนมาร้องเรียกลุงจา๋าลุงจา๋าลุงช่วยด้วย เสรแล้วก็ได้ยินเสียงวิ่งเล่นเงียนเกลียวเสียงหัวเราะเสียงเสียงอันตามประษาเด็กดังอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ต่อด้วยเสียงร้องไห้รำพันเหมือนใจจะขาดของเมียในอาดเสียงร้องโหยหวนเสร็จแล้วก็เสียงดังตูมเหมือนคนหล่นน้ําำก็ช่วยด้วยช่วยด้วยแล้วเสียงหมาหอนรับก่ะเมนท่อต่อท่อถึงวัดดังไปหลังประชาจนกระทั่งเงียบสงบลงะ รุ่งขึ้นในแก้วกับเมียพร้อมกับชาวบ้านกลุ่มหนึ่งหิูวสำรับกับข้าวเป็นแถวเลยไปวัดขึ้นไปบนหอฉันท่านจะเอาว่าก็ทักเออทิดอาจกัลูกเมียมันทุกเว้ยมันก็เลยเฮี้ยนหน่อยนะแต่มันไม่ทำอะไรได้หรอกวิญญาณมันยังวนเวียนอยู่ที่บ้านน่ะแหละเมื่อคนะืนน่ะอาตจจมาพูดกับมันแล้วมันบอกว่าเดี๋ยวขอไปดูบ้านสักหน่อยทิดแก้วเองเนี่ยหัวจะโกรนได้ได้ ฝ่ายเมียทิดแก้วก็ทําท่าปวดหัวตัวร้อนเนื่องจากความใกล้ชิดขงครอบครัวทิดอาดเนี่ยตลอดถึงลูกๆของทิดอาดด้วยอ่าเธอก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเหมือนกันอ่าเมื่อคืนนี้คนทั้งหมู่บ้านก็ปรึกษากันว่าน่าจะทําบูเลียงพระแล้วก็อุทิศกุศลไปให้ครอบครัวทิดอาจด้วยความหวาดกลัวทุกคนก็ต้องยินดีอ่ะนะบางคนก็ยินดีด้วยหัวใจบริสุทธิ์ะ บางคนก็เอาทำบุญก็ทำทำเลยผีไถ่โหงจะได้ไม่มารบกวนการเตรียมงานทำบุญประจำตำบนก็ปรากฏขึ้นมาอ่าคนที่สนุกที่สุดเห็นกะได้แก่พวกแอรคอเล่าเนี่ยพวกนี้ไม่ค่อยรู้จักนึกคิดอะไรนอกจากกินแล้วก็เมาเมาแล้ว o A, o A, อ่อแออ่อแอ่ามันเป็นอย่างนั้นเสร็จแล้ววันนั้นแม่กลอยสาวสวยประจำบาง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 วันนี้ป้าทำบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้ทุกคนได้มีความสุขนะแม่กลอยนี่อดีตสาวงามประจำบางแต่ตอนนี้ห้าสิบกว่าแล้วนะเสร็จแล้วแกให้อาหาราแกผู้ตายแล้วเสร็จแล้วก็ว่าจ้างเจ้าจุกเจ้าเปียช่วยนั่งดูหมาอย่าให้มากินจนกว่าทูบหมดนะทูบหมดแล้วก็ไปบอกก็แล้วกันนะให้ตังค์คนละสองสลึง เลี้ยงพระเลี้ยงคนเสร็จทุกคนก็กลับบ้านกลับเรือนตัวเองยังเหลือแต่บรรดาคอทองแดงทั้งหลายยังโจ้กันอยู่กลางลานบ้านลิ้นไก่สั้นเันทุกคนอ่อแอ้อแ อ, อก็ปรากฏว่ามีเสียงตะโกนบอกเฮ้ย hey, ผีหลอกเสียงเออ่างพวกจี้มเมาดังลั่นนะเสร็จแล้วก็ลุกฮือวงแตกเลยวิ่งหนีกันกระจุย บอกว่าทิศอาจจะลูกเมียเดินเข้ามานั่งร่วมวงด้วยว่างนันนะคนอื่นก็มองไม่เห็นว่าผีทิศอาจมาหลอกหลอนอยังไงคนไม่เห็นก็หัวเราะมันเป็นที่สนุกสนานก็คิดว่าไอ้พวกขี้มเมาตาลายมองเห็นอะไรก็ไม่รู้แล้วก็คิดว่าเป็นผีทิศอัดแล้วก็หลายวันต่อมามีแม่ค้าขายของประเภทอ่า ในเรือนี่มีของทุกอย่างอ่ะตั้งแต่หมากพลูปูนปลาทูนึ่งน้ำตาลขนมเด็กผลไม้กระเทียมหัวหอมเสร็จแล้วแกพายขายของมาไกลแกก็เหนื่อยก็คิดจะพักเหนื่อยตอนนั้นแม่ค้านี่ใช้เรือสำปั้นขนาดกลางนะก็นั่งพักคลายความเหนื่อยครู่หนึ่งเสร็จแล้วก็มีเสียงนะเด็ก บอกนะ้าพายไปที่บ้านหน่อยสิพ่อกับแม่อยากจะซื้อของนะแกก็หันไปดูอ้าวเด็กอยู่ในน้ํานั่นก็อบอกไอ้หนูมาเล่นน้ําอย่างนี้ไม่ดีนะตัวเล็กนิดเดียวเดี๋ยวจมน้ํานะลูกน่ะแม่ค้ากลัวเด็กจะจมน้ําตายเด็กก็บอกไม่จมนหรอกฉันว่ายน้ําเก่งแม่ค้าไปสิแม่ควักมือเรียกอยู่น่นน่ะนะเดี๋ยวฉันจะว่ายน้ําข้ามไปก่อนกับ น, น้อง แม่แยายแม่ค้านี่แกก็ไม่มีสติจะคิดได้ยังไงก็เด็กตัวเล็กนิดเดียวทําไมไว่ายน้ําเก่งขนาดนั้นคนโตนี่เจ็ดขวบคนน้องห้าขวบยอนั้นแม่น้ําก็กว้างน้ําก็ไหลเจี่ยวแกไม่ได้คิดนะอ่าแกก็พายตัดกระแสน้ําให้พอดีกับบ้านตรงข้ามพอเรือแล่นมากลางน้ําสายตาแม่ค้าก็มองเห็นแม่เด็กควักมือเรียกลูกทั้งสองอยู่ไหวๆเด็กทั้งสองคนว่ายน้ําเก่งจริงๆ เรือไปถึงกลางน้ำเด็กนั่นไหว้นะไหว้แซงเรือแล้วเสร็จแล้วเจ้าของอคือแม่ของเด็กก็มาที่ข้างเรือเนี่ยพอเรือเข้าเทียบท่าแล้วก็แกก็มาชี้เอานั่นเอานี่ผักนั่นผักนี่ขอซื้อหอมกระเทียมด้วยสั่งแล้วแกก็รอแม่ค้าก็กคมหน้าโคมตาหยิบให้เอาเชือกกล้วยผูกผักมัดให้ ก็บอกว่าได้ยินเสียงว่าเอาเงินไปสิเนี่ยแม่ค้าก็เงยหน้ามือก็ยื่นออกไปรับทีนี้ถึงได้มองขนัดสายตากับสายตาประสานกันอไอ้รายข้างบนนยะยิ้มให้แต่อีกรายหนึ่งตัวสันปากเขียวเลยพูดไม่ออกตัวสันร้องลั่นว่าผีหลอกผีหลอกดา่าด้วยความตกใจอ่ะ แม่ค้านะ่าจะหัวโกรนหรือเปล่าลุงเล่มที่เล่าเรื่องเนี้แกก็ไม่ได้บอกแต่ว่าแม่ค้าคนนี้แหละมาทําให้วิญญาณทิศอาจจะเมียกับลูกเกิดเฮี้ยนขึ้นมาก็เพราะว่าตอนที่แกกลับไปเนี่ยแกก็เอาเรื่องไปเล่าให้ญาติพี่น้องฟังญาติพี่น้องแม่ค้าคนนี้ไปหาหมอพระจากอทางเขมรเนี่ยมารูปหนึ่งเล่าว่าภิกษุรูปนี้มีวิชาความรู้ทางทรมานผีมากนะ่ะ คือ น, นั้นภิกษุกับคารวะสามคนก็มาลอยเรือทําพิธีเรียกวิญญาณเอาผงสายโรยลงไปในน้ําเสร็จแล้วก็เอาก้อนหินลงอาถรรพ์โยนลงไปในน้ำสี่ก้อนจากนั้นเป็นต้นมาชาวบ้านก็ได้ยินเสียงร้องคร่ำครวญของวิญญาณอยู่ไม่ได้ขาดท่านจเจ้าอาวาสที่วัดเนี่ยถ้ามีจิตสัมผัสกับวิญญาณทิศอาจกับลูกเมียเขามาตลอดท่านรู้ว่าวิ ญ, ญญาณทั้งสี่ดวงถูกผู้มีวิชามากระทําให้ลําบากเดือดร้อน พระวิญญาณ น, นั้นน่มาบอกท่านจเจ้าว่าถึงความทุกข์บอกว่าฉันเจ็บทรมานเหลือเกินพระเขม็นมาทำร้ายฉันและลูกเมียมันเอาหินมาทับฉันไว้เอาทรายเศกตะกดฉันฉันไม่ยอมฉันไม่อยู่หรอกฉันจะเอาชีวิตผู้คนมาอยู่แทนลูกเมียฉันจะต้องหาโอกาสเอาคนมาแทนให้ได้รุ่งเช้าจเจ้าวาจะมาบอกญาติพี่น้องที่อาดทุกคนได้ฟังก่อ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 ความมืดเข้าปกคลุมชาวบ้านใกล้ชายน้ำทั่วไปคือนั่นมีแต่เสียงหมาหอนเป็นทอดทอดเสียงนกหากินตอนกลางคืนผสมประสานกับเสียงเครื่องยนต์เรือลากจูงดังสนั่นลั่นท้องน้ำนะเสร็จแล้วท่ามกลางความเงียบคนที่นอนหลับอยู่แล้วก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงร้องกรีดกรีดสามสี่ครั้งเสียงดุดันโกรธแค้นเสร็จแล้วความเงียบ นะปรากฏว่าตอนนั้นมีขบวนเรือต่อขนาดใหญ่ห้าลำกับเรือลำเล็กๆสองลำที่พ่วงท้ายมาด้วยบรรทุกเรือเม็ดเนี่ยเพียบปรีมาเลยที่นี่ระว่างคุ้งน้ำที่เขาเรียกคุ้งตะเคียนเนี่ยเป็นคุ้งน้ำที่หักข้อศอกประกอบด้วยกระแสน้ำทะเลหนุนขึ้นน้ำก็ไหลเชี่ยวมากเรือยนพยายามจะเบนหัวเรือลากจูงตัดแหลมเพื่อให้ท้ายขบวน ที่ต้องเหวี่ยงตัวไปทางคุ้งน้ำไม่น้อยที่สุดเสียงเครื่องยนต์เร่งเครื่องดังกึกก้องแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นขณะที่เรือกาลังเร่งความเร็วเต็มที่ปรากฏว่ามีขบวนเรือโยงสวนมาเป็นเรือโยงมันทุกทรายสามลถ้าเป็นกลางวันคงไม่มีปัญหาเพราะว่าเจ้าของเรืออาจจะช่วยคำช่วยขัดท้ายให้ตรงได้แต่ว่านี่เป็นเวลากลางคืน เรือยนสองขบวนที่โยงเรือหนักทั้งคู่สวนกันระหว่างโค้งคุงน้ําเนี่ยทําให้เรือบรรทุกเกลือแล้วก็อีกขบวนบรรทุกทรายลําที่หนึ่งลำที่สองลำที่สามหลบพ้นแต่เรือเกลือลําที่สี่กับเรือบรรทุกทรายลําสุดท้ายหลบกันไม่พ้นก็ปัดเข้ากระแทกกันอย่างแรงเสียงโครมพอเรือตะแคงน้ําเข้าลําเรือพ่วงทั้งสองลำน่ะ เสียงโครมครามอึกระทึกชาวบ้านแตกตื่นขึ้นมาเสียงเออะอโวยวายเสียงตะโกนเรียกหากันพ่อแม่ลูกนะเรือบรรทุกทายสามชีวิตที่อยู่ในเรือเนี่ยจมลงใต้น้าในเรือบรรทุกเลยอสองชีวิตเป็นเด็กเล็กอีกคนหนึ่งกับเด็กรุ่นสาวอีกคนดิ่งลงใต้น้านนะส่วนเรือลาเล็กๆสองลำที่โยงมาด้วยข้างหลังนั้น มีคุณยายอายุสักเจ็ดสิบได้ถูกแรงกระแทกคงสลบไปแล้วกระเด็นลงน้ำก็เลยตายอีกคนรวมแล้วคือนี่หกคนหกชีวิตถูกวิญญาณทิฏฐิอาดเอาไปเป็นบริวารแล้วนะเป็นเรื่องน่าสลดใจละเวรกรรมที่เคยก่อกันมาแต่ชาติปางไหนเป็นเหตุให้บุคคลเหล่านี้ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ใต้ท้องน้ำนี่เป็นพวกกลุ่มแม่ค้าและพร ะ, ขะเขมรเนี่ไปจุดไฟแค้นนกับวิญญาณเฝ้าใต้พื้นน้าถึงไม่สงบ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 เด็กๆกลุ่มนึงก็วิ่งเล่นอยู่หน้าวัด่าก็ถ้าเลยตรงนั้นไปอีกร้อยเมตรก็จะเป็นแม่น้ำซึ่งวันนั้นน้ำขึ้นเต็มตะลิงเลยแล้วอีกประเดี๋ยวน้ำก็จะลงแล้วคนที่เอาเรือมาวัดเนี่ยที่เขาพายเรือมาก็จะพายกลับว่าอย่างนั้นตอนนั้นเรือจอดผูกโซ่กันหลายสิบลำตั้งแต่เรืออีแปะเรือสำปั้นขนาดเล็กเรือมาดเรือบดแล้วตอนที่เด็กกาลังเล่นกันอยู่ก็มีเรือลาใหม่เอี่ยมเลย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 เห็นเด็กอยู่ในเรือขวักมือเรียกอยู่นะเรือนั้นสวยจริงๆทาสีไว้สวยงามเด็กไม่เคยเห็นก็เดินลงไปที่ตีนท่าแรกๆกขารั้งรออยู่เพื่อนๆที่เล่นกันอยู่ก็บอกว่าเออ่จะไปไหนอะแม่สั่งไว่าอย่าลงไปท่าน้ําเด็กสองคนนั้นไม่ได้ยินเสียงเตือนของเพื่อนอะก็เดินลงทุ่นก้าวลงเรืออ่าเสร็จแล้วเด็กในเรือสองคนที่ว่าเนี่ยก็ย้อนเรือออกไปกลางน้ําอย่างรวดเร็ว เรือลํานี้สวยจริงๆทาสีสวยอ่าเรียกว่าพายเรือนี้แล่นไปอย่างเร็วล่ะจ้ำครั้งเดียวแล่นเร็วยังกระใสเครื่องยนต์เรือประหลาดนั่นแล่นไปถึงกลางน้ำพอทาท่าจะล่มจมลงเสร็จแล้วเด็กที่มากระเรือเนี่ยพากันโดดลงมาในน้ําอ่าก็เหลือแต่ลูกชายนางดวงกับเพื่อนลูกเท่าแก่เฮงเนี่ยร้องเอะอะไปที่เรือลํานั้นเด็กๆเด็กที่เล่นกันอยู่กลางสนามหน้าวัด ตะโกนกันลั่นเลยทำให้ผู้ใหญ่ที่ทําบุญบนสลาวัดวิ่งมาดูนะปรากฏว่ามีคนหลายคนนะ่ะเห็นว่าเด็กกำลังลอยคออยู่ในน้ำทั้งคู่นะแล้วมีบางคนเห็นว่าเด็กสองคนเนะี่ยกำลังนั่งอยู่บนโลงศพที่มีกระดาษสีแกะเป็นลายสวยงามแบบโบราณเนะี่ย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 เนื่องจากไม่มีเรือวิ่งพุกพล่านเหมือนแต่ก่อนแล้วตลิ่งก็ไม่พังแล้วการค้าขายทางเรือก็เริ่มหมดความต้องการจะมีก็เป็นบางแห่งเท่านั้นเหตุการณ์หน้าขุนพองสยองกล้าวแต่ก่อนนั่าขาดคนมันนามาเล่าคนแก่คนเฒ่ารุ่นเก่าๆ ก, ก็ล้มหายตายจากไปอ่าไอ้ที่จะได้ได้มียืนยันว่าได้เห็นกับตาตัวเองเนี่ย มันก็เหลืออยู่น้อยเต็มทีนะแล้วก็ลุงหล่มแกบอกว่าเรื่องของวิญญาณเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมีมากมายกว่าสมัยนี้เยอะ เ, ยเหตุการณ์ต่างต่างเหล่านี้มันเกิดขึ้น่าแล้วก็มีคนได้รู้ได้เห็นกันแต่ปัจจุบันเนี่ยเหตุอย่างเนี้ยมันน้อยเต็มทีเพราะฉะนั้น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 ทั้งยังแจกจ่ายยารักษาโรคแก่ผู้ป่วยที่ยากเข็นขั้นต่อมาใต้หงโจสือก็มรณภาพลงชาวจีนก็ยังคงสักการะบูชาท่านด้วยความเลื่อมใสทีนี้เมื่อชาวจีนบางส่วนโอพยพโยกย้ายถิ่นฐานมายัางประเทศไทยก็อัญเชิญรูปแกะสลักจำลองของใต้หงโจสือเอามาประดิษฐานไว้ที่บ้านที่เมืองไทยด้วย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 คนไทยในในคนจีนในเมืองไทยเนี่ยพอรู้ข่าวว่ามีรูปปั้นของอใต้หงโจซื้อมาก็มากราบไหว้นะเพราะว่าความดีของท่านมีมากก็ถือว่าการกราบไหว้คนดีเนี่ยเป็นสิริมงคลของชีวิตทำให้ประสบผลสำเร็จก็ทำให้ทั้งชาวไทยชาวจีนกราบไหว้บูชาอยู่เป็นนิด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 หรือว่าพ่อปู่ใต้หงนั่นเองปัจจุบันก็ตั้งอยู่ภายในมูลนิธิปอเต็กตึง้งถนนพระพราชัยนะครับชาวบ้านาหรือว่าชาวจีนที่มีความเคารพศรัทธาท่านมีเวลามีโอกาสกควรไปแวะไปกราบไหว้ไปขอพรไหว้เสร็จก็ทำบุญบริจาคทานโรงศพต่ อ, อทำอย่างที่ท่านเคยทำมาแล้วได้บุญเยอะครับ